วันนี้อาจารย์ผมไมพิราอยู่อันดับหนึ่งเปิดไมค์ได้เลยอ่นริ้วก่อนอัานริ้วไมโครโฟนสวัสดีพระอาจารย์อ่ญญาพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงอริ้มาสัการฉีดยาแล้วใช่ไหมคุณเมื่วา น, นี้ครับอ่าอาจารย์ยัไม่เชียดนะยังนะคะได้คิววันที่16ค่ะเดินไปนะ ค่ะไม่ไม่ได้เลื่อนนะค่ะไม่ได้ได้พร้อมกันนะค่ะค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนี้ก็เลยให้รอไปอาทิตย์เนึ่งอ่ะค่ะก็เลยได้เั็นที่สิบหกยังไงสบายดีนะฉีดแล้วคุณฉีดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอ้โหเนี่เห็นเห็นมีการพูดคุยกันว่าคนที่ไม่มีอาการนี่เป็นคนที่ ออนแอร์เ๋ยวไม่มีภูมิคุ้มร่างกายไม่ได้ปิดภูมิคุ้มกันค่ะผลิตไปเรื่อยๆแต่ว่าใช้เวลามันน่าจะเป็นอีกแบบนะคนที่มีกำลังแข็งแรงถึงไม่เป็นอะไรเห็นเพื่อนส่งมาค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอให้ไม่เป็นก็ดีแล้วแหละค่ะผมพระอาจารย์สบายดีนะคะพระอาจารย์ตอนนี้ ได้ออกวันวันอาทิตย์ก็ได้รับฟังนะคะของของดออรวีอ่าดอรวีเขาเชิญไปสนทนาธรรมด้วยอ่กระชับดีค่ะ <c oughs> อวันนี้มีคำถามอะไรหมอ้ยไม่ให้คนอื่นคำถามที่ก่อนค่ะเดี๋ยวรับฟังไปตลอดโอเคไป<บ>ที่คุณวราพรอ่าขอบคุณคุณวราพรเชิญ รัฐมนตรการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ ะ, อะโอ้เข้ามาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะเข้ามาครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโอ้ท่อนไงบ้างมีคำถามอะไรไหม มีค่ะพระอาจารย์คือครั้งที่แล้วเนี่ยหนูถามไปเรื่องที่หนูหนูเรียนเรื่องเรื่องการที่แบบเเรื่องเกิดเฉลี่ยก็แบบตอนนี้หนูโอเคกับมันแล้วค่ะก็มีสมาธิมากขึ้นภาวนาได้นานขึ้นอแต่หนูอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่เรานั่งภาวนาเนี่ยค่ะจําเป็นไหมคะว่าเราต้องนั่งภาวนาให้ได้นานๆ น, นะคะหลายชั่วโมงอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้ามันสงบ ก, ก็ดีนานๆถ้ามันไม่สงบ ม, มันก็ยังไม่ดี อยู่ที่ความสงบเป็นหลักเราต้องการให้จิตตับผ่อนให้จิตมีพลังคือมีอุเบกขามากๆอุเบกขาก็คือวามเฉยใจเย็น น, นถ้าถ้าสงบได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีแต่เบื้องต้นอาจจะไม่สงบก็ต้องพยายามสู้กับใจที่เผลอไปเรื่อยๆพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆ ให้ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาถ้าดูลมก็พยายามดูลมไปถ้าพุโทโธก็พยายามพุโทโธไปอย่าหยุดจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามันสงบแล้วมันก็จะอยู่ได้นานตามกำลังของสติเนี่เหมือนภาวนานั้น เหมือนเท่านั้ น, น, นทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นไหมคะไม่หรอ้นั้นกิดูเบกขามากขึ้นเกิดความสงบเกิดความเย็ยนความสบายใจมากขึ้นเป็นพื้นฐานของการที่จะไปเรียนรางเรียนรู้ทางปัญญาต่อไปเพราะจิตที่สงบจิตที่เย็ยนนี่จะสามารถเห็นความเป็นจริงได้ตามความเป็นจริงไม่มีราคติครอบงำ อากติคือลักชังกลัวหลงนั้นต้องมีสมาธิมีความสงบเป็นพื้นฐานถึงจะค่อยไปเจริญปัญญาได้ต่อไปเรื่องตอนนี้ขอให้พยายามฝึกสมาธิให้จิตสงบนานๆเพราะว่าจิตที่สงบแล้วจะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ ต่ไปเวลาปัญญาพิจรนาเห็นว่าความอยากเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราก็จะหยุดความอยากนั้นได้ค่อะอาจารกลับขอบคุณค่ะฉันพยายามฝึกสติฝึกสมาธิไปให้ชํานาญกนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งเมไรก็ได้นั่งแล้วจิตก็สงบเย็นสบายมีความสุข ออกมาก็เฉยกับกิเลสได้กิเลสบอกไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยอยากได้ก็เฉยเฉยจะใช้เหตุผลว่าจําเป็นไหมต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีดีกว่าสิ่งที่ได้มาก็ต้องกลายเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงคอยขังวลได้ความทุกข์มาด้วยจากสิ่งที่เราอยากได้ แต่เห็นด้ยปัญญามันจะมากรอกความทุกข์ก็ไม่ไม่เอาดีกว่าเอาเอาเอาเท่าที่จําเป็นต้องมีอันไหนไม่จําเป็นต้องมีก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้คือปัญญากับสมาธิสองอย่างจะช่วยกันถ้าไม่มีสมาธิเห็นอะไรอย่างแล้วอดไม่ได้หรือมันจะเป็ว่าไม่จําเป็นแต่ก็อยากได้อยากมีเพราะดูแล้วมันสวย เสือบุกเขลิกอะไรเสรืออะไรให้กับเราคนะิดไปอย่างนั้นคิดไปทางกิเลสอย่า <c oughs> ถ้ามีสมาธิแล้วจิตจะไม่ไปทางกิเลสจิตจะไปทางเหตุผลทางปัญญามันจําจเป็นจะต้องมีหรือไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นอย่ามีดีกว่าเพราะมีอะไรแล้วมันปนมันเป็นทุกข์มันเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาและเวลามันจากออาไปก็เศร้าสกเสียใจ ค่นะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพยายามทําสมาธิให้เรญสติให้มากๆจนสามารถนั่งสมาธิได้นานแล้วค่เวลาออจากออกมาทำปัญญาการพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกทุกพ่อไม่เทียมได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการจากกันหรือได้มาแล้วก็ต้องลงทุกกับ ความนักความโหยงความโหมวงใหญ่อะไรต่างๆถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องโหวงใหญ่ <c oughs> อัน<ะ>นี้สามารถนึกได้นี่คือปัญญาพยายามนึกอยเรื่อยๆได้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่อยู่อยู่ในสมาธิอย่าไปทําอะไรให้นิ่งเฉยๆไปนานๆได้คนะ่ะปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะ คุณเบรสเชิญคุณเบรสจากระยองอภัยนะพระเมรุนะการนมมัสการเจ้าค่ะอะมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะมาเลย <c oughs> สํารับวันนี้ไม่ค่อยสงบเจ้าค่ะเนื่องจากว่าหูอื้อเจ้าค่ะเสียงลมมันมันตีเข้ามากบการรู้ลมหายใจเจ้าค่ะมันจับสลับไปสลับมามัน ไม่ไม่สงบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดูเรไม่ได้ก็ลองพูดท่าดูมาได้ถ้าไปจับเสียงลมไม่ไม่ไม่ควรใช่ไหมคพระอาจารย์ลมหูอื้อที่มีเสียงลมเข้ามาก็มันมันเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดมันหายไปก็มันมันไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมันมไม่แน่่ม่ม่ไม่ไม่ ที่จะอยู่กับเราไปตลอดแตนก็ลองดูก็ได้ไม่มีใครห้ามนะลองดูถ้าอันไหนมันเป็นตัวที่มันเด่นก็นดูตัวนั้นไปก็ได้ลอาดูสิว่ามันหยุดความคิดเราได้ปะเอ้ามาคือเราต้องการให้ใจหยุดคิด้น <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรยจะจะไดึดติดมันเดีจะไปทิ้งแล้วทันีี แต่ถ้าดูลมแล้อดูเสียงมันอาจจะหยุดคินมันอาจจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ mm hmm. ก็ทลองดูเสียการปฏิบัตินี้มันเป็นไม่มีข้อห้ามถ้าเราคิดว่าเออลองทำแบบนิ้ดีดู ด, ดีไหมกานทําแล้วทําให้ใจสงบใจเย็นใจสบายก็ใช้ได้ <c oughs> มันมันรู้สึกแบบได้ยินเสียงแล้วมันใจมันแบบมีความลาคาญขึ้นมามันหงุดหงิด ก็เลยแบบนั่งไม่ไปไม่ได้นานนะคะก็เพราะว่าความอยากให้มันเสียงมันหายไปความอยากเป็นกิเลสเนี่ยเราต้องยอมทําใจเล่ากับสภาพความเป็นจริงมีเสียงก็มีเสียงเสียงก็เป็นอนัตตาใช่ไหมเราไปสั่งมันไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ของมันไป ถ้าเราไม่นสนใจมันอาจะกลับมาดูลมก็ได้นะที่เราดูลมไม่ได้ปัญญาเราไปเข้าวณกับเรื่องเสียงมากกว่าอยากใชใ้มันหายไปตันไม่หายอ่มันไม่หายก็คิดว่าเป็นเหมือนเสียงรถยนต์เสียงอะไรที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ควบคุมบังคับห้ามก็ไม่ได้อย่าไปนสนใจให้มาดูที่ลมหายใจ หรือลองเปลี่ยนเป็นพุโทโธพุธโทโธดูไม่ได้เจ้าค่ะถ้าถ้ารีอาการย่างจะลองเป็นพุโทโธดูเจ้าค่ะ <Okay. S 2> น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยง ม, มันอืดมันมันกบมันดังอยู่ในแต่ถ้ามันมันเราทําอะไรมันไม่ได้ก็อยาไปอยากให้มันหายเจ้าค่ะอยากให้ทําให้เราเครียดไม่สบายใจใ เราจะไม่มีสมาธิไม่มีสติที่จะมาดูลงแล้วะมาพูดถูมั่คอยไปกังวลกับเสียงต้องอย่าไปสนใจที่ว่าเป็นเหมือนฝนเสียงฝนตกเสียงรถวิ่งอะไรต่างๆได้ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์โอเคอะไรที่เราทำอะไรไม่ได้อย่าไปสนใจสเพธมานาจารยเจ้าสินทัก ทั้เสียงทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้ากันถ้าเราไปทําอะไรเขาไม่ได้จัดการเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาจะไม่ถุกแม้มันจะไม่ปล่อยไหมคะแกฮะไม่ไม่เจอเลยนะถ้าถ้าวันนั้นนั่งไม่ไม่สงบก็เพราะว่ามันีอาการหูอืหงิดแล้วก็ปล่อยมันแต่อย่าไปสนใจแล้วก็้อง อย่าไปอยากให้มันหายมันอึดก็ให้มันอึดไปเรามีหน้าที่ดูลมก็ดูลงไปอย่าไปจัดการกับเสียงถ้ามันเราจัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยขอบพระคุณนะครันะโอเคสาธุคุณนันทภัทรเนี่ยคุณนันทภัทรเชิญกล่าวธรรมมสการเจ้าข่าวพระอาจารย์นะอา่าวันก่อนได้ มีค่ะก็รายงานผลเจ้าค่ะวันก่อนได้ทำบุญผ่านคุณหลาไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขออนุโมทนาทุกท่านเลยนะบาที<อ>รายงานมาแล้วก็ลืมใคร ท, ที่ที่ได้ทาบุญมาก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะ <c oughs> ขอไปด้วยเราีูความจำมันสั้น <c oughs> ก็รายงานผลการปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องของการทำสมาธาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ที่ค้นพบคือพระอาจารย์ค่ะ ลูกพบว่าเ อ, อลูกนึกถ้าพุทโธแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบพุทธานุสติจะจะสงบกว่าลูกใช้อันนั้นได้ไหมเจ้าค่ะได้อันไหนที่ได้ผลดีก็อันนั้ น, ออ น, น, นเพราะว่าถ้าพ<อ>ุดโธพุทโธกำกับเหมือนกับมือนเครียดเหมือนที่รายงานพระอาจารย์คราวที่แล้วเจ<อ>้าค่ะเพราะว่ามันก็เลยลองแบบว่า น, นึกถึงความดีนึกพุทโทแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกาบท่านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ ม, มีความสว่างแล้วก็มีความสงบดีก็<ม> ให้เจริญอันนี้ต่อได้ไหมเจ้าคะได้ดูที่ผลเนะีถ้าผลดีก็ใช้ได้แล้วก็พอพอนึกถึงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็นึกถึงความดีของของคนอื่นแล้วก็นึกถึงมีความเมตตาสัตว์อื่นอะไรเหมือนเหมือนเรารู้สึกดีกับสัตว์อื่นเหมือนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกดีเจ้าค่ะพระสารก็ก็ทําต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ทำไปจนสามารถทำอ่า ใช้การนั่งสมาธิเป็นวิธีหาความสงบแทนการหาความสงบในรูปแบบอื่ค่ะแล้วก็เรีเรยนพระอาจารย์นะคะ<ม>ลูกลูกได้ตัดสินใจตอนวันอันธมีบูชาเจ้ะค่ะวันที่สามมิถุนาเริ่มการในการไม่อ่ทานข้าวแค่หนึ่งหนึ่งมื้อกับสองมือ้อคือถ้าเป็นวันหยุดนะคะลูกจะกินข้าวแค่หนึ่งมือ้อแล้วก็วันที่เป็นวันทํางานจะกินข้าวสองมือ้อแต่สองมื้อแบบ แบบเป๊แบบเวลาเที่ยงไม่ได้ค่ะเพราะบางทีประชุมเลยประชุมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่แต่จะเป็นสองมื้อเท่านั้นค่ะถ้าเป็นวันทางานก็กลับเรียนพระอาจารย์ว่าลูกขอเข้ามาเจ้าค่ะแต่ก่อนลูกมองว่าจริงๆเราแค่ศีลห้าก็พอแต่พอมาลองทําศีลแปดเหมือนที่พระอาจารย์บอกคือแล้วก็ลงมานอนจากเตียงนะคะปกติลูกนอนเตียงที่เป็นพุกสูงๆใช่ไหมเจ้าค่ะลูกก็ลงมานอนข้างล่างมัน ผลการปฏิบัติและจิตใจมันเบามันอะไรดีกว่าเยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์การการที่เราทำอย่างนี้เจ้าค่ะแน่นอนพอเราลดกามฉันทะลงไปกามฉันทะคือความความอยากความสุขทางกามทางทามจมุก น, นิในกใจค่ะพอแต่แต่ก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะเพราะลูกมีโรคเก่าคือโรคโรกระเพาะก็เลยใช้ยาช่วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะเจ้าค่ะคือมันก็ปวด ปวดตามเราก็เห็นเป็นสภาพการปวดของมันเราก็กินยาไปตามอาการนะคะ <oun> พอสักระยะหนึ่งอาการปวดมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยลูกคิดว่ามันคงจะปรับอยู่เจ้าค่ะเ <starter. S 2> พราะตอนแรกเรากินสามื้อใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลดมาเหลือมื้อหนึ่งกับกับสองมื้อใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็เลยคงปรับอยู่มันก็เลยปวดะคะ่ะแผลเก่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ผลของมันคือทําให้จิตใจเบาแล้วก็ เหมือนกับการเข้าสมาธิน่าจะง่ายกว่าปกติด้วยแต่ก็มีบางครั้งที่อ่อนเพียนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นช่วงร่างกายปรับมัง้งใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เราเคยชินกับการรับประทานมา ก, มาก่าพอมารับประทานน้อยลงมันก็มีการปรับตัว <c oughs> มีการรู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดอาหารแต่ปฏิสภาพามันก็จะอยู่ตัว <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่บอกว่า น้ำปลาน้ำไม่จําเป็นน้ำเปล่าดีที่สุดอันนี้ขอยืนยันกับเพื่อนๆนทุกคนค่ะว่าการทำสินแปดโดยการกินน้ําเปล่าดีจริงๆเจ้าค่ะเพราะก่อนหน้านู้นสมัยก่อนนู้นลูกเคยสินแปดแล้วกินนมกินนู่นกินนี่กินนัน้ น, น, นความความเบาความอะไรความกังวลมันไม่มันไม่เหมือนกันเลยเจ้าค่ะพอาจารย์กินแต่น้ําำจะเราสบายใจมากเลยแล้วร่างกายเราเหมือนกับสดชื่นตลอดเวลาเจ้าค่ะพอาจารย์เราไม่ต้องไปกังวลว่าจะกินนั้นได้แล้วเปล่าดื่ไม่นได้แล้วเปล่ากิเลสมันจะคอยหลอก คอยกวาดหาของดื่มขอมกินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตัดมเลยบอกว่าเรื่องกินกั็มื้อเดียวหรือสองมื้อพอจบแล้วก็จบําเรื่องดื่มงั้นน้ำเปล่าอย่างเดียวน้งกายทํากายอันอันนี้ได้ผลจริงเล้าค่ะหรือรับอย่างเดียวได้ผลมากเลยเจ้าค่ะตัดความกำหวลตัดความปรุงแต่งของจิตเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องดื่มไปจิตจะได้มามีสติมาเจริญสติมานั่งสมาธิได้ง่ายกว่าเจ้าดีแล้ว ค่ะแล้วก็แล้วก็ที่ลูกสงสัยอันนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องศีลข้อสีที่เป็นโกหกอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกลูกทํางานใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันมีเรื่องหนึ่งคือเป็นความลับระหว่างลูกกับเจ้านายว่าน้องคนเนี้ยเขาไม่ผ่านปโปรแล้วแล้วเขาต้องออกไปแต่เขาเจ้านายเหมือนกับบอกว่าอย่าไปบอกน้องเขาว่าเรารู้แล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะ<ม>พอน้องพอน้องเขาถามลูกว่าพี่รู้หรื อ, อยังคือวันที่น้องเขาบอกคือวันที่ที่ที่ ที่เขากําลังจะไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเขาก็มาบอกมาบอกเราว่าพี่หนูหนูไปแล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลเขาเขาข า, ขาถามว่าหนูรู้หรือ ย, ยังหนูก็เลยบอกว่ายังไม่ทราบอย่างเป็นทางการอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยตอบไปอย่างนี้ไม่รู้มันจะผิดศีลหรือเปล่านะคะพระอาจารย์ถ้ามันถ้ามันไม่ตรงถ้ามันไม่เป็นความจริงมันก็คิดมันผิดใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรายังต้องคุย ก, กับวงการสังคมอยู่มันก็ต้องมีบ้าง บางที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์เพื่อเพื่อปกป้องบุคคลอะไรก็แล้วแต่อนี่มันก็จะรักษาไม่ได้น้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่ทํางานได้ดีที่สุดใช่ไหมเ้าค่ะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับใครได้มันก็ไม่มีสีนมันก็จะบอยสุทธิ<อ>์แต่ถ้ายังเกี่ยวข้องอยู่ก็ต้องยอมรับสภาพไปค่ะ ก็ก็มีติดข้อเดียวคือข้ อ, ขอมุสาเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์เพราะบางครั้งเรื่องงานเรื่องคนเราต้องเมเนจแล้วก็จัดการให้มันไม่ไม่เกิดการกระทบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็มีแต่แต่เหตุที่เราหรือความเจตนานที่เราจะมุ่งมุ่งร้ายหรือทําให้เขาเดือดร้อนมันไม่มีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เบาบางไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําให้ผู้อนเขาเสียายเดือดร้อนอแต่ทำได้ดี เราเฉยๆไปก็มันทำเป็นหูทนลงไปก็ได้ไม่ได้ยินน่ะก็ได้ใช่ไหมจเจ้าค่ะพี่ได้ยินแต่ไม่ตอบก็ได้คือบางทีลูกก็เรื่องไม่ตอบเจ้าค่ะลูกก็เงียบไปลูกแต่บางคั้งมันจนจนจวนตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ต้องแบบเหมือนเลี่ยงเลี่ยงแอบก็ต้องยอมรับว่าเลี่ยงบาลีนิดหน่อยเจ้าค <c oughs> ่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เราเราไม่พูดสัอย่างก็เขาจะว่าไงก็เรื่องของเขาเจ้าค่ะงั้นงั้นไปก็เดี๋ยวตั้งสติว่าถ้าเจอคําถามบางอย่างที่มันมันก็ ก็าบอกเขพี่ปี่รักษาศีลอยู่ก็แล้วกันว่าพี่ไม่พูดตอนนี้พี่รักษาศีลอยู่เจ้าข่าะอาจารย์ค่ะแล้วก็นอกจากอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีตอนตอนก่อนหน้านี้ที่ลูกทุกข์มากๆอ่ะเจ้าข่าพระอาจารย์แล้วแบบมันมันไม่มันคิดแบบเร็วๆมาเลยว่าถ้าเราตายไปวันนี้จะจะยังทุกข์ไหมอะไรเงี้ยเจ้าข่าวพระอาจารย์พอนึกถึงความตายบางทีมันก็ ได้เร็วเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าว่าว่าสุดท้ายเราก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรไม่ใช่เหรอ ก, ก็จะได้แบบไม่ไม่ถืออะไรทั้งสิ้นอะอ่างเงีเจ้าค่ะใช่เรามาตัวปเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวปเปล่าเปล่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็ต้องทิ้งไว้ในที่รลบนี้เอาไปได้ก็บุญกับบาปเท่านั้นที่เราทําค่ะค่ะก็ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะให้เพื่อนเพื่อนท่านอื่นแบ ได้ได้พระอาจารย์เจ้พยายามปฏิบัติไปนสติสมาธิปัญญาสามองค์สําคัญเนี่ยค่ะสิ่งก็รักษาเท่าที่จะรักษาได้ค่ะจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะครับถูกมการเชิญเชิญมีการเชิญต่อกราบธรรมสการครับ อไอยู่ที่ไหนจำไม่ได้เลยใต้หวันครับต้หวัน ค, ครับครับเป็ไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรครับร่วมฟังธรรมครับมร่วมฟังกันนะ ค, ครับนไปที่คุณหมอพัฒนาหมอได้ยินไหม ่ได้ยินแล้วค่ะได้ยินไหมคะพระอาจารย์อ๋อค่ะพระอาจารย์กับค่ะสมรสกับพระอาจารย์คุณบอลคุณหลานแล้วก็คุณช้นะคะก็วันนี้มีสองสองข้อของคําถามคพระอาจารย์อันแรกเลยต้องขอบคุณคุณพระอาจารย์ที่พ ร, ระแนะนําเมื่อบานนะคะก็คือก็เริ่มต้นท า, ทานหนึ่งคือก็คือกล่าวว่าคือตอนนี้ก็คือสิลห์สิงห์แปดเอ่อห้าวัานใช่ไหมก็คือจะทานแค่มือเดียวแล้วก็แล้วก็จะเลือกอาหารวันนี้ก็เลือกเริ่มเลือกอาหารที่ไม่ไม่ชอบแบบคือจริงๆริงแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้เลือกอต่ให้ ให้คนอื่นเลือกแผนเพราะว่าถ้าเราดูเหมือนกับที่เวลาพระคนก็ใส่บาตรแต่ก่อนเนี้ยที่ทำเนี้ยก็คือตัวเองเป็นคนเลือกอาหารเองแล้วก็เอามาปนรวมกันมันก็ยังเป็นอาหารที่เราเลือกอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออพอที่พระอาจารย์แนะนํามาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแล้วไม่กังวลนะพระอาจารย์เหมือนกับว่ามีอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวจะลองดูนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งจะมาจะมาเล่าให้ฟังตามมีทําเกิดค่ะได้ไปร้านอาหารเด็กเสือมาถามจะรับมันทำอะไรจัดไม้พี่เขแล้วกัน อะไรก็ได้สองส า, สาอย่างอาจารย์ได้มันมันคงจะงงนะลูกลูกเขาลูกเขาสบายใจเพราะไ่งั้งงนเนี่ยก็จะบอกเอ้ยลูกมาช่วยคนหน่อยว่าเขาที่แล้วใช้บแบบกลัวรอยเหลือการกินข้าวองเกอรี่อะไรอย่างที่เรนชอบบางคนรวมกันลูกก็บอกไม่อยากทำเลยแม่เดี๋ยวบาปเราก็เลยสบายแล้วครั้นี้ไม่ต้องทําแล้วเดี๋ยวแม่กินที่มันไม่ต้องไม่ต้องทํงาแล้วค่ะแล้วก็ข้อที่สองค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปที่เขาชิโอนใช่ไหมคะก็เลยเดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไม่ทําอีกไหมเพราะว่า กะว่าคราวนี้จะไปเราจะเเรื่องสติใช่ไหมคะก็คือเพราะว่าสติเนี่ยพี่นูนน่นในสติดีมากเลยสติแล้วก็จะนั่งนั่งเสมาธิให้ได้ให้ได้มากขึ้นเพราะว่าจะไม่กําหนดเวลาแล้วก็จะเจริญปัญญาโดยการเจริญปัญญาโดยสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดเลยคะ่ะพระอาจารย์กายวิชนาจิตธรรมก็ก็จะลองจา์จะลองตั้งใจตรง น, นี้ดูมีประจารย์พระอาจารย์แ<ๆ>นะนำเพิ่มไหมคะก็ของพวกนี้ที่เราไปปฏิบัติมันเป็นเครื่องมือนะ สิ่งที่เราต้องการจะใช้มาก็คือมาทำลายกิเลสที่มีในใจแล้วังนอย่าลืมเป้าหมายของการปฏิบัติว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องการที่จะมาทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากอะไรต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ใช่ที่เราปฏิบัตินี้สติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือ<น>ที่เราจะต้องมีในการที่เราจะทำลาย กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาทั้งลายให้หมดไปจากใจเพราะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นเหมือนเชื้อโรคส่วนธรรมะก็เป็นเหมือนยาเนีย่ยเราไปไปหายากันใน ป, ปฏิบัติธรรมเพื่อเอายามาฆ่าเชื้อโรคที่มีใ น, ในใจเราให้หมดไปวันที่เราปฏิบัติกันจนกระทั่งรู้ว่าเาจะเอามาทําอะไร เมื่อใ่กังวลเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่ไม่รู้ว่าเอามาใช้ใช้เพื่ออะไรเอามาใช้ตัดความอยากความโลภความหนุนความยึดความติดยึดติดความถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างเป็นเราเป็นของเราเลยทั้งหลายทั้งปวงต้องการปล่อยว่า รายงานพระอาจารย์นิดนึงนะครับเพราะว่าต้อาทิตย์ที่แล้วก็ดูเรื่องของความโลภความโกรธความหลงคือความโลภเนี่ยคือมีสติดูตลอดเวลาเลยดูแล้วว่าความโลภเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ไม่มีเลยพระอาจารย์เพราะว่าอย่างของอะไรที่อยากจะได้อะไรไม่มีแล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือมีแต่การที่จะเก็บแล้วก็เอาให้คนอืให้คนอื่นคือความโลภเนี่ยตัดได้อันแรกอันเดียวแต่ว่าความโกรธเนี่ยโมหะเนี่ยคือรู้เลยว่ามันมีกระเพื่อมพระอาจารย์เพราะว่าขับรถเนี่ยจะเห็นเลคะคือขับรถเนี่ยจะเห็นความเห็นความโมหะได้มากสุดแล้วแต่ว่า ตอนนี้คือจะไม่มีอารมณ์นะคะแต่ว่ามันรู้แล้วอ๋อเธอก็จะแบบอ๋อไม่เป็นไรเขาทําไม่เป็นไรแล้วก็ให้เขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ไม่ได้โกรธเหมือนสมัยก่อนเลยแต่ว่ามันยังมีกับเพื่อนแสดงว่ายังยังมีกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีสติรู้ทันมันไม่เป็นความโกรธแล้วก็เวลามีใครมีทำอะไรเนี่ยความโกรธจะไม่ขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์คือมันเลิกมันมันตัดความอยากออกไปก่อนได้เลยคือรู้ึกเลยว่าแบบมันดีมากเลยคนตัดความอยากพุ๊บแนวความโกรธไม่ขึ้นแต่ว่าความหลงเนี่ยพระอาจารย์คือรู้สึกว่า แล้วก็เรื่องรักสังโกรหลงคือเกือกกะว่าที่จะไปที่เขาชีโอนเนี่ยจะเอาเรื่องดูเรื่องความหลงอะค่ะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันมันเงียบมีสมาธิแล้วจะได้ดูค่อยๆ่อยๆเราต้องค่อยๆตัดทีละตัวใช่ไหมพระอาจารย์เพราะมันทั้งหมดมันไม่ไหวมันเขาต้องค่อยๆทีละพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะเอาตรงนี้ให้ออกทีละตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์คือหลงก็คืงไม่มีอะไรกั็นของเราไม่มีอะไรกั็นตัวเราร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวันหนึ่งมันก็จะต้อง จากลงไปทุกอย่างเหมือนกับร่างกายร่างกายของหนุ่มของพ่อของแม่ของพี่ของนอ้าของสามีของภรรยาของถุนเหมือนกันหมดไม่ใช่ของเราจะต้องนการเส้นสุดในการพัดอากากการเป็นธรรมดาต้องพิจารณาให้รู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ไปทุกข์กับเขา เราจะเขานะ้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์กลับ <Okay. S 2> บ้านต่อเห็นไหมที่คุณคุณแนนไหม ค, คุณแนนการนัดมาจัการค่ะอรย์เป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้มันเรืองรับฟังารรม่าติวิบ ด, ดอด น, นะใช่ค่ะโอเค ให้เงินไปที่คุณเอกเชิญคุณเอกจากเชียงรายกลับมาเกาลพระอาจารย์ครับก็ยังอยู่ข้อปฏิบัติทุกวันนะครับพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีคําถามอะไรครับเข้ามารับฟังแล้วก็ท่านแบกเพิ่มครับอพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งนะการปฏิบัตินี่สําคัญนะคระับศึกษาปฏิบัติแล้วก็ บรรลุเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวกเนี่ยตอนนี้เรากําลังศึกษากันเนี่ยเรามาสนทนาทำฟั่งทำนี้เรียกว่าศึกษาแล้วก็นําออกไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดปฏิเวกคือผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติปฏิเวกไม่ได้เกิดจากการศึกษาศึกษาอย่างเดียวนี่ไม่บรรลุธรรมต้องศึกษาแล้วไปปฏิบัติ ถ้าไม่ไม่ศึกษาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถูกลองศึกษาให้รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็นําออกไปปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิเวทหรือการบรรลุมรรคผลก็ต่างๆก็ปรากฏตามขึ้นมา แต้องมีะเรา่ืมสองอย่างนี่ศึกษากับปฏิบัติต่อไปควบคู่กันปฏิบัติโดยไม่ศึกษาแล้วก็หลงทางศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ไปไม่ถึงไหนครับผมปฏิบัติมันเป็นผลมันใช่ไหมครับการผลใช่เป็นผลที่ตามมาจากการปฏิบัติจากการศึกษาและปฏิบั ต, ากกาบติไม่ได้ศึกษาอย่างเดียวอย่างสมัยนี้บางคนที่ว่าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็บรรลุได้นะบรรลุไม่ได้ ต้องต้องไปด้วยกันในสีกขานะครับศึกษาก่อนเหมือนดูแผนที่ว่าโลกแผนที่มีแผนที่แล้วก็ออกเดินทางตามแผนที่นั้นไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้ามีผมแผนที่แต่ไม่ออกเดินทางก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับผมครับผมครับผมเข้าใจนะครับเข้าใจครับกขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอบคุณาารครับคุณนาเรียเชนตาคุณนาเร อยูแท้เ็อยูนนะนครนายกตอนนี้กลับพอค่ะหนูเพิ่งกลับเมื่อเมื่อตอนบ่ายๆเนี่ยค่ะมาตอนนี้อยู่ที่บางบัวทองคะอ่ะอหลวงหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินค่ะหลวงพ่อค่ะเออที่หนูยังปฏิบัติทุกวันแต่ว่า ออตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราฝึกจิตเราบังคับจิตให้ให้มันหยุดหยุดคิดใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วให้มันอยู่กับคำคาภาวนานคือมันก็สงบดีถูกไ่ะคะหลงพ่อแต่ว่าหมู่ค่ะค่ะอันอันนี้มันมันหมายถึงว่าเหมือนเราฝึกสติ ใช่ไหมคะหลวงพ่อเพื่อเพื่อให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ต้องมีสติก่อนถึงจะทาให้จิตสงบสงบแล้วก็เรียกว่าสมาธิค่ะแล้วพอได้สักระยะหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนะจะรวมไม่รวมเหมือนเหมือนคนที่มายืนอยู่ตรงประตูแล้วมันไม่เปิดเข้าไปอะคะ่ะตอนนี้หนูหนูติดตรงเนี้ยอะค่ะหลวงพ่อซึ่งซึ่งถ้าถ้าเราไม่ได้แบบ เรียกว่าอะไรถ้าทีเราไม่ได้ตั้งใจเนี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีเราไม่ได้อยู่ในห้องพักแต่ว่าเรามานั่งที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเป็นบางครั้งอ่ะอยู่ๆมันเข้าปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนิ่งนิ่งไปเลยคือมันเหมือนกับพอพอสงบแล้วค่ะหลวงพ่อแต่พอเราเราอยากอยากจะยึด วิธีวิธีการที่เราไปบังคับจิตให้ให้จิตมันสงบมันก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ว่ามันมันเหมือนอยู่หน้าประตูมันไม่เข้าไปอะค่ะหลวงพอมันมันไม่รวมค่ะหลวงพ่อตอนนี้หนุ่มติดตรงนี้อีกแล้วอะค่ ะ, ะก็อย่าไปอยากให้มันรวมนี่ยเราก็าพูดโธไปรื่อเดลงไปจะรวมก็ไม่รวมไม่ต้องไปตรงวลกับมันค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วที่บอกว่าเออ ความสุขมากมากกว่าความสงบอื่นไม่มีตรงเนี้ยมันจะอยู่เฉพาะขั้นที่เราตรงสมาธิเท่านั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อมันมีสองขั้นขั้นสมาธิแล้วะขั้นปัญญาด้วยขั้นมสมาธิเป็นความสุขแบบชั่วคราวขั้นปัญญาเวลาบรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้ก็จะได้ความสุขแบบท้าวม อ, อัน๋อค่ตอนแรกหนูเข้าใจว่า อยู่แค่ขั้นสมาธิอย่างเดียวค่ะขั้นสมาธิก็เป็นความสุขแต่แบบชั่วคราวพอจากสมาธิมามันก็หายไปในขั้นปัญญาถ้าเราตัดกิเลสได้แต่ละครั้งนึงมันก็จะสงบมันก็จะเป็นความสุขที่อยู่กับใจของเราไปตลอดค่ะลหลวงพ่อลลหลวงพ่อคะและ้วแล้วต่อต่อเลยได้ไหมคะคือว่าถ้าคนที่เขาจะเหยียบบันไดขั้นที่หนึ่งนะคะลหลวงพ่อเขาต้องไปรับ รักไอเชือบสิบเส้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อทคือเส้นแรกก็คือสตอัตว์น้อยที่ต<อ>ิไม่ใค่ะที่ที่เราละทางทางกายนี่ยหมายความว่าเ อ, อเราให้เห็นเป็นไปรลักว่ามันต้องต้องแก่ต้องอะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องไม่เหมือนเดิมประมาณนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, อแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหน้าตาสองอย่างร่างกายนี้เป็น เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเกิดมาแล้วก็แก่เจียตายไปเราก็อนัตตาก็คงนันไม่ใช่เรามันเป็นตุต๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ทํามาให้เราเน่นเราเป็นจิตเป็นผู้สัง่งผู้มาใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆให้กับเราด้วยความคิดของเราเนี่ยความคิดที่มาจากจิตไม่ใช่มาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย คำพิเศษนี้ไป็นทกสั่งให้ร่างกายลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนไปทําอะไรต่างๆนานานี่อันนี้เป็นคําสั่งของจิตถ้าไม่มีจิตไม่มีคําสั่งร่างกายก็จะเป็นตุกตานอนเฉยๆเป็นเหมือนหุ่ค่ะถ้าถ้าเราที่หนูย้อนไปฟังเทปเก่าของหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อจะพูดถึงว่าเออถ้าถ้าสมมติหนูหนูเปรียบว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับรถ แล้วแล้วจิตเราเนี่ยก็คือคนขับแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเราเรามีรถเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็เบื่อเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ทิ้งเราก็ไปหาที่ใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้าถ้ามาเทียบกับกายเราก็คือว่ามันก็ต้องต้องแก่ก็คือเราก็ไปห้าไม่ได้ย้อนเวลากลับหรือบังคับให้มันดีให้มันสวยงามอย่างเนี้ยถูกต้องมันก็ต้องตายในที่สุด ตายถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ต่อไปเปลี่ยนร่างกายก็คือให้เรามีความคิดแบบนี้ไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องเราต้องเข้าใจจริงๆด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อเราต้องยอมรับจริงๆด้วยใช่ไหมคะก็ต้องดูตอนที่ร่างกายเป็นอะไรแล้วใจเราเฉยหรือไม่เฉยเนี่ยถ้าไม่เฉยถ้าเฉยก็แสดงว่าเราเข้าใจเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา แย่ถ้าเรามีความรู้สึกอะไรกับมันนี่แสดงว่าเราหลงแล้วเราไปยึดไปติดไปเถอว่ามันเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาไอ้ไอ้คำว่ายึดติดมันจะรวมใหม่รวมอันนี้ด้วย้หมคะหมายถึงว่าเอายังรักสวยรักงามยังยังอยากอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายอคําคําว่าลักนี่คือว่าปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายเหมือนร่างกายของคนห น, นึ่งเนี่ยเราไปกังวลไหม นั่นค่คนที่เราไม่รู้จักนี่นะไม่ไม่กลัอ ค, คนที่อยู่ในห้องนี้เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไปกังวลกับเขาไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่กังวลแต่พอร่างกายเราพอผมออกขึ้นมาเส้นหน <c oughs> ึ่งกังวลไหมก็เสียวเสียวฝ้าขึ้นมาบนใบหน้ากังวลไหมแสดมงว่าเรายัางไปถือว่าเป็นของเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไปเป็นของคนอื่นเราไม่เราไม่กังวล ด, ด้วยใช่ไหม แล้วแล้วนี้มันจะยกเว้นเรื่องเขาเรียกอะไรกันดูแลรักษาไหมคะหมายถึงว่าถ้ามันป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถื อ, อว่ายกก็ดูแลไปไงมันเป็นสมบัติที่มันเป็นเหมือนกับของ ท, องที่ของที่เรามาใช้ประโยชน์ให้กับเรามันรถยนต์เราก็รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ใช่แต่แล้วก็ต้องดูแลมันไ ป, ไปเติมน้ํามันให้มันเวลากินข้าวมันก็เติมน้ํามันให้กับลั่งรนยนต์ดื่มน้ำเนี่ย ไม่สบายก็หายามากินถ้าต้องผ่าตัดก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปก็เหมือนยาแต่ก็ต้องเปลี่ยนยาก็ทางนั้นแต่ก็มันก็มันก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเราทำได้ก็ทำไปทาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็คือเท่าไหนก็เท่านั้นใช่ไหมครับทุ่านถ้าไหนก็เท่านั้นใจไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายความเจ็บควางเจ็บปวดทรมายของร่างกายก็ไม่เดือดร้อน อยู่กับมันได้เฉยๆได้วางเฉยได้เออแล้วถ้าถ้าเปรียบเหมือนอย่างนี้ได้ไหมคะคือเมื่อก่อนเป็นคนลักสวยรักงามจะต้องเนียบต้องเป๊ะแต่ว่าพอณปัจจุบันนี้คือเราไม่ได้สนใจตรง น, นั้นแล้วถือว่าเข้าเข้าหลักคันนี้ไหมคะหลวงพ่อก็บางส่วนแต่ยังไม่หมดนเรายังเรายังกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายอยู่อืม ถ้ายังกังวลมันยังแสดงว่ายังไม่ไม่ปล่อยอค่ะถ้าไม่กังวลนะมันจะจะตายวันนี้ก็ให้มันยินดีให้มันตายไปถ้ามันอยู่ก็เรียกมันต่อไปแค่นี้ค่ะแต่ไม่กังวลกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกายมันจะเจ็บไายได้ป่วยวันนี้ก็ก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่เดือดร้อนค่ะหลวงพอแล้วเชื่อดเชื่อดเส้นที่สองก็คือ พอมันพอมันปล่อยเชือกเส้นที่หนึ่งได้สองเชือกที่สองที่สามมันจะปล่อยตามไปด้วยเพราะมันมาด้วยกัน<ะ>คือความนํามีงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหายไปพอเราเอาคำสอนของพระเจ้ า, ามาใช้ในการอ่ากําจัดเชือกเส้นที่หนึ่งก<ะ>ำจัดความทุกที่เกี่ยวกับร่างกายได้นะพอรู้ว่าออกอชนของพระเจ้านี้เป็นของจริง ของจริงมันก็ต้องมาจากคนคนจริงคนที่รู้จริงเห็นจริงพระพุทธเจา้าแล้วคนที่บรรลุปเป็นประสงค์ก็ไม่ใช่ใครก็เราเนี่ยนะอายุยังสองสามขึ้นะส่วนข้อส่วนข้อที่สามเรจะเห็นว่าความทุกข์ของเรานี่มันเกิดจากสองอย่างมันเกิดจากความอยากอยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็เกิดจากการทําบาสนั่นก็จะให้ เวลามีความทุกข์ใจก็จะไม่ไปทำพิธีกรรมแก้ความทุกข์ใจต่อไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปหยุดหยุดความอยากเความทุกใจก็หายไปใน <c oughs> ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีกิจการจะจะจ ะ, จะล่มอย่างเงี้ยก็วังวิตกกังวลอาจจะไปหาหมอดูไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างเพื่อที่จะให้อ่ใจสบายขึ้นค่ะ <c oughs> ใจสบายโดยการปล่อยความอยาก อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นอยากให้โควิดหายไปตัดมันไปเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะไปทำอะไรมันได้เรามาหยุดความอยากนะอันนี้เสียเราไม่มีความอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่มีความอยากให้โควิดหายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ไม่เดือนะดร้อนะโควิดยังอยู่เราก็ไม่เดือดนระ้อนเราไม่ต้องไปทำพิธีอะไรต่างๆไปสำับพาะไป พาหมอดูไม่อะไรต่างอย่างที่คนที่เวลาก็ไม่สบายใจเข้าไปทำหนึ<ะ>่งอันนี้มันจะมาพร้อมกันกับการในดวงตาเห็นธรรมเห็น<ะ>เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนั่งตาเห็นอริยสัจในขันห้างก่อนป<ะ><ะ>ฏิบัติไปมันจะรู้เองเ น, นะนนี้พูดให้วามเข้าาจยังอาจจะไม่เข้าใจเต็มที่หรอก<ะ>ต้องถึงเวลา หลวงพ่อคะแล้วเ อ, อเชื่อเส้นที่สี่ก็พอทราบค่ะสี่กับห้ามันม า, มาด้วยกันเส้นที่สี่นะฮะคือการการราคะกับปฏิฆาความหจจมุนหงิดใจเวลาเกิด<อ>การอารมณ์ขึ้นม า, ม, ามันก็เกิดความหจจมุนหงใจขึ้นมาหลวงพ่อแล้วมันมันยังรักความโกรธได้ไหมคะหลวงพ่ออ๋อยังโกรธอยู่เาลาับปฏิฆานี่ก็คือความโกรธนะความหมุนหีิหจใจก็คือความโกรธนะ แต่ว่าแต่ว่าไอความโกรธที่มันเหลืออยู่มันไม่ได้หุดหงิดใจเรื่องการอะค่ะหลวงพ่อมันมันเป็นเรื่องอื่นที่แบบมันมากระทบใจเราแล้วใช่มันยังมันต้องไปเส้นสุดท้ายนี่แมันถึงจะดับความโกรธได้ต้องเสียกเส้นหมดแล้วความโกรธถึงจะหมดไปนะครับพระโสดามันยังโกรธอยู่พระสกิตาคามีภานาคารียังโกรธอยู่มีภาอาหัรยานันที่จะไม่โกรธ คือโกรธแต่ไม่ได้พยาบาทอย่างนี้นะคะหลวงพ่อคือหมายถึงว่าก็ก็โมโหไปแต่ว่าในใจลึกๆเราก็แล้วก็แล้วไปอย่างเนี้ยถือว่ายังก็ยังถือว่าโกรธอยู่ใช่ไหมก็ยังโกรธยังไม่หมดอ่ายังโกรธนี้ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าในยังมีความหวังอยากได้อะไรอยู่เห็นไหมมันถึงโกรธเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธค่ะพอคือพอโกรธเนี่ยนุ้ย จะนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้อยู่กับคําวริกรรมแล้วใจเรามันจะสงบลงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปทําแบบนี้ตลอดเวลาที่ที่เราไม่ได้คิดงานหรือคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลวงพ่ อ, พอก็พยายามพยายามที่จะจะทําที่หลวงพ่อบอกว่าต้องฝึกสติตู้แบบตื่นจนจนกระทั่งหลับละค่ะหลวงพ่อพยายามที่จะทําแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะหลวงพ่อ ก็มันมันมันละเล็กมาลหน่อยไงมันไม่ใช่แบบทำทีเดียวมันจะได้หมดเลยค่ะหลวงพ่อคนนี้ก็มาโนะแบบทันทีทันใดนั้นเขาสักเขาทำมาเยอะแล้วพรความที่จะทําข้อสอบทีเดียวทั้งทั้งสี่ขั้นได้เลยขั้นปัญญานี่สำหรับคนบางคนนี้มันเร็วมันไปพรวดเลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่นี่ไปเหมือนกับขึ้นลิฟต์เลยไม่ใช่แบบเดินขึ้นบันได มัรวดขึ้นไปเลยแต่แต่หนูยังไม่ถึงตรงนั้นไม่เป็นไรก็อย่าไปกังวล่ <c oughs> แตยังไม่ถึงมาทําต่อไปไม่นขับรถอ่ะขับรถยังไม่ไม่ถึงจุดหมายล้วจะไปหยุดอ่ะเราก็ไม่หยุดเนี่ยเราก็ขับต่อไปยังไม่ถึงบ้านก็เลยขับไปเรื่อยเืยเดี๋ยวก็ถึงเองค <c oughs> วันนี้หนูก็มีคําถามประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อคะพอดีเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยหนูจะไปฉีดฉีดยาแล้วอะค่ะ <c oughs> เลื่อนเข้ามา <c oughs> แล้วกำมัวทั้งบ่าก็บอกว่าตายก็ตายเลยหลวงพ่อไม่ไม่ไม่อานรกไม่ต้องไม่ต้องมาขอพรถ้าขอพรท่านจะกำมัวนะไม่ค่ะหลวงพ่อเวลาเราไปฉีดใช่ไหมเราไม่ได้ไปขอพรใครหราเห็นคลิปหลวงพ่อแล้วค่ะนั่งนั่งให้ฉีดแล้วหลวงพ่อบอกไม่มีอะไรสบายอะไรอย่างนี้ะคะเวนาเราไปฉีดแล้วไม่ได้ไปขอพรใไง ผมไม่ขอค่ะหลวงพ่อพ่อบอกว่ายังไงมันก็ต้องตายจะตายด้วยแบบไหนก็ตายช้าตายเร็วแค่นั้นอย่างนาั้นถ้าฉีดแล้วมันก็อย่างน้อยไม่ไม่ตายเพราะโควิดนะอาจจะอาจจะตายเพราะวัคซีนก็ได้ยิ่เสือป่าจระเข้ แ, แ, ตแต่โอกาสที่จะตายเพราะวัคซีนมันยากอ่ะมันถูกวัคซีนรางวัลที่หนึ่งมันไม่ใช่เป็นของง่ายๆหรอกเข้าใจไหมยังคนที่กลัววัคซีนอย่าไปกลัวเลย โอกาสที่จะทายวัคซีนเนี่ยหนึ่งในล้านคนแวเ่เราถูกรถลารีรร่รางวัลที่หนึ่งหลวงพ่อกลัวเข็ ม, มค่ะหลวงพ่อเป็นคนกลัวเข็มขีดยายังอะไรไม่ยังกลัวความเจ็บอยู่แต่ตอนคือเมื่อก่อนน่ะกลัวมากค่ะหลวงพ่อแต่พอมานั่งปฏิบัติอย่างเนี้ยเราก็เริ่มแบบไม่ไม่กลัวค่ะได้ได้แล้วเอาค่ะไปนั่นให้มันเจ็บนานๆนั่สู้ความเจ็บไปแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวความเจ็บ ปวด ต, าตา่างๆค่ะหลวงพ่อมันมันอยู่ที่ใจถ้าใจเรา <S 2> <S 2> ใจเราไม่กลัวใจเรากล้ามันก็ไม่มีอะไราเจ็บมันนิดเดียวไอความทรมานความกลัว น, นี่มันรุนแรงกว่าเยอะแยะใช่ค่ะค่ะหลวงพ่อนะโอเคนะค่ะปฏิบัติไปนะศีลสมาธิปัญญานะค่ะหลวงพ่อข อ, ขอบคุณค่ะหลวงพ่อขอั้นต่อไปน้มันสกัดอาจารย์ ใช้ช้ชื่อนี้ได้ยินนวัตสการภา้าจานได้ยินไหมได้ยินด้วยค่ะผ้าจานได้ยินจต่ยินเอามันจากสงขาอยู่ตอนนี้ไม่ยอมโผล่หน้าเลยถ้าแบบมายว่าเดี๋ยวว่ากวาวตื่นเต้นก็เลยจุดมาเลยมีอะไรมีอะไรถามมาเลยแล้วก็แบบเดีวันก็กลัวว่าแบบแบบหมบว่าจะลืมวาดว่าวาดจะเะไร ว่าจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิเจ้าค่ะใช่แบบแบบจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิก่อนคือ <Okay. S 1> บางคือคือบางทีเวลาที่ข้าพเจ้าอยากจะนั่งสมาธิตอนกลางคืนให้ได้นานๆเดี๋ยวว่าพอนั่งสมาธิแล้วมันมีความรู้สึกเสียดายเวลานอนหลับกลักวกลัวกลัวว่าจะนอนหลับไม่เต็มตื่นเลยเลยเล ย, เลยนั่งได้ไม่นานแล้วก็ต้องไปนอนหลับอีกแล้วแต่พอได้นอนหลับ เต็มตื่นแล้วมันก็รู้สึกเสียดายเวลานั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ยก็ <c oughs> เป็นอยู่อย่างนี้ทํางไงดีก็ธรรมดาคือนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอแบบ่แบบแบบแบบบางทีอันแบบกะจะนอนแค่แค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่พอเข้าจริงๆมันก็นอนแบบหลายชั่วโมงแล้วก็ขนาดนอนนอนหลายชั่วโมงแล้วมันก็บางทีตื่นขึ้นมามันก็ยังนอนหลับต่อยเจ้าค่ะอ่าใช่ก็มันก็ต้องต้องเลือกเอาแต่ ว, ว่าจะเอาสมาธิหรือจะเอาการนอน แล้ว่าเสียดายกันน้องสมาธินะป่ะเสียดายก็ไปก็นอนให้ น, อน้อยนอนมากก็ไม่จําเป็ น, นะพานอนคือละ พ, พ, พระบุตรจายพานอนคือละสี่ทุกคือละสี่ชั่วโมงค่นีแ้แล้วเนี้เนี้พระอาจารย์สุชาติพิชานตูนอนนอนหลับ ก, ก็นี่แหละสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงมันก็ตื่นปรมาณขึ้นมาเองแล้ว่า แ, แบบบา่าแบบ ถ้าพอบางทีนะั่งสมาธิกลางคืนแล้วก็มันมั น, ม, นมันหว่วงนอนได้ทำไงดีแม่งง่วงใช่ง่วงก็ลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นยืนยืนยืนสมาธิก็ได้เดินสมาธิก็ได้แมาว่าบางทีตอนนั้นนั่งท่องพุโทโธพุโทโธสักมันก็แบบงุบไปข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าล<ต>ุกขึ้นมาเดินีก่ะลุกขึ้นมายืนแทนแล้ว ก, แวก็แล้วก็อยากจะบอกอีกทีค่ะแล้วก็แบบบางแบบบางทีเวลานั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งมันจะมี ความรู้สึกว่าพอแค่นี้จนค่อยนั่งอีกลืมตาลืมตาแล้วก็แบบอะไรแบบนี้แล้วก็แบบทําให้พระพุทเจ้าแบบต้องแสดงว่าไม่มีสติไงถ้ามีสติก็ก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธต่อไปไม่ไปสนใจกับความคิดต่างๆคือคือแบบว่าใจนั้นคือแบบคือมันก็อยากจะนั่งต่อแล้วก็แบบมันแบบมันก็อิกใจนั้นแบบมันก็พยายามแบบให้แบบเราอันแบบออกจากการนั่งสมาธิแบบให้เราอันแบบไม่ต้องนั่งแบบค่อยนั่งอีกแต่นี้ ก็เวลานั่งสมาธิอย่าไปอย่าไปสนใจครับการเลิกให้อยู่กบพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะหมดแรงพุโทโธไม่ไหวแล้วอะไรถึงจะเลิกก็เลิกไปแต่อย่าปล่อยให้ความคิดมาบอกว่าถึงเวลาเลิกแล้วอย่าไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าอยู่กับพุโทโธความคิดมันก็ไม่เข้ามาเดี๋ยวก็ลืมเอง ลืมเวลาว่านั่งมานานเท่าไหร่คือแบบว่าบางทีนั่งคือแบบว่าบางทีนั่งแล้วแบบว่าคือแบบว่านั่งแล้วมันก็แบบมันก็สูบแล้วอะไรแบบเนี้ยแบบมันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าสูบแบบสุดๆแต่มันก็แบบว่าแต่มันก็ก็ก็สูบมากกว่าตอนแรกๆที่ว่าแบบมันก็มานั่งแบบแบบแบบใหม่ๆแล้วก็พอ nang พอั่ง g ไปแล้วจะพูดอะไรนะคือว่า พอพอพอนั่งไปนั่นเราก็แบบมันจะมีความรู้สึกมันแต่ว่าแบบให้ดึมตาขึ้นแบบเนี้ยแบบับแสดงว่าสติเราหมดกําลังนะนั่นก่อนจะมานั่งนี่ควรจะฝึกสติเยอะๆเหมืนอนพยายามทำพุทโธอยู่บ่อยๆตอนก่อนออตอนั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอย่าลปล่อยให้ใจคิดเรื่นนู่นนี้นนแล้วแล้วแล้วก็บางที่นันเวลาไปเจอความทุก ข, ข์วัญนาจากการนั่งสมาธิ ที่มันปวดแบบหนักมากเลยแล้วก็แบบมันนั้นก็จะแบบคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบอะไรแบเนี้แล้วก็แบบให้ลืมตายนี้แล้วก็แบบมันก็แบบมันก็ถอยถอยแบบตรงตรงบริเวณเนี้ยแบบมันไม่เคยแบบแบบว่ามันไม่ได้ต้องต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับความเจ็บปวดให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไรคือคือแบบว่าคือคือแบบว่าพอท่องพุทโธใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบมันจะมีความความแบบว่าท้าพอแบบมันปวดแล้วก็แบบมันจะจะจะรู้สึก เหนื่อยเหยเวลามันหายใจอย่าหยุดอย่าหยุดพูดโทถ้าอยากจะนั่งต่อไปอย่าหยุดพูดโธทดนี่แล้วก็ฝ่ายใจแล้วก็แบบมันนั้นคือแบบว่ามันนั้นแบบว่าไม่มีสมาธิเลยพอมันมีแบบบวมขึ้นมาแล้วสติหมดกำลังคือคือคือคือแบบว่ามันก็ต้องพูดโทอยู่แต่ว่ามันจะแบบรู้สึกหน่อยๆแบบมันจะแบบแรงแสดว่าสติเราหมดกำลังเราต้องไปฝึกสติให้มากขึ้นวันนี้เราจะนั่งได้นานเราจะผ่านเวทนาได้ นี่นี่นี่แล้วก็แบบว่าบางทีนเวลาที่ข้าพเจ้าแบบฟังธรรมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็แบบเพื่อนแล้ก็แบบเพื่อนบางท่านั้นแบบก็ก็บอกเขาว่าไดก็แบบบอกข้าพเจ้าประมาณว่าแบบฟังแบบแบบฟังธรรมเหมือนคนเกเลยเนี่ยแต่ว่าแบบแล้วแบบข้าพเจ้าก็ไม่อยากรจะจะไปสนใจอะไรบ้าเพราะแบบข้าพเจ้าก็แบบแบบคิดแล้วแบบข้าพเจ้าคิดว่า ว่าแบบการที่เราวันจะฟังธรรมะมันก็แบบเป็นเรื่องของทุกพี่ทุกวัยแบบไม่ได้ถูก จ, จากัดอะไรนบบนี้ถูกต้องธรรมะเป็นวิชาความรู้จริงทุกคนสามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่แล้ว ก, แวก็แล้วก็คนในครอบครัวของข้าพเจ้าแบบว่าแมบว่าบางท่านพอาข้าพเจ้าแบบฟังธรรมใช่ไหมแล้วเขาก็แบบมันบอกอะไรแบบให้แบบ ให้แบบใช้ชีวิตอยู่แบบสนุกสนานเลยแบบนี้ยแบบให้แบบตามวัยเลย่างเนี้ยแล้วก็แบบอย่วไปแบบอะไรมากแล้วก็แบบพอเข้าพเจ้าแบบนั่งสมาธิเออพอแบบพอข้าพเจ้าแบบทักษาศีลในในวันพระบางบางบางครั้งแล้วก็ค้าวันใดก็แบบบอกมันก็ว่าเออแบบแบบว่าไม่ต้องไปขิงมากเกินไปเบบนี้แล้วแบบเข้าพาจารย์ก็กลัวว่าจะผิดศีลอะไรแบบนี้เอไม่ต้องไปกังวลกับคําพูดของคนเลยเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหมดได้ยังคำถามนี่นิดนึงค่ะว่ามาแล้วว่าแล้วก็แบบมีแบบบางครั้นแบบว่าแบบแบบพระพุทธเจ้าอันก็เบื่อกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบเนะ้แบบมันก็ว่าตื่นมากินข้าวกินข้าวเสร็จแบบก็นอนหลับอะไรเนี้ยมันก็แบบเป็นชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็แบบเบื่อแล้วก็แบบอยากแบบนั่งสมาธิผนดขั้นแบบซุ้งๆแล้วก็แบบอยากก็บอกความอัด แล้วก็แบบอยากพบกับความอัศจารย์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิบ้างค่ะเราพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นนัสมาธิเราไปเราหาเวลาว่างๆไปอยู่วัดสักอาทิตย์หนึ่งสักเดือนหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ก็ได้อแบบบางที่แบบไม่มีใครพาไปเจ้าคะโอยทําไมเวลาไปเที่ยวไม่ต้องมีคนพาเลยวะเวลาไปวัดต้องมีคนพาไปด้วยไม่ใช <c oughs> ่ เ, เป็นเด็กอ่ะ แล้วก็แล้ว ก, แวก็แล้วก็พระอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าเราวัดแบบปฏิบัติแบบแบบจริงจังเรียนแล้วก็แบบแล้วก็แบบปฏิบัติแบบว่าหลายๆเดือนเรียนแบบพ้ะอาจารย์คิดว่าเราวัดจะสามารถนั่งสมาธิไปถึงขั้นอุอปปัจารสมาธิแล้วก็อัปนาสมาธิได้มั้ยจ๊ะคะก็อยู่ที่สตินะ่ะถ้าถ้าเราฝึกสติไม่ไม่ไปกินไปนอนเฉยเฉมันจเจริญสติมันก็ได้นะแล้วก็ แล้วก็เป้าหมายสุดท้ายแล้วนสุดท้านะแล้วก็เป้าหมายสุดสุดของพระพุทธักษนาคือนิพพานใช่ไหมเจ้เาค่ะก็คือการดับของกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจก็จะได้นิพพานมาเป็นเป็นน้ำมัน มางทีก็เศร้าเหมือนกันเจ้าค่ะแบบพอนึกถึงแบบนั้นแมันกับมันก็ว่าคิดว่าแบบเราเราเราเราเราเร้อนแบบไปแล้วแล้วก็แบบมันก็ไม่กลับมาแล้วอย่านี่ก็กลับมาเข้ามากองไฟกลับมาทําไมตรงนี้มันร้อนมันมันกองทุกคนที่ออกจากกองไฟแล้วก็ไม่กลับมาหรอกมีหละคนโง่ท่านที่คิดว่ากองไฟนี้ดีโอ้เจ้าค่ะนะ การทุกข์เจ้ค่ะท่านนี้นะอาจารย์สายเทิพจะไปไหนถึงคิวอาจารย์สายทิพนะกับนรัสกาอาจารย์ค่ะเอิญไปหยิบสมุดเฉยๆค่ะไม่ได้ไปไหนอ่ะวันนี้คนอื่นรายงานความเ้าหน้ารายงานความไม่เ้าหน้าค่ะสติไม่ค่อยมีเลยค่ะสมาธิทำไปใช้ทําอะไรบ่นะก สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีงานงานเดินแล้วหมืมันเราใช้ทำงานแล้วหมอคะอสัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีใช่ไหมคะอ่านตอนนี้ดีแล้วค่ะก็ ช่วงที่ผ่านมางานค่อนข้างเยอะค่ะสติก็เลยไม่ค่อยได้ได้มีเท่าไหร่แล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเหมือนเราใช้สมองไปเยอะแล้วมันล้าทีนี้ก็เลยอยากระถามพระอาจารย์ว่า ง, งานมันน่าจะเยอะอย่างนี้ไปเรื่อยเรืยเ ร, ยเราจะทําดีเจ้าคะก็ทําเท่าที่เราทําได้ทำที่ดีก็ถ้าตัดงานได้ก็ตัดให้มันน้อยลงอหรือเราทํางานได้เรา ย, ยิ่งดี ถ้าเราต้องการจะไปทางทำเราก็ต้องตัดทางทางเลกไปมันมันถ่วงมันเป็นแรงถ่วงอืมค่ะอันนี้เป็นเป็นปัญหาตรงจริจริงค่ะเหมือนดึงดึงดึงพลังเราไปเยอะเลยค่ะใช่ถ้าเราเคยไปอยู่วันี่ไปปฏิบัติถ้าเราเห็นความแตกต่างกับการไปอยู่คนเดียวปฏิบัติค่ะการต้องทํางานและปฏิบัติไปด้วยมัน มันต่างกันเยอะเวลาทางานนี่มันมันเหมือนกับว่ามันมันมันสวนทางกับการปฏิบัติการปฏิบัติแล้วต้องการหยุดความคิดการทํางานต้องใช้ความคิดอะไรใช่ค่ะเคยเคยวางแผนนะว่าตั้งห้ถ้าเราถ้าเราต้องการทําทํำเราก็ต้องรีบวางแผนแนะว่าจากนี้เราจะต้องก้าวไปสู่ การปฏิบัติให้มากขึ้นการทำงานให้น้อยลงเวลาออกจากงานเลยหรือเปลี่ยนงานทำบัญญาตอาชีพอิสระเรื่องเวลาทำได้พยายามตัดอนนี้มันยังตัดไม่ได้กางวางแผนอยู่เหมือนกันค่ะงานเยอะอันนี้ก็ทำไปก่อนทำตามที่ทาได้ไปเลยไปชี้ให้ไร้เนาะไปก่อน อย่าไปเสียใจช<ม>้ามันดีสีวั น, นใกลลงช่วงงานน้อยก็ปฏิบัติ ด, ดีไหนช่วงไห น, นงานเยอะก็ปฏิบัติไม่ค่อยดีก็ต้องยอมรับสภาพไปออย่าไปทุกข์ประมาทแอ บ, บกังวลเหมือนกันค่ ะ, ะอาจารย์เพราะว่าเอ๊ะงานเราก็น่าจะเยอะอย่างนี้ไปแน่แน่ไปแน่ๆน่นี่คือปฏิบัติไม่ถึงไหนแน่แน่อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่เราแล้วจะขอข อ, ขอลดงานลงลดเงินเดือ น, นลงก็ได้ ออืเดี๋ยวจะพยายามใช้งานให้น้อยไม่รับงานเยอะอใช้งานใช้งานให้น้อยหน่อยลดค่าใช้จ่ายมันก็มันก็ลดลดรายได้ได้อืมแสดงว่าจริงๆเราก็ควรจะปฏิเสธงานบ้างใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเราก็ใจดีอาจจวทําให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนไปทําให้ก็ได้หมดแรงค่ะ โอเคนะไม่มีอะไรแล้วนเดี๋ยวประคับประคองไปก่อนคับพระาอาจารย์ค่ะตาธุลูกค่ะคุณเป็นเนช่นคุณเป็นบนันไดการันนึกหมายก่อนเริ่มมาสการครับพระอาจารย์ครั บ, รบอ่าอยู่ไหนผมอยู่กรุงเทพครับอยู่แถวพุทธมณฑลครับพระอาจารย์ครับเพิ่งเข้ามาเ อ, อ ถามปัญหาพระอาจารย์ครั้งแรกครับฟังเทปพระอาจารย์อยู่ประจำครับพระอาจารย์ครับผมครับผมฝึกสมาธิเออมาก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นช่วงหลังพยายามฝึกเยอะครับคราวนี้ผมเออผมไม่ทราบว่า <c oughs> ยังไงถึงจะเรียกว่าจิตรวมนะครับเพราะว่าพอเราเราฝึกไปบางทีพอพุทโทพุทโทปุ๊บบางครั้งก็ก็ ก็นิ่งไปเลยนะครับพายจารย์ครับบางครั้งพอดูพอรู้สึกตัวบางทีก็เกือบชั่วโมงไปแล้วผมก็ไม่ทราบว่าขณะนั้นถือว่าจิตรวมหรือว่าหรือว่าเป็นพ่ออะไรนะครับบางครั้งพอพุโทโธพุทธโทรไปปั๊บก็เหมือนกับรู้สึกตัวตลอดนะครับแล้วก็ได้เห็นคําบางทีคําบริกรรมพุโทโธหายก็นึกพุทธโทต่อครับพอนึกพุโทโธต่อแล้วแล้วก็ มันก็เป็นอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าขณะถึงจะเป็นสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ก็ไม่มีแสงสว่างหรืออะไรครับพระอาจารย์ครับผมเลยผมเลยไม่ทราบครับพระอาจารย์ครับว่าถือว่าจิตรวมหรือยังนะครับพระอาจารย์ครับผมเลยแยกไม่ออกครับพระอาจารย์ครับคือถ้าเจตจำนงมันจะมีความรู้สึกมาสะใจมันจิตมันจะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบาย เหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะถ้ายังไม่ได้เป็นอย่างไง้ก็อาจจะแบบเคลิ้มหลับไปก็ได้เคิ่มหลับไปนะครับพอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเป็นจิตเราจริงๆมันจะตื่นมันจะรู้สึกเติมมันที่เราคุยกันอยูทตอนี้ครับรู้สึกเต็มที่เลยรู้สึกว่าตอนนี้จิตที่เมื่อกี้เครียดกับการบริกรรมกับการรวมๆนี่นี่มันหายเครียดนมันนิ่งมันเย็นมันสบาย ครับอาจารย์ครับบางครั้งคือเอคือฝึกมาถือว่านานนะครับบางทีพอฝึกปั๊บก็พูดถึงครั้งก่อดๆความหลังนะครับบางทีสว่างตรงกลางตัวนะครับสว่างว่าโครงปั๊บพอสว่างได้แค่ทีเดียวครับแล้วหลังจากนั้นปั๊บเราก็ฝึกไปเป็นกี่ปีก็ก็ไม่เกิดความสว่างครับก็เลยเลิกฝึกสมาธิไปครับอาจารย์ครับอ คือบางทช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่มันลงตัวมันก็เลยได้ผลนะครับถ้าจะให้มันได้ผลอย่างต่อเ น, นื่องนี่อยู่ที่สติที่เราจะต้องพยายามฝึกก่อนที่เราจะมานั่งพยายามฝึกสติคอยควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดปงแต่งในเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปให้อยู่กั บ, ก, บการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายแล้วไปอย่าปล่อให้ใจคิดถึงอดีตถึงอน า, าคตคิดถึงคนนั้นเรื่องนี้นน ให้อยู่ในปัจจุบันไปถ้าเรานั่งมันจะสงบได้ครับผมก็พยายามเอเกือบทั้งวันเลยนะครับอาจารย์ครับบางทีพอเราเรานั่งได้ช่วงเช้าได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงจิตจะรวมหรือไม่รวมก็ไม่ทราบนะครับพอช่วงพอถึงช่วงบ่ายพอพอสายๆปั๊บก็พยายามเดินจงกรมเลยนะครับอาจารย์ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันที่ว่าจิตรวมไหมแต่ว่าพอภาคบ่ายปั๊บ จะพยายามพยายามไปนั่งสมาธิต่อก็ไม่ค่อยเป็นผลสำเร็จอะไรเลยครับพอนั่งปั๊บก็ดูดูอย่าไปท้ออย่ า, ยาไป ท, <อ>ท้อทำไปเรื่อยๆแสดงว่าสติคานามันยังไม่พอที่จะทงจิตเข้าสู่ความสงบได้แต่อย่างน้อยเรามีสติพอที่จะปฏิบัติได้ก็ถือว่าดีแล้วถ้าเราเจะจงกลมได้นั่งสมาธิได้ก็ยังดี่า ไม่ได้ทําเลยนะให้คิดอย่างนี้ครับอาจารย์อะไรทั้งมันวันดีคืนดีเมื่อสติมันมีกําลังมากพอมันก็จะทําให้จิตเด่งเข้าสู่ความสงบได้ครับก็พยายามอยู่สักสองสมเดือนแล้วครับอาจารย์ครัยังไม่ทําบทำไปเรื่อยๆบางทีเป็นปีๆบางท่านปฏิบัติกันเป็นปีก็่าจะได้เห็นผลงองสมาธิครับครับอาจารย์ครับสรุปว่าช่วงนี้ก็แสดงว่า จิตยังไม่รวมนะครับพายจานทร์ครับยังถ้ารวมมันจะรวดมันไปของมหาศาลมากครับคราวนี้คือปกติก็พยายามจะจะนึกพุทโธพุทโธนะครับพายจานทร์ครับบางทีก็ก็คงจะมันพุทโธได้แค่แป๊บเดียวมันหลงเกือบทั้งวันนะครับพายจานทร์ครับถ้าไม่ได้เดินสมาธิหรือนั่งสมาธินะครับมันก็จะหลงไปเรื่อยครับใช่ต้องพยายามอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ต้องมาคำนึงโทรพูดโทไปเดินก็ทําอะไรก็ให้มีสติเฝ้าดูกันการกระทําของเราไปัพระอาจารย์ครับผมต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับแล้วผมก็ถือว่าดีใจมากครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้ครั้งแรกครับทําเองก็พยายามทําไม่เป็นก็บอกให้ลูกชายช่วยทําให้ครับพระอาจารย์ครับก็เลยรู้สึกดีใจครับครับพระอาจารย์ ติดตามได้นะถ้าเข้ามาไม่ได้ก็ดูทางข้างนอกห้องอะไรใน Facebook ก็มีถ่ายทอดสดครับผมดูเกือบทุกวันนะครับดูของ<ม>พี่อาจารย์ทั้งทั้งทั้งขนาดสี่นาทีห้านาทีทั้งยาวๆก็<ม>พยายามดูเรื่อยครับแต่ว่า<ม>เอาพอมีช่องทางนี้แล้วผมก็คือผมพยายามถามจะพยายามถามคํถาถามเรื่อยครับแต่ผมก็ทําไม่เป็นครับมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ<ม>ถ้าเกิดยังไงมีโอกาส หรือมีความติดขัดเรื่องการปฏิบัติยงไงผมขอความกรุณาพระอาจารย์เข้ามาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารย์ครับได้ข้อสาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือฝึกสติให้มากๆพยายามฝึกสตินะครับตอนนี้สําคัญที่สุดพระอาจารย์สตินี่เป็นธรรมที่สาคัญที่สุดครับถ้าไม่มี<อ>สติก็สมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดครับ ก็ต้องพยายามอย่างอย่่ย่าาางงงออยยยิ่งยวดส่วนมากก็จะลืมอยู่อยู่เป็นประจําก็ต้องฝืนนะครับพระอาจารย์ครับให้ต้องฝืนอย่าปล่อยใ ห, ให้มันคิดเดี๋ยวมันกลับมาให้อยู่ว่าอยู่กับงานที่เราทําอยู่ก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้แล้วเ อ, อทําไมบางทีเราฝืนอย่างเช่นพยายามจะมีสติให้ได้มากที่สุดบางครั้งดูเหมือนคิดเครียดครับพระอาจารย์ครับเหมือนกับมันเป็นการต่อสู้กนนันระหว่างระหว่างทํากับกิเลสเนี่ย มันก็เลยเนหมือนกันมาทำให้ใจมันเครียดขึ้นมาก็าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนต่อบสู้กันเป็นเรื่องการต่อสู้กันระหว่งางทรรกับกิเลสครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันก็อายเครียดครับก็ ถ, ถือว่าปกติต้องเป็นอย่างนั้นใชครับต้องปอย่างนีครับต้องเป็นอย่างนี้พระอาจารย์หรือว่าต้องมีคันเตะความอดทนในการทำบารมีธรรมครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับ เพิ่งทราบครัแรกไม่ทราบวันทีไปสอบถามใครครับพระอาจารย์ครับที่ที่เนี่ยพอพอมีโอกาสก็ขอบคุณกราบพระอาจารย์อสูงครับอย่างอื่นก็ก็ไม่มีอะไรครับเถ้าคนอื่นก็สอบถามต่อครับพระอาจารย์ครับในระยะสั้นๆปั๊บก็เลยนึกนึกไปหอบครับผมปั๊บก็เลยรู้สึกงงงงนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ครับครับผมขอรบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนครับคนอื่นจะได้มีโอกาสได้สอบถามพระอาจารย์บ้างครับ กลับนุมัติการครับท่านอาจารย์ครับสาธุสาธุคุณยินดีต่อเะไคุณยินดีจากซาว์ตแคโรไลนาอเมรกับนุมัติการค่ะท่านอาจารย์อ่าเป็นยังไงสบายดีไม่มีช่ะหนูขอรับฟังแล้วกันคะ่ะก็ปฏิบัติเรื่อยๆอะค่ะท่านอาจารย์เ ด, ดวิดจะสบายดีนะ ค่ะท่านอาจารย์ปากฝากคิดถึงถึงท่านด้วยค่ะโอเคเช่นเดีวยวกันนะค่าขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ค <Okay. S 2> ุณหมอณัฐวุฒิต่อคุณหมอณัฐวุฒิครับกลับมาสังสรรค์ท่านอาจารย์ครับนะอแก็เข้ามารับฟังครับก็อ่าฟันไปปฏิบัติเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็วันแรกก็จะสติมันก็ทําไม่ค่อยทันน ะ, ะพยายามพุดโธ ถึงถึงลอยให้มันต่อเนื่องแล้วก็บนไปเรื like. é, um mm ่อยๆก็วันที่สองถึงจะค่อยเข้าลูกเข้ารอยแต่รู้สึกพอมันเริ่มตามทันมันก็รู้สึกว่าธรรมชาติของใจมันมันเหมือนกับมันหมุนอยู่ตลอดเวลาครับก็มีความอยากหรือความอะไรตรงนี้ไม่รู้มันจะจํากัดจะกําจัดมันยังไงคับมันมันก็หยุดคิดเนี่ยหยุดคิดถึงเรื่องที่ทาให้เราอยากครับเข้าพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนพอาะนี่ว่เกิดความอยากก็ลองใช้พุทโธพุทโธพุทโธไป ครับก็คือตามมันก็ทันแต่วามันก็สึกเอ้ยมันก็ถ้ามันไม่มีไอ้ตรงนี้ได้นี่มันน่าจะถ้าใช้พุทโธหยุดมันหยุดให้มันคิดครับมันก็ไม่ขผล่ขึ้นมาหนึ่งโดยจะใช้ปัญญาก็ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์นะช้าเลยมันไม่เทียมมันเปล่งแปรถ้าตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเหมือนกับทุกอย่างมันไม่ใช่เราเราอุปทานไปยึดไปมั่นมันเองไอเวทนาเลยจะไม่ยุ่งใช้ใจมันสงบสงบแต่มันก็เหมือนกับ ใจมันก็มีธรรมชาติที่แบบหมุนจะไปบนสัญญาอารมณ์สังขารอะไรเรื่องต่ออะไรตัวนี <m> ้อะไรไปยังปล่อยมันไปแล้วก็จะตัดมันก็ปล่อยมันือก็ก็เห็นแล้วก็ปล่อยใช่ไหมครับเอาที่ดีอ่าไปดูมันหยุดมันดีกว่าอยู่เับพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยมาก็ไม่เป็ น, นเบ็ดครับไม่ไม่ครับนะพุโทโธจะทําให้ใจเราว่างใจเรเย็นใจราสบายครับนะ <ขอ S 1> พุโทโธไปพุโทโธมันจะอบสัญญาสังขารไป ตอนสัญญาสัมโผลนมาพุทโธพุทโธมันก็หายไปแล้วครับนะจะเดดถือตอนนี้้มีพุทโธเดี๋ยวสัญญาสัก็บผก่นมาคิดทางนั้นคิดงนี้นั่นดีนี่ไม่ดีพุ่มปนีครับะก็แสดงว่าเรายังมีจุดว่างที่ที่ทาให้มันโผล่ขึ้นมาได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิสติเราอาจจะยัง S <S ยังมยังตามมันไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องไม่เชื่อมกันการมันไม่ได้มันยังโผล่ไม่มาได้พอมันโผล่ขึ้นมาต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปครับนะครับนะต้องกขย่านพุทโธแล้วจะได้ผลถ้าขี้เกียจมันก็มันก็ช่วยไม่ได้นะถ้ามันก็โผล่มันบุกอ่ครับครับอะต้องต้องต่อให้มันต่อครับอะ ก็ก็ดีขึ้นฮะวันที่สอง <Okay. S 1> เพราะว่าวันแรกมันก็แบบ อ, อะไรเต็มไปหมดเลยในงานที่ทําอะะแต่ว่าวันที่สองก็มามันก็เหมือนจะโฟกัสได้มากขึ้นแต่ว่าก็ก็เห็นแต่มันก็ยังยังอาจจะไม่เชื่อมกันต่อเ น, นื่องครับนัเนี้ยฝึกไปเรื่อยควบคุมสังขารได้ความเก็บปุ่มแต่งสัญญาสังขารของตัวนี้ครับอย่าไปเลือกเขียไปคิดครับเลกคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวครับ ใช่ครับบุญเร็วใช่ครับครับผมขอบคุณครับนะคุณน้อมจะคุณน้อมจากบรเวนอือได้รับปัจจัยทาบุญแล้วนะสาธุสาธุค่ะอาจารย์ค่ะพอดีอ้อมจะสอบถามว่าการเจริญสติคือตอนนี้อ้อมฝึกแค่ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิทีนี้อ้อมไม่ได้อ่อ เดินจงกรมเลยอันนี้จําเป็นต้องทำไม่จำเป็นอะ่ะถ้าก็าาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เหมือนเดินจงกรมนะนอกจากว่าถ้าเราไปปฏิบัติทำแล้วไม่มีอะไรทำเราก็เดินจงกรมแทนคแต่ถ้าเราทํางานมีงานต้องทําแล้วก็นีถือเป็นการเดินจงกรมในตัวแล้วก็เฝ้าดูงานที่เรากำลังทําอยู่อยา่าปลอให้ใจเราไปคิดเรื่อง แต่ถ้าเราไปปฏิบัติธรรมนี่มันไม่มีงานอะไรให้เราทำแล้วก็เลยนั่งนั่งนานๆก็เมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจบแทนแค่ะนั้นเองงั<ฮ>้นก็สำคัญไม่ได้อยู่ที่ น, นั่งหรือยืนหรืนอรนอนไม่ทําอะไรอยู่ที่ว่ามีสติอยู่กับการกระทําเหล่า น, นี้หรือไม่คให้<ฮ>มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายทุกปิยาบุตรเรียกว่ากายกับตาสติ อาจารยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณธนพลเชิญนั่งนวลรัฐบาลสภครับมาพักผู้ยังไงมีอะไรบ้างวันนี้ก็จริงจริงในในส่วนของการปฏิบัติก็ไม่ไม่ปฏิบัติต่อเนื่องครับก็ไม่ได้มีคําถามอะไรเแต่แต่ว่าเป็นคําถามเออาจจะเป็นคําถามเป็นต้องเพื่อเป็นความรู้ของตัวเองด้วยครับ สมมติว่าในยังในกรรมฐาน40เนี่ยฮะสมมติว่าถ้าเราพูดถึงพุทธานุสติเนี่ยครับจริงๆแล้วเราเราเราระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าในในในลักษณะที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมีมีพระกรุณามีมีความเสียสละอย่างนี้หรือเปล่าครับเขามีเามีบทสวดให้เราท่อพุทธานุสติ อิติปิโสปะกาวาหลามสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุโกโตนีท่องบทนี้ก็เรียกว่าเจริญพุทธานุสติอันนี้คือเรืยย่องยาวแบบสั้นกับพุทโธพุทโธอันนี้เป็นะเวลาทำจิตให้สงบเราไม่ต้องการคิดถึงคุณสมบัติต่างๆเพื่อจะใช้คุณสมบัติ น, นี้มาเป็นเครื่องกรอบใจไม่ให้ไปคิดปถึงแต่งตั้งหมดเอาวต่างๆอันนี้มีเพื่อนบางคน เขาเขาคิดจารณาคือคือเขาระลึกพุทธานุสติด้วยกันเหมือนกับระลึกเป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้จิตไมนไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ได้อืมก็ก็จะเป็นรูปก็ได้จะเป็นชื่อก็ได้จะเป็นคุณสมบัติก็ได้ในสามอย่างถ้าลูกการนึกถึงรูปพระพุทธรูปองค์ใดองคหนึ่งถ้าชื่อก็ท่องุทโธพุทโธไป ถ้าคุณจะสมบัติการสวดเอทิปโอันนี้เป็นลักษณะของการที่ดึงจิตกลับมาไม่ไม่ส่งจิตออกนอกถูกไปเจ้าค่ะถูกต้องไม่ให้จิตปูงแต่งไม่ให้จิตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จิต<อ>มีงานทำเนี่ยมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ครับอย่างระหว่างวันเนี่ยบางทีเราเราเราเอ่อเรารู้สึกว่าจิตมันรวมได้โดยที่ว่าไม่ได้ภาวนาครับ มันก็จะรู้สึกว่ามันมันมีตุ๊บๆอยู่ที่ที่กลางอกอันนี้ก็เป็นก็เป็นเพราะเราไม่สติถ้าไม่สติน่าพอมันก็ไม่ต้องไม่ตงนั่งกระดานมันจิตมันก็จะสงบได้อยู่ที่สติของเราควบคุมความคิดอยู่ความที่ได้มากได้น้อยเท่าไหร่เวลาเวลามันจะสงบนีู่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจมันสงบมันก็สงบเองได้ถ้าเรามีสติมากพอ อางทีอยู่ดีๆก็พอรวมก็คือเราจะรู้สึกแบบมันมันมันเหมือนที่หน้าอกกลางกลางอกอะครับมันจะตุ๊บตุมันเิ่งมันเย็นมันสบายมันไม่คิดปลกแต่งทั้งเวลาต่างๆนั่นเป็นสมาธิอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้จะเอ่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติออนไลน์เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันว่าอืมันเหมือนกับว่าพอปฏิบัติมากๆแล้วมันมันเหมือนเบื่อสังคมอะเจ้าค่ะไม่รู้ว่า เพื่อนปมก็เริ่มแบบว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมันถูกหรือเปล่าฮะมันเหมือนมันไม่อยากออกไปคุยกับใครเท่าไหร่พูดน้อยลงอะเจ้าค่ะถูกต้องเพราะเราดึงจิตเข้าข้างในนดึงจิตเข้าเข้าเข้าห้องสมาธิไม่อยากที่จะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆมารับรู้แล้วมันวุ่นวายซึ่งมไม่รับรู้เรื่องราวของใครดีกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครได้ิ่ดีเพราะในที่สุดก็ต้องแยกกันอยู่ดีไม่ช้าก็เลย เนื้อยามแก่ก็ไปติดแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้นะคอยเฮฮาปารี้ ส, สังสรรกันเราแก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วต่า น, นบ้านใครบ้านมันนะเจ้ค่ะแก่แล้วเปลี่ยนนแต่ตอนนั้นมันแก่แต่ร่างกายแต่ใจมันไม่แก่ด้วยใจมันยังขนองอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธินี่ยมันทําให้ใจแก่ใจไม่หายขนองใจไม่อยากจะไปกระโดดโน้ตเต้นอะไรแล้ว ยายชอบอยู่ที่เฉลี่ยอยู่กับความสงบมีความสุขกว่าใช่ค่ะนั่นเป็นเรื่องปกติของการปฏิบททัติธรรมยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่มันจะยิง่งยิ่งตัดการสังคมหยุดตัดการคุกคีกับคนนั้นคนนี้เอ่ในที่สุดไปเปลีป่ยนไปเวกอยู่คนเดียวมันมุขเจ้าเนี่ยนี่ออกจาก ว, วางไปเลยจ้าค่ะ ตอนตพืนฝูงคาะว่าไปตัดเพื่อนอะไรอย่างเงี Luckily, ้ยค่ะเราก็แบบก็ตัดนะไม่ทำไมไม่ตัดก็ตัดแต่ไม่ได้ตัดแต่ไม่มียายยายยังมีความเมตตามีความ่ผงยายคิดถึงกันอยู่แต่ตอนนี้ต้องไปทําภารกิจส่วนตัวของเราแล้วอันนี้เป็นการไปทําภารกิจเมันโยมลาไปศึกษาต่างประเทศสี่ปีแต่ว่าตัดเพื่อนฝูงทิ้งเขาไปเขาไม่ได้ตัดนะต้องไปทําภารกิจของเราใช่ไหม อนนี้ก็เหมือนกันเราไปปฏิบัติธรรมก็ไปทำภารกิจไปศึกษาปฏิบัติไปเรียนพระมหาวิเชยาลัยของพระพุทธศาสนาพอบรรลุแล้วเรากลับมาหาเขาได้คุยเขากลัวเขาจะไม่อยากจะเจอเราล่เสร็ิพอเรากลับมาหเห็นเรากลายเป็นคนโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวกันเขากลัวเราเกลเราจะเอาพระเอาเชื้อนี่เราให้ถุกเขาอาจารย์ค่ะอาจารย์แต่ว่า ก็พยายามฝึกตัวเองเออกไปบ้านเนี้ยค่ะแต่ว่าพอไปแล้วกลับมาเนี้ยรู้รู้ว่าใจกับเพื่อมมาด้วยค่ะขาดทุ น, ทนไปแล้วขาดทุนต่อไปมันก็จะไม่ไปมันมันต้องมีประสบการณ์ก่อนมาออาทาไมเราถึงไม่ไปเพราไปแล้วเราขาดทุนอุตสาหธรรมใจให้สง บ, บมาท่าบตายพอออกไปครับเป็นเดียวกลับมาโอ้หุ่นวายใจยังคิดถึงเรื่องราวต่างๆใช่ค่ะใช่ค่ะอแม้แต่ภาพนี้ ก็ลงจานมาบัวท่านก็มาให้พระเนื่องจากท่านออกไปรับจิตนิน่งนอนว่าอย่างนี้ออกไปแล้วจิตกลับมาก็ยังฟุ้งซ่านเขาจิตนิ่งนอนที่ไปทํามาใ ช, <ม>ใช่ค่ ะ, ะกว่าจะกลับมานิ่งได้ช้าแล้วใช่เสียเวลาเปหลายชั่วโมงเงินเป็นวันเลยบางทีไปจะกลับมาอยในระดับที่ก่อนจะออกไปอื ม, ม, มถ้าถ้าถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วได้สัมบยยัยกับข้ามสงบล้วจะเห็นค้ามแตกนะ เวลาอยู่ข้างในกับเวลาออกข้างนอกเวลาไปเกี่ยวข้องกับคนนี่เวลากลับมาในี่ใจไม่เหมือนกับตอนที่ก่อนออกไปครับเอเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการธรรมะเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าสงสัยเราเป็นพวกฤๅษีที่อยู่ในถ้าอะไรอย่างเงี้ยเจะมา ก, ก็พระพุทธเจ้าป้าเนี่ยทั้งหลายนั่นก็เป็นฤๅษีนั่นนะอันอยู่ตามถ้ำถ้ำเนือ้อผาถาำเลยรอันปิดไม่เมฆ เป็นอยู่คนเดียวทางนี้ทางเดียวทางเดียวไม่ใช่เป็นทางคู่ถึงแม้เป็นสามีภรรยากันเวลาปฏิบัติทำด้วยกันก็ต้องยากไปคนละทิศคนละทางมาอยู่ใกลยกันเนี่ยก็มาอดที่จะต้องมากังวลมาห่วงกันไม่ได้ครับถ้าเนี่ยลูกเสรษฐีขางหลวงหลวงปาจันมันปุกอมที่ฉันเคยมีภรรยาท่านกับภรรยากายา็าตอนที่ยังไม่ได้บวชก็ ปฏิบัติทำร่วมกันนะพอถึงเวลาที่อยากออกบวชก็ออกบวชพร้อมกันแต่ก็อยู่คนละที่ไปอยู่คนละวัดมันต้องไปทางใครทํามันประเดี๋ยวก็<อ>เนี่ยต้ออดต้องคอยต้องคอยมาดูเขามาเยี่ยมเขาเนี่ยถ้าไม่เยี่ยมกม็กลัวเขาจะว่าทำไมวันนี้ไม่มาคนที่ก ค, คนที่รอ ร, รอให้มาก็ังวลเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงนนไม่มาวันนี้ ไม่มาเลยดีกว่าไม่เรียกกันเลยดีคว่ามันจะได้หมดกังวลยังไงจะได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มเต็มที่่ <uc> ในในในปฏิปทาของพระกรรมฐานเนี่ยที่หลวงตามเาเอาบัวเขียนเนี่ยท่านเลาเรื่องประวัติเขาว่าหลวพอ่อหลวงหลงปลูกพรหมันี่หลวงปูพง่พรมเนี่ท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์เปรต ท่านก็เป็นเป็นค า, าวาสก่อนเป็นเศษรษฐีมีไร่มีน้ำมีอะไรเมาท่านจะบวชกันน้าคู่มันไม่มีลูกลก็เลยยกสมบัติให้ชาวบ้านไปใครอยากจะได้อะไรก็มาขอไปใครอยากได้วัวก็ยกให้ใครอยากจะได้บ้านก็ยกให้ใครอยากจะได้ที่ไ็ยห้เมื่อท่านไม่ต้องการสมบัติทางโลกท่านต้องการไปหาสมบัติทางธรรมอริยทรัพย์มันอะไรที่เสด็จก็ได้อารหัตมร โอกคนลุกเลยเค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคคุณสุภาพรต่อคุณสุภาพรจะเทพใช่ไหมสุภาพรเออได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินจ้าอ๋อค่ะวันนี้เข้ามาฟังทำอย่างเดียวค่ะไม่ได้ถามอะไรค่ะไม่มีคุณนองมีไหม น้องกอยกจะถามอะไรป่ะน้ำมาสการเจ้าค่ ะ, ะ, ะวันนี้นกเข้ามาฟังเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อเดี๋ยวไม่ถามกลัวจะหาว่าข้ามข้ามโหไปอ๊ไม่ต้องการอคขอ บ, บ, บคุณครับไปที่คุณชะาวุฒนต่อนคุณชะาวุฒนเชิญ กดอันมิ้วครับกดอันมิ้วกดกดอันมิ ew, ้วกลางหน้าจอเลยครับอาจารย์ได้ยินไห ม, มต้องอยินต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยเสียงเนี่ยจะชัดขึ้อาจารย์ได้ยินไหมได้ยินได้ยินครับกับกับน้มัสการนะครับผมอ่าผมผมอยู่น้ําพองครับฉันครับน้ําพองขอนแก่นครับออก็ก็เคยเคยปฏิบัติแล้วก็ เคยเคยไปกราบหลวงตามหาบัวตั้งแต่สมัยหลวงตาท่านท่านยังทรงท้าท์ขันนะครับแต่แต่ไม่ได้เข้าไปาถามเรื่องธรรมะนะครับเข้าไปกราบทาบุญแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าท่านท่านยังชลาภาพมากแล้วนะครับก็เลยอยู่ไกลๆแล้วก็ทำจิตทจิตสงบอยู่นิ่งๆหลวงตาก็ ชายตามามองนะครับแล้วก็จิตจิตก็รู้สึกว่าถ้าถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าจะจะสงบจะสงบแล้วก็แล้วก็เย็นเย็นประมาณประมาณจนจนประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับเสร็จแล้วก็เวลามาันมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งสมาธิจิตมันรวมลงเร็วจิตสงบเร็วะครับมัน มันเกิดเกิดจากอะไรครับผมเพราะเรามีสติมากขึ้นไเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นี่เราต้องมีความระมัดระวังอะไรควบคุมใจของเราว่าเรากลัวว่าจะไปพูดไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนั้นเวลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี่สติจะมาครับผมแล้วทําให้เวลาบางทีนั่งสมาธิอยู่ทางนั้นก็ทําให้จิตสงบได้ง่ายเพราะใจเราไม่กล้าไปคิด เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะ เดี๋ยวท่านดูเสร็จแล้วเวลามันนั่งสมาธิคนเดียวเนี่ยพอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทีนี้เวลามันปวดปวดสมมุติว่าปวดตรงที่ไรลที่ค อ, ท, คอที่ขาก็เอาพุโทโธพุโทโธไปไว้ที่ที่คอพุโทโธพุทโธตรงที่คอนะครับก็คลายความปวดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าท่านสมมุติว่าเราเราเอาพุโทโธมาไว้ ตรงที่ปวดตรงขาเนี่ยมันมันจะบาปไหมครับอาจังครับไม่บาปหรอกการปฏิบัติเนี่ยสามารถเอาไว้ตรงไหนก็ได้อืมแต่ว่าพุโทโธเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าอ่ราระลึกพุโทโธพุโทโธ ต, ตรงตร ง, ตรงบริเวณที่ปวดเนี่ยจะจะหายเนี่ยก็คือเราเร า, าจรงิงพุโทโธนี้ไม่ได้เอามาเพื่อระะับความปวดนะพุดโทโธนี้เอามาทําให้ใจสงบมาใจสงบแล้วใจไม่ปวดไปกับความปวด ครับอาจารย์ครับบางทีความปวดอยู่แต่ใจไม่เดือดร้อนถ้ามีพุโทโธถ้ามีพุโทโธนี่ใจจะเดือดร้อนจกนกระทั่งทนหน้าต่อไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะความปวดนะแต่ความทรมานของใจออถ้าว่ามีพุโทโธแล้วมันหยุดความทรมานของใจได้มันก็เลยทาให้อยู่กับความปวดของน่าง ก, กายได้ครับอาจารย์ครับก็ รู้สึกว่ า, อ, าอยู่กับกัลยาณมิตรแล้วก็มีกำลังใจนะครับก็ขอกำลังใจจากจากผู้อาจารย์นะครับก็ครั้งแรกที่เข้ามาแล้วก็จะจะเข้ามาบางทีอ่าก็จะอาจจะสอบถามปัญหาธรรมะกับผู้อาจารย์ด้วยนะครับผมได้เชิญก็อย่างนี้ใครก็เข้ามาฟังก็เข้ามาถามไม่ยากก็ถามได้โอเคนะเหนไปที่ท่านต่อไปอไคุณตรดาจะครับนักศึกษาปรม อยางสถิติอย่างราชการเจ้าค่ะปฏิบัติตอนเนื่องอยู่ค่ะยังยังถือสิ้นแปลนอาหารอยู่ค่ะใช่ค่ะเกกินมื้อเดียวเลืออดทั้งวันตอนนี้สองมื้อค่ะตอนนี้สองคนกับแฟนสองมื้อแต่ว่าอาจมันจะมีอาจจะเล็ดเลดบ้างต้องกินเพิ่อกินเป็นเพื่อนเขานะหนูอยากทำอยู่แล้วพอดี ได้จังหวะพอไม่ได้กินมื้อเย็นก็เห็นว่าอยากมีความอยากกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเคยกินค่ะพอพอไม่ได้กินก็เห็นพอมันอยากก็เราอยากกินอะไรสามมันหลัดเลยต้องค่ะาจารเพราะบางทีต้องออกไปข้างนอกไปเห็นก็อ๋อทุกที่เราปฏิบัติอยู่ในวัดหรือว่าเนี่ยอยู่ในบ้านเราไม่ได้ไปเห็นแต่พอไปเห็นมันก็ อ๋อก็อยากกินแต่ว่าก็ไม่ต้องดักนิสัยดัดความอยากมันอยากกินก็อย่าห้ามแม่ใกินทั้งสามวันดูต่อไปมันจะไม่กล้าอยากกินค่ะพระอาจารย์กินได้เมื่อถึงเาแต่แต่ไม่ใช่กินเมื่อไม่ใช่เล็กอยากขึ้นมาก็อยากจะกินขึ้นมาไม่ได้ค่ะช่วงหลังๆมานี่ก็ไม่หลุดหนะถ้าช่วงแรกๆยังมีหลุดบ้างอยู่ค่ะช่วงหลังมายังไม่หลุดค่ะเลิมเริ่มแบบอ๋อ ขักินนี่เองค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้ก็ฟังพี่ๆเขาก็ได้ประโยชน์มากค่ะโอเคขอบพระคุณครับคุณท่านศิษย์ย์อยู่ที่ไหนตามไปข้างล่างแล้วนี้ครับท่านอาจารย์นี่ครับบารีชื่อชื่อชื่อมันแก้ไม่ได้ครับการบินไทยครับทมาฟังแล้วก็อยากได้กําลังธรรมะที่ทําให้รู้สึกว่ามัน มีความเพียรเพิ่มขึ้นนะครับท่านอาจารย์ก็เนี่ะฟังไปแล้วเกิดศรัทธามากขึ้นกับมเพียรขึ้นมาเอง ร, รู้ว่าธรรมะท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นของของหมันนะไม่ได้เป็นหมันนะศึกษาปฏิบัติไปแล้วเนี้ยมากผลก็ปรากฏตามขึม้นมเองพอเห็นมันก็ได้ผลเราก็จะทําให้เรามีกนกำลังใจอยากจะได้ผมนั้นจะทํำอันนี้ก็ไม่ต้องทำงานแล้วก็มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่แล่ไหม ก็มันเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเพียนครับยังไม่เพี้ยนนะยังไปดูนะัง่งบําบีอยู่นะ<ม>ก็ต้อมพยายามตัดรูปเสียงกิลลอนนะสมองมี <_ Q> สีตาหูจะบวกนกาย <_ Q> ตอนนี้เรามีเวลานะเมื่อก่อนก็อ้างว่าต้องทํางานอต่นี้ไม่ไม่ต้องทํางานแล้วเดี๋ยวก็ถูกลูกเสียงดิลลอนดึงไปอีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ค่อยครับคอยปราศ ควารมาฉันทะเนี่ความย็นดีในะรูปสิ่งกีดลอนเนี่ยมันก็หลออให้เราไปดูนะั่นไปฟังนี่ดูแล้วก็เพลิน <c oughs> มีเรื่องให้ดูอยู่เยอะแเรื่อคนนั้นด่าคนนี้เยอะแยะไปหมดในโซในโซเชียลนี่ดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไม่หมด <c oughs> อยากไปดูน้อยตามมันไปเลยปะดูแต่เฉพาะเวลามีคนส่ง ข้อความอะไรมาเกี่ยวกับเราโดยตรงให้สงบเนี่ยไม่ติดตามข่าวทั้งโลกเลยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กน้ำมันแล้วรเราหาเวลามาทำใจให้สงบดีกว่าดูพวกนั้นแล้วรับประกันได้ใจไม่มีวันสงบนะมี่จะฟุ้งมากขึ้นไปตัดเนี่ยจำนวนบัญรีนั่นแหละ การปฏิบัติธรรมจะได้ผลนี้ต้องสำนวมเป็นซีน่าต้องหมั่นเจริญสติไปเรื่อยๆต้องปิดวิเว้อยู่คนเดียวแล้วก็รับประทานอาหารพอประมาณนี่คือเคล็ดลักของการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผขึ้นมาครับมีอยู่สี่อย่างสำนวมตาหุ่นจมูกนิ่งกายปิดวิเว้อยู่คนเดียวแล้วก็ นับประทานอาหารพอประมาณนั่งะมาธจระลึกสติตลอดเวลาสีข้อนี้ถ้าทำได้รับประกันได้สมาธิมาแน่แน่มาผลนิพพานมาแน่แน่โอเคนะขอบคุณครับคุณชุนิสาคุณน้ำกลับนานมัสการเจ้าค่าพระอาจารย์ อว่ายังไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะเข้ามาฟังขอโทษด้วยไอ้พุทธที่แล้วที่หลุดไปค่ ะ, ะไม่ไม่ถือสาอะไรที่นี่ไ ม, ไม่มีไม่มีโทษกับใครใครเข้ามาใครออกไปนี่เป็นเสรีเข้าออกอยากเสรีอยากฟังแต่มันหลุดเจ้าค่ะทีนี้หนกูก็เอ๊ะไปขาที่ไหนก็ไม่รู้กันเลยเอเดี๋ยววันพุธหน้าก็เอ็ด ก็เข้ามาฟังท่านพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมเจ้าค่ะก็ปฏิบัติเรื่อยๆทุกวันค่ะวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเจ้าค่ะอคขอบพระคุณมากค่ะยินไปคนที่คุณยาเสศิษฐ์คุณญาติศอยู่ที่ไหนนมัสการครับอาจารย์บ้านอยู่ที่ไหน อยู่บางแสนครับผมขอบคับอ<ด><ม>าจารย์ที่ไรไหมวันนี้วันนี้คือคือในในขั้นในขั้นพระโสดาบันนะครับอาจารย์มันมีสามอย่างใช่ไหยครับอาจารย์ที่ต้องตัดอคือมีอวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลศีลศีรัตะปลามานันครับผมคือสองอย่างนี้ผมคิดว่ามันยังพอพอใกล้ใกล้แต่คืออันที่สามมันรู้สึกยากมากเลยครับอาจารย์สัก กายะทิฏฐิใช่ไหมว่าอาจารย์มันปล่อยวางร่างกายมันปล่อยวางร่างกายไม่ได้เลยว่าอาจารย์มันมันมันรู้สึกว่าถ้าถ้าตัวเองตายขึ้นมาหรือว่าแบบคิดถึงจัดงานศพตัวเองอะไรนะครับมันรู้สึกโขดขูมันรู้สึกแบบอยากตัดตัวนี้ให้ได้ครับมันรู้สึกมันยากก่อนจะก่อนจะไปตัดทา้งย่อนี้ต้องเอาสมาธิให้ได้ก่อนไปฝึกสมาธิให้ได้ก่อนเข้าฌานให้ได้ก่อน ถ้าเข้าฌานหน้าใจจะเป็นกลางใจจะเป็นอุเบกขาพอมาพิจารณาความตายก็จะไม่รู้สึกโกรธเถือ่อนแต่อย่างใดกับรู้สึกดีใจว่าอ้อจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายที่เราทุกข์เพราะเราเราไม่อยากตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้ท่านนี้ร่างมันก็ปล่อยไนดะ้เพราะรู้ว่าความตายมันไม่ได้เป็นทําให้เราตัวเราทุกข์คนี่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากไม่ตาย เข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์เวลาเวลาฟังฟังคลิปสั้นๆของาอาจารย์แล้วมันมันตรงมากๆเลยมันแบบว่าแต่มันคิดว่าทําไมเราไม่เห็นทําไมไม่เห็นอะไรนะครับกิเลสมันโมหะมันบังไว้ไงเราต้องทําสมาธิเพื่อเพื่อให้กิเลสโมหะนี่มันสงบตัวลงตกแล้วมันก็เรก็จะเห็นความจริงเห็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์เกิดจากความ ความหลงของเราที่ไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความทุกขที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายแความจริงมันบอกว่าร่างกายทุกคนไม่ว่าจะเป็นขางใต้องตายด้วยกันัก็จะยอมตายได้พอยอมตายได้นี้ก็จะไม่ทุกกับร่างกายต่อไปนะ เดี๋ยตอนนี้อย่าไปกังวนกับเรื่องปัญญาตอนนี้มีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกํำลังที่จะปล่อยวางได้ต้องฝึกสมาธิให้จิตได้อุเบกขาแล้วจิตจะปล่อยวางได้รอบักพอจิตมาว่าอันนี้เป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติดก็จะปล่อยได้ทันทีนะครับอาจารย์เอาแค่นี้กัอนนะครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับคุณปลางวาันอะไรเชิญ กับนรัสการค่ะก็จริงๆคำถามได้หมดแล้วค่ะได้ตามเป็นคำถามเดียวกับประจารย์ใส่คลิปค่ะพอรา ง, งานเยอะขึ้นเราก็มีสติสมาธิน้อยลงแต่ว่าก็พยายามใช้สติในการแก้ไขปัญหาเจ้าค่ะใช่ทำไปเรื่อยๆค่ะเจ้ค่ะกังวลเรื่องวัคซีนเจ้าค่ะเพราะว่า ม, มันไม่ใช่เฉพาะตัวตัวโยมอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของพนักงานทั้งโรงแรมด้วยก็ ก็เลยต้องใช้วันนี้ก็ต้องมานั่งคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปอยู่ก็ได้อเองธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรเถอะเวลามันจะได้มันก็ได้เถอเวลาไม่ได้มันก็ไม่ได้แค่นั้นจบค่ะนี่เท่าเนี้ค่ะเดี๋ยวฟังต่อจะค่ะโอเคคุณรุมที่ว่าใช่คุณนุมท่วากาบน้ำมันกาก ร, รจขขระค่ะพ่อจางนี่ะไรไหม วันนี้ไม่มีคำถามเหมือนเดิมจ้าค่ะไม่นนะสบายดีนะสบัยดีจ้าค่ะโปฏิบัติธรรมเยอเปล่าทุกวันค่ะพระอาจารย์ีคนะสาธุเดีนไปที่ทานตอบไปนะคุณเจตคุณเจษภูเก็ต น, น ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนนมัสการครับพระอาจารย์อยู่ที่ภูเก็ตครับผมอ่าวันนี้อยากขอครับผม วันนี้อยากขออนุญาตพะอาจารย์ช่วยสอนการกำหนดอสุภานิมิตครับผมนิมิใก็คือดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายมีอยู่สองแบบดูซากศพต่างๆศพสิบชนิดนี้ก็ตอนต้ก็ไปไปดูภาพที่ก็ไในถ่ายไม่ก็ในวาดไม่ดูตายใหม่ไปยางไงตายแล้วขึ้นอึดพอมเขียวช่ำอะไรนีมีศ ก็อยากบสิบสร็จนิดด้วย่ันไปดูภาพแล้วกาเอามานคอยู่ในใจให้มันอยู่ในใจเราไปตลอดให้ให้มันจําได้จดจํำภาพนั้นได้เพื่อเวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้มาเราก็นึกถึงภาพ น, นั้นมันก็จะดับการอารมณ์ได้ <c oughs> หรืออีกอีกวิธีหนึ่งก็ให้ดูอาการสารสิสองของร่างกายร่างกายนี้ภายใต้ผิวหนังนี่มีอะไรที่เรารองไม่เห็นเยอะ มีกระดูกมีมีโครกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีดำไส้มีหัวใจมีสมองอะไรอให้นึกถึงภาพเหล่านี้ไปเปิดหนังสือของนักศึกษาแพทยดูก็ได้มันจะมีภาพบางตอนนี้ให้เราดูแล้วเอามานึกบมาจดมาจำให้มันอยู่ในใจเราถ้าเรามีภาพเหล่านี้อยู่ในใจแล้วเวลาเกิดการมาลงขึ้นมาแล้วก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมา กรรมณมันก็จะดับไปเข้าใจไหมนี่แหละการการเจริญสุภาษิตคือต้องให้นึกบ่อยๆให้คิดบ่อยๆจนกระทั่มาทางมันฝังอยู่ในใจของเราเราต้องการนึกถึงมันอีกมากเมื่อไหร่ก็มันโผล่ขึ้นมาทันทีครับผมขอถามอีกคําถามหนึ่งได้ไหมครับได้จากให้พระอาจารย์ช่วยสอนอการระงับหรือว่าการ ลดทอนการแก้ไขความเพลินความติดใจยินดีแล้วก็ความเพลินยิ่งขึ้นไปครับผมความเพลินในรูปเสีย์กินรถใช่ไหมในเรื่องับความเพลินที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในบทนั้นท่านบอกว่าเ อ, อตัณหามาพร้อมความเพลินและความติดใจยินดีครับผมอยากทราบว่าคือเราเห็นเราพอเห็นตัณหาแต่เราแต่ผมไม่สามารถที่จะ ที่จะบางครั้งความเพลินมันเพลินเกินไปก็ลองจำนมจ <laughs> ำนมอินเสมมมียงจำน ม, ม, มตาหูจ ม, มูกเอ็นกายอย่าไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มันก็จะไม่เพลินต้องห้ามห้ามจิตห้ามใจอย่าไปสนใจคำเนื่องข่าวสารอะไรต่างๆที่ที่เราเพื่อเพลินด้วยต้องตัดใจต้องทําใจตัดใจอย่าไปเปิดอย่าไปดู เปหนังสือธรรมะดูแทนถ้อยากจะดูอะไรก็ดูหนังสือธรรมะตังเทศตังธรรมไปอย่าไปเกิดดูไปช่องข่าวช่องวิาพากษ์วิจารณ์ช่องบันเทาไม่ต่างๆพวกนี้ดูแล้วมันเพลินแล้วก็จะเกิดตันหาความอยากต่างๆตามมาต้องสำนวนบัญชีเช่นถือสินแปดก็ทําก็ดูพวกนี้ไม่ได้น่ะันที่ถือสินแปดนะครับก็ไม่ดูพวกดูพวกบรรเทาพวกหลอแล้วจบ พวกพวิพากษ์วิจารณ์นินทากาเลอะไรบบตา่างๆนี่เขาก็ไม่ดึงไปนั่นเราถือศีนแปดเลยนี่จะได้นำรับความเพื่อนเพื่นได้ครับใจช่ไหมเข้าใจครับครับขอบคุณพนะระอาจารยครับผมครับผมครับคุณดีบีเชิญคุณดีบีได้ยินไหมเชิญ อ, อันนิ้ ก, ก่อน มีไมโครโฟนได้อย่างมีปุ่ ม, มันมิวส์นะครับอ่าใช่ อ, อยู่ที่ไหนพูดได้นะครับกับนมัสการเจ้าค่ะได้ได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนชัดเจนค่ะอยู่จังหวัดอยุธยาเจ้าค่ะคือติดปฏิบัติธรรมทุกวันเจ้าค่ะคือมาคือใจชอบมาทางสายเนี้ยค่ะเมื่อก่อนที่ยังไม่พบ ไม่ยังไม่พบครูบาอาจารย์ก็จะชอบสวดมนต์ค่ะแล้วทีนี้พอสวดไปแล้วกายมันหายไปค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าวสภาวะธรรมแบบนั้นคืออะไรอ่ะค่ะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้พบครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนทางสายธรรมเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ อ, อปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็คําอธิษฐานก็สมดังใจเจ้าค่ะก็คือได้พบครูบาอาจารย์ค่ะ ครั้งแรกก็เรียนเกี่ยวกับฌานก่อนเจ้าค่ ะ, ะแล้วก็สำเร็จทางด้านฌานนะเจ้าค่ะก็จะได้สัมผัสเกี่ยวกับทางฤทธิ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาพบพระอาจารย์ที่ท่านสอนวิปัสสนาญาณ น, นะคะตอนนี้ก็กำลังฝึกปฏิบัติวิปัสสนาญาณอยู่เจ้าค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาพบ คือฟังฟังพระอาจารย์ที่ท่านสอนปฏิบัตินะคะแล้วทีนี้พอพอไลฟ์สดของท่านจบไปเนี่ยก็มีของพระอาจารย์ขึ้นมามาต่อนะคะก็เพิ่งเคยได้ไ ด, ได้ได้ฟังของพระอาจารย์ครั้งแรกอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่อง อ, อ, อุปจารสมาธิเจ้าค่ะ แล้วก็ช่วงนี้สภาวะธรรมก็จะเกี่ยวเนื่องเหมือนพอมาฟังของพระอาจารย์แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงอุปจารสมาธิเจ้าค่ะคือว่าเมันจะมีคําที่เกิดขึ้นในจิตเจ้าค่ะก็ะคื อ, อตอนอปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็จะเป็นแบบมีคําว่าเล่นแร่แปรธาตุาขึ้นมานะคะแล้วทีนี้อปฏิบัติไปจะได้ยินเสียงขึ้นเสียงอะคะ่ะ แล้วก็เราสามารถที่จะแปลขึ้นเสียงเป็นธาตุทั้งสี่ได้ก็คือดินน้ําลมไฟนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกก็คือคือเป็นเป็นครั้งแรกอะคะ่ะก็เลยตื่นเต้นก็เลยยังไม่ไม่ทราบว่าการเล่นแร่แต่ธาตุเป็นยังไงอะคะ่ะคือมันเป็นไปโดยสภาวะธรรมนะเจ้าค่ะแต่พอสักพักก็คือลองลองดูตอนแรกก็คิดว่าเอออาจจะเป็นแบบพวกนิมิตมาหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ก็เลยลองปฏิบัติซ้ําอีกทีมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นเราเปลี่ยนเอแปรเป็นธาตุดินตัวเราก็จะแข็งเป็นหินนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าแปลงเป็นธาตุน้ําเราก็จะพิ้วไหวเหมือนคลื่นสายน้ํานะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าแปลงเป็นธาตุลมเราก็จะรู้สึกเบาเบาเหมือนสายลมนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟตัวเราก็จะอุ่นขึ้นแล้วก็ เริ่มร้อนขึ้นนะคะก็เลยพอพอทำไปสักพักเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายแล้วก็ปล่อยวางค่ะปล่อยวางเสร็จก็ขึ้นเสียงมันก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเป็นภาพเจ้าค่ะาภาพก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับอ่ววกาศการเคลื่อนที่ของแผ่นดินเป็น ตาพายุค่ะแล้วก็เป็นจิตตสังขารที่มันปนปนกันอยู่นะเจ้าค่ ะ, ะสิทธิ์ก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยมาถูกทางไหมตรงทางตรงธรรมไหมเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองจะไปทางทางทางลิฟตะมากกว่านะเจ้าค่ะใช่ที่ว่าไม่ใช่อันย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเราต้องเห็นไจรักนะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิทั้งหลายต้งกลัเจ้าค่ะ เห็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นทุกข์ามันมันไม่มันมีการแปรปรวนอยู่เรื่อยมีเกิดมีดับมีได้มีได้มีเสียมีเจริญมีเสื่อมนะในพิจารณาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนา <Yeah. S 2> อบางครั้งสิทธิ์ก็เกิดสภาวะสภาวะธรรมที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองอย่างเช่นว่าถ้าเราเกิดมีกามาลมเกิดขึ้นนะคะมันจะได้กลิ่นศพจากตัวเราเองอ่ะคะ่ะมันก็เกิดความแบบสะอิดสะเอียนก็เลยแบบว่ากามาลมตรงนั้นก็จะดับไปทันทีอันนี้คือมันเกิดขึ้นเองะคะ่ะคือเราไม่ได้ไปกําหนดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราเคยเคยปฏิบัติมาแล้วนู่นแน่ดีนั่นก็เลย โอ้้ไไไมม่่จะปานนยัก็ถูกต้องนะถ้าดับการมังมได้ดับกิเลสได้ก็ใช้ได้สิก็จะมีสภาวะอย่างนี้แต่ว่ามันมันจะไม่แบบว่ามันจะไม่เที่ยงอ่ะเจ้าค่ะคือบางวันมันก็ดีบางวันมันก็จะออกไปทางฤีธอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งสิธก็จะไปอย่าปล่อยให้มันไปเดินกลับมาทางวิปัสสนาดีกว่าเนื้อมาอยู่ที่ความสงบดีกว่าให้มันนิ่งเฉยๆนาเป็นอุเบกขา ค่ะคือบางบางครั้งพระอาจารย์ของสิทธิ์อะค่ะท่านก็จะสอนคือจะต้องเป็นวาระนะเจ้าค่ะท่านก็จะสอนเอ่อเกี่ยวกับการการเดินจิตพอพอฌานสี่แล้วก็จะไปทางอรูปฌานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิทธิ์ก็เคยเคยเดินตามท่าน ก, ก็ก็ไปถึงถึงอมตะธรรมก็คือท่านก็จะพาพาลูกสิทธิ์แต่และคนเดิน เดินไปถึงจุดนั้นก็ก็ก็รู้สึกถึงสภาวะอามาตะธรรมนะคะแต่ว่ามันมันเหมือนแบบว่าเรายังได้แค่ชั่วคราวนะเจ้าค่ะคือมันไม่ได้สถียืนแบบเป็นเป็นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะให้มันตลอดเวลาก็ต้องตัดกิเลสให้ได้หมดตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอืม แนื่องความอยากได้มาตัดทมนี่ก็ต้องตัดไปมันก็เป็นความอยากเหมือนกันคือ <Okay. S 2> ช่วงนี้ค่ะสภาวะธรรมของสิทธิมันก็จะเป็นว่ามีความรู้สึกว่าอยากออกบวชตอนตอนช่วงนี้นะคะคือมีความรู้สึกว่าอยากออกบวชแล้วก็มีความรู้สึกว่าพวกหนังพวกละครก็เบื่อเบื่อหนายสิ่งที่เคยแบบชอบดูก็รู้สึกเบื่อไม่อยากดูไม่อยากฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออ่ตอนตอนตอนนี้นะคะก็จะอดเข้าเย็นเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าคือมันไม่อยากกินมันไม่อยากกินเองอะคะ่ะมันเหมือนเป็นสภาวะทำอย่างคือพอมันถึงจุดที่ว่าถึงวาระที่เราจะต้องหยุดมันก็จะแบบมันก็จะเป็นไปเองอะคะ่ะคือไม่อยากไม่อยากจะกินอะไรเงี้ยค่ะก็ ด, ดีก็ถือสินแบกได้สบายถือสินแบกแล้วก็ตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปหมด นำมาความสดจากการเข้าสมาธิแทนค่ ะ, ค ะ, ะหนูหนูก็จะเป็นคนที่แบบชอบปฏิบัติค่ะหนูปฏิบัติทุกวันแล้วก็แบบว่าสม่ำเสมอหน่อยแล้วก็ในชีวิตประจำวันหนูก็จ ะ, ะ, จะเจริญสติไปด้วยะคะ่ะคือถ้าถ้าเราไม่วุ่นวายกับโลกมากไม่โดนไม่โดนเกี่ยวกับวิบากกรรมดึงรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งสติได้แล้วก็จะอยู่กับโล่งว่างได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้บ่อยขึ้นคือมันจะมีแบบว่า จิตที่ไหลกับใจที่รู้ที่มันสับสวิตกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอถูกต้องพยายามทำจิตให้ให้รอดให้สบายให้สงบให้สับสวัสดิ์รู้ไปค่ะถ้าถ้ามีอะไรที่ที่สิทธิ อ, อสงสัยก็อาจจะ อ, อมากราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้ค <c oughs> บาค่ะเพราะสิทธขึ้นเคยเคยเคยฟังพระอาจารย์ครั้งแรกก็เลยลองเข้ามาดูเจ้าค่ะ ก็มีเรื่องอยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องฤทธิฤทธิ้นี่อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะะ<ฆ>มันไม่ได้เป็นทางสู่สการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็คือถ้าถ้าถ้าสิทธิ์เจอในในสภาวะธรรมอย่างเงี้ยก็คือให้ปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะ<ฆ>อย่าดึงใจดึงจิต ก, กลับเข้ามาในฌานดีกว่าให้กลับเข้ามาในความว่างความสมงบดีกว่า<ฆ>อย่าไปตามรู้เจ้าะว่ามันจะทําให้เราเสียเวลามันไม่ได้ดับกิเลสได้ เจ้าค่ ะ, คะอันนี้อาไม่ใช่ที่หลังไปเวลาระดับความทั่วหมดแล้วนี้เราไปเล่นกับอิอทธิฤทธิต่างๆได้ค่ะสิทธิเคยเคยมีคำหนึ่งเกิดขึ้นในจิตอะค่ะคือเกี่ยวกับพลังเจโตอะค่ะคือสิทธิปฏิบัติไปแล้วตอนที่เราเปื้องจิตสลัดคืนสู่ธรรมชาติอะค่ะก็จะมีพลังอันเนี้ยเกิดขึ้นเหมือนสลัดเอากิเลสออกไปทั้งยวงอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีคําเนี้ยผุดขึ้นในใจแบบเหมือนสิท สงสัยว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มีคำว่าพลังเจโตเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจโตมันต้องมีพลังปัญญากราประดับเมื่อนถึงจะเป็นการฉลาดได้อย่างทาวรถ้าเจโตอย่างเดียวมันไม่ฉลาดได้กันชั่วค้ามชั่วคราม ป, ปัญญานี่จะเกิดในต่ อ, ตอเมื่อที่เราปฏิบัติ ไปเรื่อยๆจนเกิดปัญญาขึ้นเองใช่ไหมเจ้าคะอ่อปัญญาเราต้องวิเคราะห์เราต้องเอาเรื่องที่เราไปยึดไปติดเราวิเคราะห์ให้เห็นว่าเป็นไตละเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของราค่ะ <c oughs> อันนี้ต้องพิจารณานจะเห็นเนื้อสุภา <c oughs> ถ้าเราเคยพิจารณาสุภาษิตมันก็จะโผขึ้นมาเองเว <c oughs> ลาเกิดกรรมเราต้นนึกถึงมาสุภาพเช่นความกิน่น ตินไม่ผือปาธนาเรื่องภาพที่ไม่น่าปาถนาภาพคนตายอย่างนี้มันก็จะดับกามาลงได้ถ้ามันไม่โผล่เราก็ต้องพิจารณาลึกสร้างมันขึ้นมาในใจเราให้ได้อันนี้พยายามสร้างภาพความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เกิดขึ้นในใจเราอนี้เห็นอะไ ร, รก็เดี๋ยวมันต้องจบน ะ, ะเห็นสิ่งนี้ปับ๊บเห็นคนนี้ปับ๊บเดี๋ยวมันเดี๋ยว เ, เ, ยวเต้องตายนะเดี๋ยวเขาต้องจากเรานะ เขาไปจากเราแล้วก็จากเขาอันนี้เ ร, เรียก ว, ว่าอันนี้จำไหมนะอันนี้จำเป็นอย่างนี้ก็คือให้อยู่ในกฎของไตายรักใช่ไหมจ๊ะใช่ใ ช, ใชใ่เห็นทุกอย่างว่ามันอยู่ภายใต้กฎของไตายรักทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเร<ค>ื่องเสียงกล่ดไม่ว่าจะเป็นร่างกายขันห้าอะไรนี้อยู่ภายใต้กฎตายรักทั้งหมดแล้แต่อารมณ์ของจิตก็เหมือนกันอารมณ์ของจิตก็ตายรักเหมือนกันไปปวดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย เจค่ะอ่ในบางครั้งนะคะในชีวิตประจาวันสิทธิ์เคยแบบว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับสิทธิ์อะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเงาเจ้าค่ะอย่างอย่างใครที่ปฏิบัติไม่ดีกับเราอะคะ่ะมันเหมือนภาพนั้นอะคือเราเราเคยไปทำปฏิบัติอย่างนั้นกับเขามาคือมันรีเวิร์สกลับมาที่ตัวเราก็คือ เราเคยไปทํากับเขาก่อนแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็ย้อนกลับมาเหมือนผู้เหตุการณ์ที่ที่เราเจอค่ะคือถ้าเราปฏิบัติดีกับเขาเนี้ยก็คือในเขาก็จะดีกับเราเองใช่ใช่ค่ะก็คือมันเหมือนแบบให้โุก<ะ>ให้โชแก่ท่านส ม, ม น, นั่นก็กลับมาหาเราให้โุกแก่ท่านทุกนั่นก็กลับมาหาเราใช่เจ้าค่ะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเงาว่าเออเราเคยมีวิบากกรรมหรือทําอะไรอย่างเงี้ยคือทากับเขาก่อนแล้วก็จะโดนอย่างนั้นกลับ ตอบกลับมานะเจ้าค่ะ อ, อย่าไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นถ้าเราไม่ต้องการเรากลับมาทําไม่ดีกับเราเจ้าค่ ะ, คะติโก็คแล้วเ <ละ S 2> จ้าค่ ะ, คะตอบขอพระคุณมากนะเจ้าค่ะจะได้ไปเยี่ยมต่านต่อไปก่อนนะอสาธุเ <ละ S 2> จ้าค่ะคุณสอนดวงพรเดชวันนี้อ่านได้ชัด น, นะอยากสุวรรเขเพื่อนบ้านปร<ล>ะเทศเรา มีอะไรไม่วันนี้ครับอาจารยันนี้ก็ยัง ม, มีความรู้สึกกลัวครัพระอาจารย์ต้องทําใจให้สงบแล้วก็จะไม่กลัวนะจิตวุฒโธวุฒโธทําใจให้สงบเหมือนเหมือนกับมีพายุเหมือนจะเข้ามาครัพระอาจารย์แล้วเรามีจิตตัวน้นอยๆอยู่อะครับจารย์จิตเไม่มีอะไรทําลายได้ให้เข้าใจไหมระเบิดนิวเคลียก็ทําลายจิตเราไม่ได้เหมือนเหมือนว่าอยู่คนเดียวในโลกไปนแล้วแบบ มีแบบอะไรเข้ามาแบบโผมใส่เราเนีครับไม่ต้องกลัวถ้าจิตสงบแล้วไม่มีอะไรจิตจะไม่หวั่นไหวกลับไปําอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงก็พยายามแบบว่าเเอออ่มีสติอ่ะค่ะอาจารย์ถกสตินั่งสมาธิทําจิตให้สงบให้ได้แล้วจิตจะหายกลัวพระอาจารย์มีเท่านี้แล้ววันนี้มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์อ ค่ะมีแนะนําเพื่อนมาด้วยเขามาฟังทำอ่าที่อยู่ข้างๆเลยนะคุณพาเทียนะไม่ไม่ใช่ค่ะพระอาารก็คือเข้ามาแต่อยู่คนละที่อ่ะค่ะคนละที่ชื่ออะไรเดี๋ยวเปิดเจอนั่นเชิญเขาต้องฟังอยู่ค่ะพะอาจารยไม่ได้เข้ามาในห้องสูงนะเขาบอกว่าเขาเข้ามาแต่ไม่ดูเข้ามาหรือเโอเคไม่เป็นไรสาธุนะสาธุครั ันต่อไปคุณผานทเทพเชิญคุณผานทเทอต้องเปิดไลค์โฟนนะมไครโฟนด้อันไได้ยินแล้วพอดี <Okay. S 1> แค่เข้ามาฟังนะคะ่ะเหมือนครังแรกนะใช่ค่ะรู้สึกอช่ไหนใช เ, เป็นคนอุดรคะ่ะแต่ว่า มีบ้านอยู่ที่นนทบุรีค่ะทำงานที่กรุงเทพมีเราจะถามไหมวันนี้ไม่มีเลยค่ะแต่รู้สึกอิ่มใจรู้สึกดีค่ะจะพยายามมาร่วมฟังค่ ะ, ะดีสาธุยังไปกอนที่ท่านต่อไปที่ท่านตอไปนะคุณมาเรศเชิญคุณมาเรศกราบน้มันตกรกรันครับหลวงพ่อ วันก่อนผมฟังเทศของหลวงตามหาวัวท่านบอกว่าพระอาหารหนะันต์น่ยยังมีขันอยากอยู่เหมือนปุถุชนธรรมดารับเปอเซนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นขันอยากหรือจิตยากอะครับก็ขัอท่าเนาี่ยเราเวทนาสัญญาสัญญาวิญญาณเนี่หลวงตามหาวัวท่านบอกว่าถ้าถามท่านว่าชอบกินอาหารประเภทอะไรท่านก็สามารถตอบได้เหมือนคนปกติแต่ว่าจิตท่านไม่อยากผมก็เลยงงว่ะ มันต่างกันยังไงอะครับตรงนี้ครับก็ท่านเคยชอบแล้วท่านก็ยังจําได้าชอบอันนี้อยู่แต่จิตใจท่านไม่มีตัญหาความอยากจะกินอันนี้ก็เนี่ยแต่ถ้าใครถวายมาพอท่านเห็นของที่ท่านเคยชอบท่านก็หยิบมากินได้แต่ท่านไม่ท่านไม่สรรหาไม่จิตใจไม่ไปขอหมอกคนโน้นหาให้นั้นมาให้เราหน่อยนะหายนี่มาให้เราหน่อยไม่มีในจิตของท่านต้ำอยากไม่มี แต่ความจําว่าเคยชอบมะนรนี่ยังมีอยู่ในใจเข้าใจอหมถ้าแบบนี้มันไม่เป็นกิเนเลยมีก็กินมกไม่มีก็ไม่กินแค่นี้ไม่เหมือนลวกเราเราเคยชอบอะไรยังขวันถึงมันอยู่เรื่อยยังอยากจะกินมันอยู่เรื่อยเอยพอมันหาไม่ได้กินก็เครียดขึ้นมาเสียใจครับ หมายความว่าท่านก็จะมีแบบจากร่างกายอยากท่านก็รับรู้ว่าอยากหมายความถ้าเกิดเคี้ยวมากทั้ำมากตอนก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมพอท่านบรรลุธรรมเสร็จการทวายมากไามาท่านเคี่ยวท่านก็เคียเค้ยวต่อนะครัมาเคี่ยวต่อแต่ท่านไม่ได้ไ ป, ปอยาก ช่วงที่ท่านปฏิบัติแบบอุกฤษช่วงนั้นท่านฉันมากไหมครับหรือว่าเลิกทุกอย่างท่านไม่เลิทุกอย่างเลยท่าไม่แตะอะไรแต่ทำอย่างเดียวนั่งปฏิบัติทําจะเป็นเลยแต่เวลาบรรลุธรรมเสร็จแล้วไม่มีอะไรจะทับ็ไม่ใครถวายอะไรของที่เคยเคยชอบก็จัดการได้เลยแต่ไม่ไปขอไม่ไปบอกลูกสิษย์ว้าไอ้นี่มาให้หน่อยนะนั่นมาให้หน่อยไม่มี แม้ความความอยากของพระอรหันต์กับความอยากของคนธรรมดานั้นไม่เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอรหันต์ไม่มีความอยากแต่ยังสามารถที่จะเสพสิ่งที่ท่านชอบได้เคยชอบอะไรไหมชอบอะไรใจมันไม่ได้เปลี่ยนไปเใ้่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่เข้าไม่ไม่ต้องเข้าใจหรอกคุณปฏิบัติไปดปฏิบัติเข้าใจก็อันหนึ่งที่ มันหนึ่งที่ผมมันก่อนที่ไปถามภาษาอกฤษผมไม่ค่อยเข้าใจครับอันที่ผมถามว่าที่วัดความสุขจากไปจากการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้คือวัดความสุขของใจแต่ว่าคนที่ทําไม่ดีบางทีเขาอย่างีทําไม่ดีเขามีความสุขจากการมาลงได้อยู่ดีความมาลงก็เป็นความสุขของใจอย่างหนึ่งที่ความรู้สึกเข้ามามันต่างจากความสุขอย่างแบบท<ำ>ําเป็นบุญยังไงครับมันจเดี๋ยวเดียวแเดี๋ยวมันก็ทุบมาได้ไหมครับ คนที่ไปทําอะไรเนี้ยพอไม่ได้ทํามันก็ทุกขึ้นมาทันทีอ๋อมันแตแต่ความสุขของบุญนี่มันจะเป็นบวกกับบวกบวกอย่างเดียวไม่มีทุกข์ขลบ อ, อะไรเป็นเป็นขาเลยใช่มันไม่ความสุขที่ทานอารมณ์ทางการอารมณ์มันเป็นเยาเศพติดเวลาเสพก็สุขพอเวลาไม่ได้เศสพก็ทุกขแต่บุญความสุขที่ได้าจากบุญนี้ มันจะอิ่มไปเรื่อยๆมันไม่หิวมีได้ทําบุญแล้วไม่ทําบุญก็อิ่มอไรไม่ได้ทำบุญก็ไม่ทุกวันนี้ฝากวันนี้ผมฝักเงินไปทําบุญแล้วนะครับอาจารย์อ่าสาธุสาธุขอบคุณมากครับมีญาติโยมหลายคนโอนเงินมาผ่านทางบุญลาให้ญาติบุญาก็แจ้งมาให้ทราบ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมำดได้กนะ็แล้วกันนะาไม่ได้บอกทีเร็วอ่าไปที่<อ>คุณเสรทัศนเชิญคุณสารทัศนีคุณสรทัศนีก็โอนเงินมาเหมือนกันอนุโมทนาวันนี้หนูไม่มีอะไรแ้่ะาอาจารยท้าเข้ามาร่วมรับฟังการสนนาธรรมค่ะทูกสาอยู่ข้างๆะค่ะเข า, อ, ขาอยากมากราบอาจารย์อ่กราบได้หนู ตนนี้กล้จะเปิดแล้วมั้ยไม่เปิดแล้วยังยังไม่เปิดค่ะตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ค่ะอ่าโอเคขอให้ตั้งใจเรียนให้เก่งนๆน ะ, ะสบายๆสบายเป็นหมอเมืนคุณแน่เลยนะอ่าขอบคุณมากจ้าโอเคียขอไปที่ท่านต่อไปคุณขนกก้อนนะคุณขนกกรนกอนใช่อยที่ไหน ตองเปิดไมค์กับอนก่ออันนีกัอนอันนี้เลยกับอนมันนีตรงกลางนะฮะกลาวนักาการพร่าอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนได้ยินชัดเจนได้อยู่อยุธ ย, ย, ยาค่ะบางไทยค่ ะ, ะวันนี้มาวันนี้มาร่วมรับฟังกับพระอาจารย์นิชัยค่ะแล้วก็มาเอ่อมามาถามพเอมาร่วมความคิดเห็นนะคะ มาฟังร่วมมาฟังอะคะ่ะร่วมมาฟังความคิดเห็นของกับเพื่อนๆนะคะยังไม่มีคําถามเลยใช่ไหมวันนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ใจ ย, ยังไม่สงบเท่าไหร่ยังก็ศึกษาศึกษาฟังไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติค่ะข อ, อะพบพระคุณอาจารย์ได้ค่ะอย่าสนับสนุนมาไปที่คุณจอยต่อคุณจอยก็ทําบุญมาเหมือนกันตอนนุมนตนาค่ะทําบุญไปค่ะอ่า ไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามาเอาพลังบวกค่ะเอามารายงานตัวไว้ยังหายใจอยู่นะมน ไ, ม ไ, ไม่ไปไหนเอาเอาคุยคุยไปไค่ะราะยงานครับผมรายงานครับผมน้องยงวงว่าคิดถึงลองตามไหมคิดถึงลองตามไหมพูดไปอือสวัสดีครับก่อนดิ นะดีครับชโอเคถ้าสู้ต่อไปนะอย่าอย่ายามแพ้นะสู้กับตีเหลนอ่าไู้อย่าไปส่้กับคนอื่ชื่อูกับตีเหลชื่อกับคากดฟาเพื่มเพื่อเหมือนแบบมันรู้เลยว่าเราเจออะไรบยู่ก็เจอกันทุกคนนะอยู่ในโลกนี้มันเจออะไรย่เรื่อยๆต้องสูไว้ถายนะ สู้ด้วยธรรมะนะมันไม่ได้สู้ด้วยอาวุธปืนนรเมตนะบางทีก็อ่ันต์บางครั้งไม่ไหวก็ฟาคว้าไปทีนึน่งเมตตาสู้ด้วยความเมตตาสู้ด้วยเมตตาก็แบบว่า<ๆ>ก็พยายามะไก็อะไรถ้าทัศน์จริงก็หยุดแต่บางทีไม่ไหวก็เอาหม้อคาดไปทีนึน่งไม่ก็เสียใจยทีหลัง ไม่ทำเลยไม่ได้ทำไปเลยใช่ค่ะก็เลยแบบดึงไม่ต้ออาชนะให้ได้อะค่ะต้องเอาพุโธด้กับสู้ในพุทโธด้กัค่ะต้องรับสมบดใ่ไค่ะหน้าไม่มีอะไรนะจะนด้ไปโค่ะคุณนเชิญคุณอุตาอยู่ที่ไหนคุณอนก้ำมัสการค่ะอยู่ซานโฮเซค่ะอ่าซานโฮเซ ที่เข้ามาองภาษาอังกกษด้วยใน Q&A ด้วยนะคุณนุชใช่ค่ะค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วทำตามที่พระอาจารย์แนะนำก็คือให้เพิ่มสมาธาค่ะก็รู้สึกว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าบางทีมันอารมณ์เกิดดับก็จิตมันก็กลับมาที่ล ม, มหายใจโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะให้เฉยไว้ให้เฉยว่าอย่าไปาวุ่นวายกับอารมณ์ ค่ะแต่เหมือนจะเห็นชัดเฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงอย่างเช่นเวลาตกใจหรือว่าเวลาโกรธอะไรงะเงนี้ยค่ะถ้าเป็นอารมณ์อย่างอื่นถ้าเป็นพวกความง่วงความฟุ้งซ่านบางทีมันจะเห็นไม่ชัดเท่าค่ะยังม่งสงบไม่มากพอถ้นสงบมากแล้วมันจะเห็นอารมณ์อารมณ์ที่ละเอียดมากขึ้นได้ค่ะแล้วก็ทําไปทําไปเรื่อยเรื่อยยัฝึกสมาธิไปเยอะๆค่ะ แล้วเวลานั่งสมาธิมันมีบางช่วงที่รู้สึกเหมือนตกจากที่สูงอันนี้คืออะไรลหรอคะจิตกําลังจะสงบจิตเข้าสู่ความนิ่งความสงบมันก็จะวุ้กมันไปให้รูกเฉยๆไม่ต้องไปตกใจให้มันเฉยๆแล้วมันก็จะนิ่งพอมันตกวุก้กออกมาแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็จะรู้สึกสบายอ๋อค่ะอันนี้เรียกจิตสงบจิตเข้าสมาธิวิธีเข้าสมาธิของจิต ันจะเหมือนกับตกจากที่สูงองมามทำไปเรื่อยๆทำสมาธิให้เยอะพยายามหาเวลาเวลาออกจากสมาธิมานก็ชทำทำปัญญานะ็จนจจรณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจะต้อง ม, มีการสิ้นสุดลงเมือันใดวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคิดอย่างนี้ใจเราจะได้ไม่ไป กัวไม่ไปทุกกับมันเวลาเกิดการทัดท่ายากกันเกดการสิ้นสุดลงไปก็ถืถอว่าเป็นเรื่องธรรมดาท<ะ>ุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นคนเป็นข้าวของเป็นอะไรมันมีวันสิ้นสุดลงไป<ะ>ไม่ใช่ของเราไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราไปตลอด<ะ>เราไปสั่งเขาไม่ได้ สารให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สให้เขาไม่สูญสิ้นไปไม่ได้ถึงเวลาก็จะสูญลบสูญ<ะ>ทำใจเฉยๆอย่างเดียวพอแต่ว่ารู้ไปแล้วจะไม่ทุกข์กับอะไระนี่คือปัญญาช่วงที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราออกมาแล้คิดทำปัญญาถ้าคิดเรารู้สึก รู้สึกว่าเหนื่อยก็หยุดคิดแล้วก็ใช้สติแทนพุโทโธพุโทโธไปดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไป<ะ>แล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปพกักจิตใหม่ น, น, นี่คือการปฏิบัติสลับกันไประหว่างสมาธิกับปัญญาสติ<ะ>ไม่มีอะไรนะอแล้วก็ อ, อ ida, ๋อจะถามว่าเหมือนเวลาถือสี also, แปดนี่ก็คือเห็นกิเลสออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะก็ดีไงเรียนเลยว่าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องพยายามละความอยากแม้ว่ามันยับก็ต้องฝืนมันไงสีนี่มันเป็นตัวช่วยให้เราฝืนมันไงค่ะแม้กินข้าวเย็นเนี้ยพอหลังเที่ยงวันแล้วก็อยากกินขึ้นมาก็เป็นกิเลสอือใช่ อยากได้น้อแบบฟังเพลงอยากไปที่นั่นนี่ๆอยากไปที่ไนทัน้งนัก็เรียกวการมาฉันทะความอยากในรูปสิ่งกินวัตถุต่างๆเป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สงบเป็นขวางการถากการทำสมาธิพอเอาแต่สินแปลกได้เวลาจะนั่งสมาธิก็จะเข้าสมาธิได้งา่ายเอาความอยากไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรมันทำไม่ได้มันก็เลยไม่ไม่อยากเลน ก็ดีถ้าอยากจะปฏิบัติจิตใจสงบง่า ย, ายๆก็ถือสีลแปดไปถ้าทำได้แต่ถ้าถ้าต้องทางานก็ จ, จะไม่ไม่ไม่ไม่สะดวกก็แค่ศีลห้าไปค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคไปอยู่ที่ด้านนานะยังซานเซอ อ, อยู่ซานโฮเซตั้งแต่สองปีสองพันสองพันสิบหกค่ะสองพันสิบหกนะ ค่ะก็หปีแล้วก็คนไทยเยอะไหมที่อัลานโเซ่นี่อ๋อก็ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะมีวัดไทยอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมมีค่ะมีสองสองพี่ค่ะสองพี่ได้ไปบ้างหรือเปล่าไปช่วง่อนโควิดไปไม่ได้นะพ่อที่นั่นทำไงก็ต้อง มีญ<อ>านิโยมส่งกับข้าวไปให้เลยยังเข้าได้แต่เหมือนต้องโทรนัดล่วงหน้าสองวันหรืออะไรแล้วก็อ า, อาหารไปให้ค่ะหรือไม่ก็โ อ, อ, อนเงินไปบริจาคได้เหมือนกันที่ว้าคงจะมีแม่ครัวทําอาหารถวายพระอยู่นะค่ะเห็นมีา ม, มีมีโยมอยู่ยประจําค่ะก็ต้องช่วยกันดูแลกันไปนะเป็นชาวพุทธเราก็ต้องดูแล ว่าชุวเราได้ทำบุญนะทำทานศีลภาวนาตเราปฏิบัติให้ครบทั้งสามอย่างาโอเคน ะ, อะขอพุณค่ะคุณจะณบัฒนาเชิญท่านต่อไปจากบอวินสาวรภาสการอาจารย์ด้วยค่ะมาอย่างไงมีอะไรไหม วันนี้ก็มารับธรรมะ ก, กับพระอาจารย์แล้วก็จะเสียงค่อยไปหน่อยนะเพื่อให้ดังหน่อยได้ไหมเสียงค่อยก็ให้ใจไร้สายค่ะเออได้ยินไหยคะมันค่อ ย, ยมันได้ยินแต่มันค่อยไปหน่อยคลอยคนะ่ะด๋ดังแดังแล้ดได้ยินไหมค ะ, ะดัชั้นเลยไม่พอดีว่าเออตอนตอนนี้ก็เหมือนกับ ว, ว่าพอฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันคือโยมพยายามฟังธรรมรมานานแล้วค่ะ แล้วมันเหมือนกับว่ามันมันทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นตอนนี้โยมก็พยายามไม่ว่าในขณะไหนก็พยายามมีสติอะค่ะเจ้าค่ะแล้วก็หยุดความอยากอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะไปใส่บาตรพระอาจารย์แต่มาคิดว่าเออเราไปเพราะความอยากหรือไปเพราะความที่เราจะไปใส่บาตรแต่ใจเนี่ยมันมีความอยากมากกว่าแหละเพราะเคยเพราะคิดว่าถ้าวานนันนึงเราได้กลับไปกรุงเทพคือไม่ได้ทํางานที่บ่อวินแล้วเนี่ย โอกาสที่จะมาใส่บ่ายพระอาจารย์มันก็จะน้อยลงทีนี้ก็มาคิดแ่้วพระอาจารย์ว่าไม่ต้องมาใส่ก็ได้ก็คือให้ทํามันโอนมันโอนตังโอนปัจจัยใส่บัญชีมามันก็เหมือนกันตรงนี้ก็เลยทําให้มีมีแบบเหมือนมีการพิจารณาตัวเองมากขึ้นก็ฝึ ก, ฝ, กฝึกตรงนี้ไปเนาะค่ะพระอาจารย์ส่วนก็ธรรมที่ก็พยายามทําให้มากโดยที่เหมือนกับว่าเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการหลับเนี่ยตอนเนี้มันมันน้อยลงอาจจะเป็นเพราะการที่เรา เหมือนมีสติมากขึ้นหรือเปล่าไม่ทราบเจ้าค่ะพอาจารย์มันทําให้มีการแบบการการนอนปกติเนี่ยถ้านอนห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงเนี่ยมันจะมันจะมีความง่วงแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าบางทีสี่ชั่วโมงเนี่ยตื่นขึ้นมามันก็จะไม่ง่วงเงี่ยเหมือนตะกอดเจ้าค่ะพอาจารย์ต้งสติเรินมมีกำลังมากขึ้นวความง่วงนอนมันจะน้อยลงไปเจ้ค่ะแล้วเราก็เวลาเวลาที่เราเหมือนเราเราเราพยายามที่จะ ฝึกให้มีสติเนี่ยตอนที่เราไปคิดที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าพูดคนเดียวเนี่ยตอนนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นว่าเมอนเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวในในใ น, ในช่วงที่เราเผลอเจ้าค่ะพระาอาจารย์เราคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยเจ้าค่ะมันมันเป็นไปเองโดยที่เรามองอมเห็นตรงนั้นมากขึ้นก็เลย ม, มันก็เลยดึงดึงส ต, ติกลับมาได้มากขึ้นนะค่ะตอนนี้ก็ฝึกตรง น, นี้ให้มากเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามหยุดคุยกับตัวเองให้รูกเฉยๆเห็นอะไรก็ เห็นไปได้ยินอะไรก็ได้ยินไปไม่ต้องวิภาควิจารณ์ก็ค่ะก็ขอพอบคุณมากพระอาจารย์มากเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องขอบคุณมันเป็นหน้าที่ของเราก็พระอาจารย์เป็นกําลังใจผักดันใช่ค่มพระอาจารย์โย่ให้ข้าหลวงทีเราก็ต้องเราก็ต้องทำหน้าที่สอนโย่แบบทําหน้าที่โยมไม่หน้าที่เลียงพระตระไม่หน้าที่สอนโย่ ก็ไก็ตาก่างทำหน้าที่อยู่ตนไปนะคะโอเคสาธุค่ะไปที่ด้านต่อไปคุณสุัตาเชิออยง Dallas, Texas. จากเดลัสเท็กซสกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะ ไว้ไว้วี้เจ้าค่ะก็ตอนนี้สามีก็ขอนั่งสมาธิด้วยเจ้าค่ะอย่างนั้นเลยพอเราทำปั๊บเขาเห็นว่าเห็นเห็นดีก็ทําตามเะดีกว่าไปจ้าำจี้จ้ำชายดีแต่ค่อยไปบอกเขาให้ทำนู่นทํานี่นะยิ่งไปบอกเขาเขายิ่งต่อต้านอย่างไม่คอยบอกเ้าเดี๋ยวก็เห็นเราทําไว้เลยเขาว่าสนใจกขึ้นมาทาอะไรวะนั่งเฉยๆนะเจ้าค่ะอ เขาเขาเห็นลูกนั่งวันละสามรอบเจ้าค่ะเขาก็เลยร อ, อบไหนสะดวกกับเขาเขาขอนั่งด้วยก็เลยบอกงั้นเอารอบค่าแล้วกันเขานั่งหนึ่งชั่วโมงมเขาก็เลยแบบว่ามานั่งด้วยแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงด้วยกันเจ้าค่ะอแล้วก็จริงๆอาทสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ลูกได้ดื่มสมูทตี้แล้วแล้วเขาก็อยากทําให้<ม>แต่ลูกบอกเขาว่าไม่ต้องทําหรอกเพราะว่ามันยุงย่งยากเพรนึกถึงแล้วมันก็ โอ้ต้องมาปั่นต้องมามอะไรอปอกผลไม้รู้ ว, ว่ามันยุ่งยากไม่ต้องกินแล้วล่ะ<ม>แค่นี้ก็ดีใจแล้วว่าผ่านแล้ว่ะ <laughs> ต่อไปก็ดื่มน้ําเปล่าดีกว่าง่ายที่สุดสะดทสกทเจค่ะเจ้าค่ะ<ม> ก, ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทําโทษตัวเองครั้งต่อไปคงไม่เอาสมูทตี้แล้วเพราะว่าสําเร็จแล้ว<ม>ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเอาแพนเค้กดีกว่าเพราะชอบทานแพนเค้กจะได้เลิกเลิกกินแผนเค้กไปเลยเลยเจค่ะ สำเร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วเจ้าค่ะเลิกเวลาสมูทตี้ที่เกียดแล้วเห็นแล้วมันยุ่งยากสำเร็จเจ้าค่ะสามเดือนเขาบอกว่าตอนนี้อยู่กูดโกลมากเลยนะอยู่อยุยมี่ากเจ้าค่ะเขาก็เลยขอนั่งด้วยรู้กดีใจมากเลยเจ้าค่ะที่เขามาขอนั่งด้วยเขาเกาพยายามนั่งเขาก็พยายามเขามีขยับมาเจ้าค่ะแต่ก็หนึ่งชั่วโมงสําหรับเขารูกว่าก็นานนะเจ้าค่ะแต่เขาก็ก็ดีแล้วเป็นแล้วเป็นอีกคนที่ดีสําหรับเขา นนเนึน ก, ก็ไปในทางที่ดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นการให้ธรรมะเป็นการให้ธรรมะนะการให้ธรรมะชนะการให้ธรรมปูเจ้าค่ะกล่าวขอบคุณเจ้าค่ะขอ่มฟเ้ค่ะโอเคสาธุใครต่อคนนั้นอนุุตรคนนั้นกวัน่าอ่านชื่ออันโนอันโนอันุตอันนุต์ ก่านาัสการครับอาจารย์ออยู่ที่ไหนอยู่ที่พันธยาครับอเค ย, เาาอ ย, ยไปฟังเคยไปฟังพระอาจารย์อันนี้ครั้งแรกที่เข้ามาครับมีอะไรจะถามบ้างพอดีจะถามเรื่องการทําสมาธิครับอาจารย์อคือผมก็ทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเช้านี้ผมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ว่าคือพุทโธไปเรื่อยๆนะครับพอพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีสภาวะหนึ่งเหมือน จิตมันหายไปเราหายไปหมดเลยในช่วงแป๊บหนึ่งครับหายปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งผมก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ผมก็พุทโทพุโทโธกลับมาพุโทโธตอ่อแต่คราวนี้ใ น, ในการพุทโทรครั้งนี้มันจะจิตมันจะเหมือนมันว่างๆมันไม่คิดอะไรแล้วมันก็นั่งอยู่ในสภาวันนั้นได้เรื่อยๆเลยนะครับผมผมผมก็ ก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าไอ้สภาวะที่ผมวุบไปเนี่ยคือผมปฏิบัติมาถูกไหมครับคือมันบุบได้สองแบบวะบุบแบบหลับกัแบบุบแบบไม่หลับนะถ้ามีสติรู้อยู่ตัวอยู่ตลอดเวลานันนะมันก็ไม่หลับแต่ถึงเมอมันจะหลับแล้วมันกลับมาทาต่อได้ก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรกลับมาแล้วจิตว่างจิตเย็นจิตสบาย เราไม่ต้องพูดทัวรดูก็ได้เราเรานั่งเฉยๆเราดูว่ามันไม่มันคิดปูแต่งหรือเปล่าถ้ามันไม่ไมคิดปูแตกกคให้นั่อยู่กับความว่างนั้นไปเฉยๆก็ได้ครับแล้วอาจารย์ครับแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดเหมือนภาพอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับระอาจารย์ผมก็พยายามจะไม่ดูมันผมก็แค่พูดทัวพูดทัวไปถูกต้องอย่าไปสนใจภาพนึกว่า อะไรต่างๆที่ปรากฏให้อยู่กลับมาที่พุโทโธพุโทโธมาให้จินดูเฉยๆแล้วแล้วพอพออยู่ในสภาวสะสักพักหนึ่ง พ, พักใหญ่ๆนะครับอาจารย์มันก็จะเหมือนกับว่าดันออกมากลับมาคิดเหมือนเดิมเพาสติั้าหมดกําลังถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องพุโทโธอีกต่อ <c oughs> คือคือทําวนไปอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> รอาจารย์ถูกต เอมันดันออกแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปใหม่ถ้าเราไม่ต้องไปทำอะไรนั่งต่อนด้กับพุโทโธพุโทโธต่อไปครับถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็เดินแล้วเดินไปกับพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ตอนตอนนี้ผมพยายามปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนเยอะเลยครับทั้งการพิจารณาการถือศีลการปีกวิเวก<ม>ผมว่า ม, มัน สมาธิมันก็รุดหน้าขึ้นครับอมันเป็นโสตนะสี่อย่างเด็กไม่เวอสำโวมเป็นสีก็เต็มสิบแปดแล้วก็ไม่คุเคกันไม่สังคมกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วก็มันจะระจิตพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วน่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วแต่แต่มันเห็นจิตจิตคิ ด, ค, ดคิดตลอดเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องหยุดมันเนี่ยถ้ามันคิดจะไปสนใจ ให้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปครับมันตอนที้แล้วะมันยังไม่มัน ม, มันยังไม่สงบเต็มที่มันยังคิดอยู่เราไม่ต้องใช้พุโทโธคอยคอยกันไว้ไม่ให้มันคิดมากคือนในคือหลังจากที่มันหายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในสภาวะที่กลับมาพุโทโธเนี่ยอันนี้พระอาจารย์บอกว่าผมลองไม่ต้องพุโทโธดูใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้ามันมง่วงมากครับ<ๆ> ถ้ามันถ้ามันคิดโป๊ะกลางก็พูดโททันทีครับครับคืออยู่ในสภาพว่างๆนี้ไปก่อนพอกลับมาคิดก็ค่อยกลับมาพุดโทใช่ไหมครับใช่เวลาว่างรู้สึกเย็นสบายเบาไหมเบาครับอ่านั่นเหมือนนิ่งๆเหมือนครับเกลังเข้าเข้าสู่สมาธิในระดับต้นๆนะครับขอบคุณมากครับพ่ะอาจารย์โอเคน้า้ เวียนคลายเหรเว็นคทยใช่คือเวียนคลยอพูดได้เลยจากนมาสการพ่อาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้อยากจะเรียนถามพ่อาจารย์ว่าช่วงก่อนหน้านั้นที่ว่าพุโทโธจนมันเริ่มจะปล่อยวางได้แล้วครับเริ่มจะปล่อยวางสิ่ต่างๆได้แล้วแล้วก็ มีความรู้สึกว่าจิตใจก็สงอบล่มเ e ย็นดีไปที่ไหนก็มีความเย็นใจเย็นใจแต่เนนี้ว่าช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งว่ากำลังเจริญรุดหน้าไปเรื่อยๆอ่ะก็รู้สึกว่ามีมีเหมือนความรู้สึกอะฮะหรือว่ามีคาพูดพูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่อละลักษณะว่า เรื่อำที่เราเคยสร้างไว้เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องตกไปเป็นของลูกเรานะเป็นผู้รับสั่งรับหน้าเรมาผมคู่อะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าก็ผ่อนความเตียนลงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมทำเอ่อไว้เมื่อเดี๋ยวจะตกไปถูงลูกหลาเนเลยวตอนเชียงไม่ตกหรอก กรรมใครกรรมมันไม่ไปถึงคนอื่นนะสิ่งที่เราทําเนี่มันมันจะมาหาเราเองคนเดียวอะไรคนอื่นไม่เกี่ยวก็เห็นนี้บอกว่าอะไรกรรมเป็นทายาทแล้วก็ไม่เขาว่าทายาทก็คือเราเป็นผู้เราเป็นทายาทของกรรมไงเราเป็นผู้รับมรดกของกรรมการกระทำของเราไม่ใช่ลูกของเราไม่เกี่ยวกับลูกของเรากรรมเป็นการกระทำเาจะต้องได้รับใช่ไหมครับ เราเป็นคนที่จะรับทั้งหมดคนเดียวการที่เราทํานี้ไม่คนอื่นเขาไม่มาเกี่ยวข้องกัเราแม้กระด้างเป็นลูกเราก็ไม่มีสิทธิ์มารับในส่วนไม่มีสิทธิ์ไม่มีไ ม, มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วครับเพาผมก็มีความกังวลก็เลยผ่อนอความเพียรลงความเพียรลงแล้วก็ปรากฏว่าก็สมาธิมันก็หลุดไปคนควรเพิ่ ม, มความเพียรอย่าไปอ่อนความเพียร เพกาะการเพลงของเราเนี่จะทําให้เราหนีหนีกรรมได้ไ ป, ไปถึงนิพพานแล้วกรรมก็ตามไม่ทันนะแล้วแล้วอย่างนี้มันเป็นที่เ อ, อเป็นลักษณะเป็นของเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองอาจารย์หรือว่าเป็นมารอะไรที่มาทําให้เราเกิดความวิตกกังวลอ๋อเป็นจิเลสของเราเองขาดปัญญาขาดสติยังวิตกกังวลยังมองยังมองไม่เห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตายังไม่เห็นว่าลูกเราก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเพราะว่าผมยังเข้าใจว่ากรรมมันสามารถถ่ายทอดทางญาติได้ก็เลยมีความสุขไม่ได้หรอกรมมรมใครกรรมนามีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนเดียว ได้ทายความวิตกกังวลและเล่นก็เหมือนกันเหมือกันเราไปฆ่าคนหนึ่งแล้วเขาจับเราไปลงโทษเขาไม่เอาครอบครัวเราไปลงโทษด้วยใช่ไหมอมแบบโอเคนไม่ต้องกังวลนะแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมอย่าห ย, ยุดอย่าอย่าลดน้อยลงการปฏิบัติธรรมนี่ยนะเป็นวิธีที่จะทําให้เราพน้นกลับได้โอครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วก็เอ่อจะได้จัดความกังวลและ้ะเล่ความเชรียมต่อ แต่ดีนเรื่องอาจารย์พอผมเคยลิมว่าเข้าไปกราบหลวงตาพระมหาบัวครับแล้วตอนีท่านให้โอว่ามาข้อหว่าให้พิจารณาไอนักกายานักลูกสติอะไรครับพิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตรงก็คือใช้ปัญญาสอนใจสอนใจสอนใจเรา การที่เราสมาพี่มีสติให้ปล่อยวางว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นหลงเชื่ว่าเป็นเราเป็นของเราทํามจริงมันไม่ใช่มันเป็นของดินน้ําลมไฟอ๋อครับอามิก็รู้สึกว่าจิตตัวเองก็ติดอยู่ที่ตัวตัวเองคือ่าสนใจอย่าให้หลงไปอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันอ๋อสรถนเข้าใจนะเข้าใจแล้ว คุณจอยนี่เป็นจอยจอยี่กรบาดก็จอยเดียวกันคลคนละจอยครับคนละจอยนะครับคจอยเช่นทานี้ยัอยู่ที่ไหนาชการอยู่กรุงเทพค่ ะ, ะมีอะไรอ่าจะขอสอบถามสภาวะธรรมมาค่ะพระอาจารย์คือตอนนี้ลูกเอ่อลูกนั่งสมาธินะคะแล้วก็เอ่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะจะมีเสียง วิงเข้ามาในหูอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ทําจิตให้นิ่งแล้วก็ไปโฟกัสกับงานอย่างเงี้ยค่ะก็เสียงวิงเนี้ยก็จะหายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นิ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนเสียงมันก็จะกลับมาอีกทีนี้ลูกก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปรุงแต่งของจิตหรือว่าเป็นสภาวะทำอะไรแล้วก็ลูก อ, อยากจะสอบถามว่าลูกอยากจะพัฒนาในเรื่องของการนั่งสมาธิลูกควรจะควรจะไปเวลาที่มันมีเสียงมาเนี่ยควรจะ ไปเอโฟกัสตรงเสียงพิจารณาอะไรหรือว่าควรจะปล่อยปล่อยไปโดยไม่ต้องสนใจพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นนิจตามทุกขั้นตอนหนตาทำให้เราไปสนใจถ้าไปยุ่งกับมันมันจะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ได้เนื้อปล่อยมันมันจะมาก็มามันจะไปก็ปล่อยมันไปทำอย่าไปสนใจแล้วก็เราก็โฟกัสใจของเราให้อยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ อยู่กับลงอยู่กับพุทธโธแล้วอยู่กับอะไรที่เราทําอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วในส่วนของการนั่งสมาธิอะคา่ะพระอาจารย์ลูกจะพัฒนาไปในขั้นต่อไปได้ยังไงอะคะก็นั่งให้ว่าขึ้นนั่งให้นานขึ้นสมาธิีนท่นี้เป็ น, น, น, น, นความสงบให้มันสงบนานขึ้นลึกเข้าไปมากขึ้นสงบให้นิ่งได้มากขึ้นแล้วกระทั่งทุกอย่างหายไปเหลือแต่ตัวจิตตัวเดียวเลย การใการเจริญสติพุทธโทพุทโทไวเรื่อยๆค่ะพระสาตอนตอ น, ตอนนี้เวลานั่งสมาธิจะไม่ได้เหมือนเวลาเข้าสมาธิอะค่ะจะไม่ได้ท่องพุโทโธแล้วแล้วก็พอนั่งสักพักหนึ่งอะค่ะก็เหมือนจิตก็จะว่างก็จะว่างแต่ว่าก็จะว่างได้สักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนพอพอออกเหมือนมีเรื่องคิดมันออกไปคิดแต่เราจะรู้ว่า เราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันคิดอยู่แล้วเราก็จะเหมือนดึงกลับให้มันว่างให้ให้มันกลับเข้ามาว่างได้อันนี้คือทําถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องให้มันว่างอยู่เรื่อยๆพอมันคิดก็หยุดมันค่ะพระอาจารย์ต่อไปเราจะได้ควบคุมอารมณ์ได้ว่ามัมาขับความคิดได้ค่ะพระอาจารย์แล้วเสอบสอบถามข้อสุดท้ายคะ่ะเวลานั่งเนี่ยบางบางครั้ ง, งก็จะรู้สึกเหมือนตัวมันหายไปอย่างอย่างบาง อย่างบางครั้งอย่างเ อ, อเรารู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนท่อนหัวมันหายไปมันมเบาหายไปอย่างนี้ค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่มันก็มีความคิดอยู่อันนี้คือลูกคนจะคือมันมันเป็นอะไรใกล้ลู่เฉยๆใกลู้่เฉยๆมันเป็นสภาพสภาพของสภาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเราก็เป็น ไ, ยไายรักที่พิจารณาเป็นตายรักไปให้มค่ะพระอาจารย์ขอขอะคุณพระอาจารย์ค่ะ ค่ะคุณเวลาเสนีรู้สึกว่าถูกเปลี่ยนคิวเลยบางทีอยู่ข้างบนแล้วขยับไปคุณเวลาเสนีก่อนวันนี้คนะเชิญกลับ ม, มาราช ก, การค่ะท่านผาาูอ้อาจารย์เป็นยังไงจริงๆว่ามีคําถามค่ะเข้ามาฟังค่ะโอเคอไม่มีเงนินเรากลับไปที่คุณคิวต่อไปรู้สึกจะเป็นคนวางใจได้วางได้จริงวางเป็นยังไง ฟังได้ตลอดนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลาวมาักกาเจ้าค่ะอาจารย์โยมไม่ได้เข้ามาสี่เอ๊สามวิคเจ้าค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะฟังอยู่เจ้าค่ะเออก็มีเรื่องแบบทดสอบจิตใจเจ้าค่ะอาารย์พ่อคนที่สองของโยมเสียเจ้าค่ะโยมก็พ่อคนที่สองพ่อพ่อใช่ค่ะคือคือเป็นคนที่เลี้ยงโยมมาเ่งเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วก็ท่านทดเสียโยมก็ ไปคือเหมือนกับมันไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราเป็นคนเฉยเฉยไปอย่างนี้เจ้าค่ะโยมก็ไปเขาเรียกอะไรล้างหน้าศพเจ้าค่ะก็ทําได้ถ้าสมัยก่อนนี่คงจะคงจะไม่ได้เจ้าค่ะอธิษกเป็นเป็นคนล้างคนสุดท้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อมีที่บ้านเนี่ยตอนนี้ก็พ่อกับแม่หนูเจ้าค่ะตอนแรกเขา ไม่ไม่ค่อยคือส่วนใหญ่จะเน้นทํำทานเจ้าค่ะแต่พักหลังนี่พอพ่อควัที่สองเสียเจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็จะมีหิ้งพระอยู่เห็นตากับยายบอกว่าจะเอาหิ้งพระไปเก็บไว้แล้วก็จะไปนั่งภาวนาสวดมนต์ยมรู้สึกโอ้ดีจังเลย้ะ <Maxim> um?)> ค่ะเหมือนกับว่าเขาเห็นเราอสวดมนต์ไหว้พระนะเจ้าค่ะเขาก็เหมือนกับตอนนี้ก็ฟังเทศฟังธรรมคงจะรอเวลาหลานโตเจ้าค่ะน่าจะได้ไปภาวนาด้วยกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ ดีก็แล้วมีโยตายมันทำนะมั้งจ๊อค่ะแต่ก่อนโยมก็เวลาแบบมีสภาวะทรมเกิดขึ้นโยมก็จะแกล้งสอนเด็กๆแล้วค่ะแต่ก็คือที่จริงก็อยากให้ผ่านไปถึงท่านนี่แล้วค่ะไม่ไม่กล้าบอกโดยตรงแล้วว่าตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องใช้อย่างนั้นแล้วค่ะเหมือนกับว่าเขาเห็นเราทําเช้าเย็นเช้าเย็นเพราก็เดี๋ยวไปทําเหมือนเหมือนพร้อมที่จะเริ่มภาวนาอย่างนี้แล้วค่ะใช่ดีไปเล วิธีนี้เ่สุดก็คือเราทําเป็นตัวอย่างนัก เ, เห็นแล้วขาก็ทําตามีเจองจอแล้วม่ค่อยสอนค่อยบอกบางทีก็จะต่อต้านนะเจ้าค่ะแล้วก็เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมว่าทำไม่ได้อย่างนี้เจ้าค่ะนี้เห็นใส่เห็นฟังเทศฟังธรรมโอ้ดีโยมว่าเออดีมากเจ้าค่ะแล้วก็ลูกชายคนเล็กโยมวันนั้นโยมก็เข้ามานิดนึงเจ้าค่ะแต่ว่าแกไม่ค่อยสบายเลือดกําเดาไหลทั้งวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ โยมก็สมัยก่อนนี่ถ้าลูกป่วยนี่โยมจะทรมานแบบคือในความที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเขจะมีความแบบลัลูกมากเนี้ยเจ้าค่ะก็จะสงสารเขาคือเราเป็นแทนเขาได้แล้วก็จะเป็นเนี่ยเจ้าค่ะแต่พอมีสภาวะทําเกิดขึ้นแล้วเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเราหลุดจากตะก่อนที่เราเคยทรมานมากลราลูกป่วยนี่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเจ้าค่ะก็เอีงคิดคิด คือถ้าวันเดิมที่ลูกตายต่อหน้าต่อ ต, อตายยมว่ายมน่าจะทําใจได้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนเป็นอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ไปหมดเลยเจ้าค่ะนี่แหละถ้าคิดอย่างนี้ได้ถึงเวลาจริงๆก็ทําได้สบายเลยเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ยมก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนที่ฉีดวัคซีนก็อืมมันก็มีข่าวเยอะอะไรเยีง้งเนาะยมก็ภาวน า, านาไปด้วยอฉีดถ้าตาย โยมคิดว่าถ้าตายตอนภาวนานเนี่ยก็ดีคืออยู่เหมือนตอนนี้มันมันมันเบื่อเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเบื่อเบื่อในโลกสมมติไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือไม่ได้อยากทําร้ายตัวเองนะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าวันดึงที่เราต้องไปจริงๆรงเนี่ยโยมเบื่อเรียกเบื่อแบบนิพิทานิพิทาเจ้าค่ะเบื่อเบื่อด้วยใจที่สงบใจที่ไม่มุม่งหวัง เออไปได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ไปก็อยู่ต่อไปเรื่อยอ่ไปก็ทําประโยชน์ไปทํำอะไรประโยชน์ได้ก็ทําไปเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ยึดไม่ถืออะไรเป็นของเราอีกต่อไปแล้วไม่ยึดเจ้าค่ะรอหัวหน้าเซ็นให้เราออกยอมให้ออกเลยก็ยังไม่เจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรคงจะเป็นวาลาโยมที่อาจจะต้องช่วยคนที่โรงพยาบาลก่อนไยเจ้าค่ะก็ไปเรื่อยๆ่เจ้าค่ะดี๋ยวเจ้าค่ะดีด้วย เจ้าค่ะเด๋ยถ้ามีโอกาสโยมถ้าโควิดบาแล้วเดี๋ยวโยมก็คงจะได้ไปกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะหวังว่าเจ้าค่ะอยู่ที่สุโขทัยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไกลนะเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะถ้ามีโอกาสก็จะไปเจ้าค่ะง่ายตัวแต่คราวนี้โยมมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําต่อไปนะทำใจป่อวางตลาดเวลาเหมือนมันจะ ปล่อยมันเหมือนกับถ้าคนข้างนอกมองอยู่ว่าเขาแต่ก็ทั้งมันเถอะไม่รู้เขาคิดยังไงทั้งเถอะแต่มันก็เหมือนกับไม่ส น, จนจใจไม่มีจิตไม่มีใจเจ้าค่ะเหมือนเป็นอย่างนั้นไปเลยเจ้าค่ะแตยิ้มหก็แต่ก็ต้องแสดงความเมตต า, าท่เจอใครก็แสดงความเมตตาเจ้าค่ะไม่ไม่บึกไม่บึกเจ้าค่ะก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเจ้าค่ะท่านได้ทำไปเจ้าค่ะโอเคแต่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ยุ่งกับใครได้ปะ ใช่เจ้าค่ะยมยมย ม, ยมจะทําความสะอาดบ้านยมก็จะใ ส, ใส่ชุดสีขาวเงี้ยเจ้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีคนเขาก็จะมาคุยด้วยเจ้าค่ะเขาก็ถามโยมว่าเอ๊ะไปปฏิบัติที่ไหนอะไรยังไงงเงี้ยเจ้ค่ะ mm hmm. ยมก็บเออเนี่ยทาที่บ้านนี่แหละทาได้ทําที่บ้านทาหมดโควิดเดี๋ยวก็ไปวัดเนาะพี่ mm hmm. อะไรเงี้ยเจ้ค่ะ mm hmm. เขาก็จะมาเล่าจากแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยมีใครมาคุยด้วยเจ้าค่ะ mm hmm. เรื่องธรรมะตอนนี้ยมก็เออดี อยากจะใส่ชุดนี้ไปทํางานคถ้าไปอาจจะมีลูกศีลเจ้าหาเยอะนะค่ะคนทีไม่ค่อยมีศีลเจ้าหายเพราะว่ามีธรรมะเนี่ยพอพูดธรรมะพอเขาฟังแล้วเขเข้าใจเขาจะชอบจะตามมาอะไรเนี่ยต้อค่ะคนนู้นคนนี้มาต้อค่ะนตโยมไม่ได้ให้หวยใครหรอกค่ะอาจารย์ให้ธรรมะอย่างเดียวการให้ธรรมะชนะการให้น้ํากปวงนะเจค่ะคุณอาจารย์สาธุเจ้าค่ะคือเจ้าค่ะคุณสรินทร์ทอน อยากแมร่แลนด์แมร่แลนด์กลับมัสการกลับนวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีวันนี้โยมไม่มีอะไรค่ะก็ปฏิบัติต่อไปค่ะก็แค่วันนี้มาร่วมรับฟังธรรมเจ้าค่ะเข้าใจเข้าใจวิธีปล่อยวางได้ไหมโยมคิดว่าโยมมีแนวทางแล้วค่ะพระอาจารย์ต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สอนนะคะโยมคิดว่าโยมโยมเห็นแล้วค่ะว่าต้องปฏิบัติยังไงต้องเพียงแต่ต้องใช้ เวลาในการใช้ความทุ่งเทใช้วิริยะใช้ใช้ทาํทาทั้งวันนะคะก็ต้องต้องให้ถึงจุดนั้นให้ได้ะค่ะพระอาจารย์แต่ก็พอจะเห็นทางแล้วค่ะพระอาจารย์อทำนักสติทํานักสมาธิทํานักปัญญาสลับกันไปได้ย่งดีฮะใช่ค่ะพระอาจารย์กขอบคุณพระอาจารย์เนาะคะ่ะยังในครอบครัวของปู่ผาใช่ไหมอริษา อิซาเป็นเชื่อเมื่อก่อนเป็นพุทธาทางราชการเขาอะไรนีค่ะชื่อใครเอ่ยชื่ออลิซาครับอลิซค่ะอลิซไปหยคค่ะมาหยกเหรอมาหยกค่ะอ่ามายังไอาทิตย์แล้วเนี่ยมาสายหนึ่เลยไม่ได้เข้ามาเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ทักทายกัน ก, ก, นการ บ, บ้านเดี๋ยวค่ะใช่ ก่อนเข้ามาก็เพิ่งทำจนน่ะเสร็จแล้วใช่ไหมทำบ้านเสร็จหมดบ้วใช่ไหมเสร็จแล้วค่ะโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดอยู่เปิดเรียนออนไลน์อยู่ค่ะเรียนออนไลน์ครับอแล้วไปโรงเรียนเม่อไหร่อาทิตย์หน้ามหมยังยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยยังออนไลน์อยู่นะประเทศระบาดหนักเนี่ยก็ไม่เวลาเด็กๆมีภูมิภูมิต้านทานเยอะกับผู้ใหญ่ แล้พ่อแม่ครูอจารย์ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการบ้างไหมครับก็มีไขน้นิดนิดวันแรกวันที่สองมีไข้มีอาการปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็ง่วงนอนก็เลยนอนเยอะหน่อยครับคก็ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นปกติแล้วทุกอย่าค่ะยังมีคำถามค่ะสอบถามจะไปกันหัมวามาครับพี่ลุงหรื ูดัเ ม, มือ่อถามว่าถ้าแบบปาปคนไปตากบาตกับเราตากบาตเองอัะไ น, นได้คุณมากากว่าคะ อ, อ๋อถ้าตากันได้บุญมากากว่าแต่แต่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากกว่ากันมากนักอ่ะแล้วคําถา ม, มที่สองก็คือกรรมกับบาปมันเหมือนกันไหมคะ ความจริงคําว่ากรรมนี่แปลว่าการกระทําไม่ได้บอกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่บางทีเราใช้คําว่ากรรมนี่แทนว่าบาปเช่นบุญกรรมเวลาเขาพูดบุญกรรมนี่เขาหมายถึงบุญบาปเขาไม่นิยอมใช้คําว่าบาปกป็บุญเขาใช้บุญกับกรรมไปแทนแต่ถ้าพูดคํา ว, ว่ากรรมเฉยๆนี่เขาพูดหมายถึงปลว่าการกระทําที่เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ อาจารย์นะอาจารย์สุชาติครับคือเมื่อกี้หน่อยบอกว่าข้อแรกใช่ไหมครับผมง ง, งงนิดหน่อยครับคือช้อันไหนจะได้บุญเยกุกว่ากันครับระหว่างเขาคือเราให้ฝากใส่บาทกับรับใส่บาทเราใส่บาทเองรับใส่บาทกับฝากใส่บาทอันไหนได้ <laughs> ไใช่ไม่ได้รับใส่บาทใส่บาทเองกับฝากใส่บาทอืม ก็เวลาเราใส่บาตรเองนี่เราได้ทั้งสองแดงเนี่ยคือเราเป็นคนใส่แล้วของใส่บาตรก็ เ, รเป็นของเราด้วยนะไม่ใช่เป็นของคนอื่นนะเช่นของแม่ให้มานี่ยังไม่ได้เป็นของเรานี้เป็นบุญของแม่แเราใส่บาตรแทนแม่ให้ตอนนี้เราเป็นเด็กๆเรายังไม่มีของของเราเอง เราก็ได้บุญองที่ช่วยใส่บาตรให้กับแม่ใส่ไส่ของเขาเองค่ะหลวงตาถ้าไปก้อนเองเขาก็จะได้รอบรอบรอบรอบนี้เมื่อวันเช้าเช้าที่ผ่านรอบนี้ค่ะเขาใช้เงินเขาใส่บาตรเองค่ะพอดีเด็เด็กๆไปทํางานได้ตังมนิดหน่อยเขาก็เลยไปใส่ใส่บาตรด้วยเงินของเขาเองค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นบุญของเขาถ้าไปใส่เองก็จะได้เพิ่มอีกนิดหนึ่ง ไม่มากส่วนใหญ่อยู่ที่อยู่ที่ของของที่เราทําเนี่ยเป็นบุญส่วนหม่โควิดโควิดก่อนนะคะถึงแม้เราไม่ได้มาใสให้คนอื่นใสให้เราเราก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบปอร์เซ็ก็เยอะแล้วถ้าเรามาใส่ถ้าเรามาใสด้วยเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่วนญหมอยากไปอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นโควิดแล้วตกลัวค่ะเดี๋ยวให้ฉีดวัคซีนก่อนค่ะเอไม่ได้ฉีดนะ ยังค่ะของโยมนัดวันที่สิบสี่ค่ะหลวงตาแต่ว่าโยมอ่ะโยมอยากจะมาขอกําลังใจค่ะโยมก็กลัวค่ะก็เราเฉยนะก็ไม่เราไม่ไดไปขอกําลังใจใคร่ะเราก็ปองเลยเมน่อเกิดก็เกิดเท่านั้นเองกําลังใจโยมก็พยายามฟังคลิปของพระอาจารย์ทุกวันทุกวันพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองค่ะมองว่าร่างกายไม่ใช่ของเราอะ มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันไปเราเป็นใจเราไ ม, ไม่ต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับมันอกิเลสเยอะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังทําบุญได้ไม่เยอะพ อ, อะนะร่างกายไม่แยกเราของเราร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับนะรถยนต์เราก็ไปซ่อมมันซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้มเมืนไปแล้วนี้นเอ <laughs> ไม่ต้องไปกลัว ค่ะโอเคนะเอาท่านนีก่อนนะมันมีการนอยรอยเยอะนี่เกิดจะสามชั่วโมงนะค่ะคะน้ำมานสกัดคละรักษามารสุขการมจันนค่ะทคุณปัตนาพรบัวสุขจากบิบิซ่าสเปนลูกใาเรียวกับน้ำมานสกัหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ เจ้าค่ะวันนี้ลูกหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่ามันมันทุกข์ค่ะมันเห็นทุกข์แล้วก็เห็นแล้วลูกก็เข้าไปดูเหตุแห่งทุกข์ค่ะที่ลูกลูกเข้าไปดูลูกแบบเห็นก้อนว่ามัน อ, อีมันจะทํำยังไงแล้วลูกพยายามเข้าไปเข้าโอ๊ยกิเลสเรายังยังเยอะเรายังปล่อยไม่ได้นะถ้าอย่างเนี้เราไม่จบแน่ๆเลยลูกอันนี้ลูกคิดถูกใช่ไหมเจ้าค่ะลูก จบเสร็จเพียงแต่ว่าตอเนี้ต้องพยายามทํากิเลสให้มันหมดไปให้ได้ไม่ต้องไปกลัวตอนนี้ทุกคนมีกิเลสเหมือนกันเท่านั้นนะอย่าไปคิดว่าจะไม่จบจบเพียแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาปล่อยกำจัดมันไปเรื่อยๆเจ้า่ะหลวงพ่อเจ้าขาอ่ามิเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกว่านี้ไม่จบกูไม่ทํำดีป่าต้องทํานะอทําไปเรื่อยๆเก็บไปทีละตัวสองตัวอ่ามันไหนมันไหนกิเลสทรมาก กำจัดมันไปเหมือนกำจัด ม, มดมาลายในบ้านอย่างเงี้ยพมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็กำจัดมันไปเรื่อยๆเด่อยวก็หมดเองเดี๋ยวก็หมดเองใช่จ้ะค่ะเพราะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราเราได้แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ยเราปล่อยสามีปล่อยลูกไปอะไรพูดแบบพูดได้แล้วแบบพอมาเจอข้อสอบตัวนี้แล้วแบบว่า มันทําให้ลูกแบบว่าอุ้ยลูกเห็นชัดเห็นเห็นเลยอ่ะเห็นเลยจา้าค่ะว่าคนเหนือทเนี้ยลูกเห็นแล้วดูใจตัวเองเลยว่าโอ้ยลูกอไม่ไม่ได้เราจะต้องผ่านตัวนี้ไปให้ได้ต้องกราบบอกหลวงพ่อลูกจะต้องจัดการกับมันให้ได้คพยายามทําไปขอให้เรารู้ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่ท่านแล้วเราก็จะแก้มันได้ครับสาธุเจา้าค่ะหลวงพ่อเจา้าค่ะกราบ สิ่งนี้เราคิดก right. ับสิ e> the ่งที่มันเป็นมันอาจะไม่เหมือนกันนะเราจะคิดว่าเราทําได้แต่เรายังไม่รู้เรายังไม่เจอข้อสอบจริงๆจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ใช่เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาวลูกอยาประมาทต้องพยายามต้องพยายามสอนใจว่าต้องปล่อยให้ได้ต้งปล่อยให้ได้เจ้าค่ะอันนี้ลูกขอกราบบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลย เขีนแล้วทําให้ร okay. ูปแบบรู okay. so ้ท so ันโอเคนะมีท่านี้นะเจ้าค่ะดานิยาอ่าคุณดานิยาเชิญอ่าอยู่ที่ไหนการกับพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่วันนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะอแล้วก็มาฟังพระอาจารย์ครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยไปกับพระอาจารย์ที่ที่วัดแล้วอ่ะค่ะ เอ่อ mm hmm. จะจะถามพระอาจารย์สองเรื่องอนะคะเรื่องแรกก็คือการปฏิบัติในในการนั่งสมาธิภาวนาค่ะคือตัวลูกเองอ่ะคะ่ะก็ฝึกเองอะนะคะแล้วก็ฟังพระอาจารย์ทา ง, YouTube างยูทูบบ้างเนะะี้ยค่ะแล้วเอ่อสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติอนะคะก็คือเอ่อได้เวลาจิตรวมมาคะ่ะของลูกเนี่ยจะไม่เคยลงอั ป, ปนาก็คือจะแค่อุปจารสมาธิแล้วคือ จะได้ยินเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอทุกๆครั้งเวลานั่งอนะคะก็จะพยายามจะไม่ได้สนใจคือติดจะไม่ได้สนใจว่าตัวหายหรือว่าอะไรแต่ว่ามันจะเห็นว่าสภาวะจะมีการเกิดดับทางอายตนะค่ะอย่างเช่นถ้าตอนนั่งเนี่ยมีการเปิดฟังธรรมะอยู่ใช่ไหมคะก็จะได้ยินเสียงเสียงเกิดก็ได้ยินบางครั้งก็เวทนาเกิดคือมันก็เกิดดับเกิดดับก็จะวนอยู่ทั่วร่างกายอย่างเงี้ยค่ะ เออแล้วก็ก็ค่อยดูไปเรื่อยๆจนกว่าที่สมาธิจะถอนอ่ะนะคะอย่างเงี้ยลูกทําถูกไหมคะทําถูกแต่ยังไม่ไม่ถูกเต็มร้อยคือจิตยังไม่สงบเต็มที่ถ้าจิตสงบเต็มที่อาการากต่างๆจะหายไปหมดนจะว่างจาจําเป็นต้องว่างใช่ไหมค ะ, ะคระอจารย์ใ่าใยังไม่ว่างก็ให้อยู่กับพุโทโธไปถ้า อ, อยู่กับลมหายใจไปอย่าไปอยู่กับเรื่องอยัาหนึ่งค่ะ แล้วก็เรื่องที่สองนะคะก็คือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะก็อย่างที่เคยกราบถามพระอาจารย์ที่วดัดอนะคะตอนนั้นก็คือเออพระอาจารย์แนะนําว่าให้เราดูอสุภะไปอไรเงี้ยค่ะก็ใช้ติดคิดแต่พอมาปฏิบัติจริงๆอะคะ่ะบางครั้งได้เห็นว่าติดคิดแต่มันก็พอรู้ว่าติดจะคิดปุ๊บมันดับไปก่อนไรเงี้ยค่ะคือหนูตัดดับได้เร็วมากขึ้นอไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เ, ออเวลาทําอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกครั้งเนี่ยเวลามีตัวกิเลส ข, ขึ้นมาอย่างเช่นพอโทรจ่ากลังจะเกิดใช่ไหมคะมันก็จะเห็นอะไรที่ผุดผุดออกมากลางอกอะคะ่ะคือบางครั้งมันก็เห็นความรู้สึกแน่นหนูก็เมื่อก่อนหนูก็พยายามจะใช้ปัญญาก็คือเออเหมือนกับบางครั้งก็กลับมาที่ลมบ้างก็คือใช้สมาธิบ้างเนี้ยนะคะแต่หลังๆน่ะหนูก็ดูว่ามันแน่นแล้วมันหายไปตอนไหนบางครั้งมันก็มันก็หายไปแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะขึ้น คือหนูก็เลยรู้สึกว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นผุดผุดเนี่ยค่ะแล้วก็พอพอจิตมันเห็นตัวนั้นคือมันก็มันก็ดับแล้วก็มันก็คือโล่งๆสว่างไปหนูท่านนี้ถูกไหมค่ะพิจารณาเป็นตายรักไปนะค่ะเที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไปข้ามมันไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับให้รู้เฉยๆไปแล้วอย่าไปทุกกับมันค่ะแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะคะก็คือ ออกกําลังกายแล้วก็เอในช่วงที่ที่กําลังจะพักผ่อนเนี้ยค่ะคือเห็นว่าตัวเองกําลังจะเป็นลมคือในช่วงที่เห็นตัวเองเป็นลมอ่ะมีความรู้สึกเวทนาเกิดใช่ไหมคะ่ะแล้วก็หนูก็ตอนแรกคือเห็นใจมันโนวนกไวายมันกลัวตายอ่ะค่ะพอสักแว บ, บหนึ่งอะค่ะขณะจิตที่มันรู้สึกว่ามันกําลังจะตายอย่าเงี้ยค่ะมันก็มาดูตัวร่างกายอค่ะหนูก็เห็นเห็นตัวเองงเงี้ยค่ะก็คือแบบนั่งพักแล้วก็ ณตอนนั้นคือรู้สึกว่าจิตมันก็คอยดูแค่ว่าเหมือนมันพร้อมตายเงนี้ยค่ะมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจนสักพักนึ่งมันไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่ในค่ะที่ตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนยังไม่หายอ่ะค่ะพอช่วงที่ร่างกายมันหายไปปุ๊บใจมันก็ถอดออกมามันก็บอกเออมันก็แค่นี้แตตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าตายตอนนั้นก็คือพร้อมตายหนูมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ฝึกมาอย่างนี้ยค่ะมันทําให้ช่วยให้แบบใจมันไม่กระวนกระวาย หนูมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นนะคะมันใจมันทิ้งกายไปเองหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นสภาวะปกติของคนทั่วไปนะคะก็ดูตอนนี้ดูตอนนี้ว่าใจเราเป็นยังไงกับร่างกายูถ้าใจเราเฉยกับร่างกายร่ากายจะไปตอนนี้ก็ยินแี้มันไปก็แสดงว่าเราเราก็ปล่อยได้แล้วค่ะตอนนี้คิดว่ายังยังกำลังพยายามสอนใจว่าต้องปล่อยนะถ้าไม่ไม่ปล่อยมันจะทุกข์นะถึงเวลา ค่ะคือความคิดมันไม่ค่อยเกิดมาหลังๆหนูมีความรู้สึกว่ามันก็แค่ดูสภาวะเพราะมันมีความคิดปุ๊บหนูก็ดึงกลับมาเข้าสมาธิเงี้ยค่ะหนูก็เรู้สึกว่าเออทำไมมันถึงไม่คิดนําเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างงี้อะค่ะมันก็คิดนําคิดนําแต่หลังๆก็คือพอเห็นความคิดปุ๊บมันก็ดับไปเงี้ยค่ะในนี้เรามีปัญญาเรามีสติเงี้ยเราควบคุมความคิดได้มันก็เลยไม่ไม่ผลขึ้นมาง่ายมันเมื่อก่อน แต่แตถ้าปัญญายังไม่ให้มันคิดไปทางปัญญาเลยว่าา่งกายนี่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะนั่งกายของทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เราคิดไปทางปัญญามันมันไม่เกิดเองเราต้องเราต้องคิดเราต้องสารจริตสารความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นใจลับเป็นค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะคะมีช่วงหนึ่งที่ติด เดินเหมือนจากที่รถเองค่ะปกติเวลาหนูจอดรถแล้วก็ก่อนที่จะมาเดินถึงที่ทำงานหนูก็จะพยายามเดินตรงกลมไปแล้วก็ในช่วงที่เคยฝึกสมถที่พระจ่าบอกว่าเห็นเป็นอสุพะใช่ไหมคะหนูก็ mm hmm. นึกเห็นเหมือนกับเป็นเป็นขาตัวเองแล้วก็นึกภาพที่ขาโดนกรีดมีเลือดไหลออกมาคือก็เดินเดินก็ดูดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่บางครั้งมันมั น, ม, นมันเหมือนมันยากมากเลยค่ะในการที่จะให้มันเห็นเป็นอสุภะ เห็นเป็นอย่างนี้คือหนูกรู้สึกว่ามันใช้ความคิดเยอะมากไยมันต้องฝืนไปก่อนใช่ไหมคะได้ถ้าเวลาที่เราเดินก็ทาอะไรให้มีสติอยู่กับเรื่องที่เรากาลังทำอยู่ไปก่อนก็ได้ไม่ล า, <ะ>ลาเวลาเรานั่งเฉยๆแล้วเราก็นมนพิจารณาสุภาพไะเวลาที่เราไม่ทำอะไรเวลาเดินเรื่ออะไรถ้ามันคิดเปได้ล้วก็ให้ดงเฉยๆ รู้ให้เป็นสติอยู่กับเท้าที่เดินขนาด้เนื้อยู่กับพุโทโธพุโทโธก็ได้ค่ะแล้วเหมือนปกติค่ะมันจะมีความรู้ทั่วตัวเลย น, นคะคะที่เดินคือมีอะไรผูกเข้ามามันก็จิตมันก็ดับเกิดดับเกิดดับตรงนั้นเหมือนได้ยินเสียงปุ๊บก็ดั บ, ด บ, ดบอพอสักพักหนึ่งรู้สึกตัวมันก็ดับดับอะไรอย่างเงี้ยขนมของหนุมันจะวนไปทั่วทั่ว มันเป็นทั่วตัวไปแล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้ e um. ให้รู้เฉยๆก็แล้วกันเพว่าันดับกิดับไปค่ะก็จะขอปฏิบัติแล้วก็บูชาถวายพระอาจารย์แล้วก็บูชาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธนาฏตายนะคะพระอาจารย์ค่ะพระคุณมาปฏิบัติไปเพื่อปล่อยวางนะเพื่อไม่ให้ไปทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นนะค่ะสาธุค่ะคุณเกจะต้องทําอะไรอยู่ มึอองแกแเสลิ่นทำกับข้าวะ่ะจานนุชแกงกับพอาจารย์ <c oughs> เป็นยังไงสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมเจ้าค่ะไปชีดยามาแล้วออสบายดีโนะยมลงทะเบียนกับเมืองไทยสิ้นเดือนนี้เจ้าค่ะปัญหามันติดขัดนิดหน่อยคือว่าความที่ว่าเราไม่เข้าใจเอกสารแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ เหมือนว่ารู้มากนะเจ้าค่ะก็มีเรื่องติดขัดแต่ว่าครั้นี้ส่งไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้เจ้าค่ะอนนีุยาตให้มาได้ใช่ไหมค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราเราต้องลงทะเบียนกับทางสถานพูดเจ้าค่ะแล้วคือม า, มากร <คน S 1> ทกีต่ต้อ ง, ต, องต้องมากับตัวที่เมืองไทยวันแล้วไม่ต้องมาท่าฉีดยาสําเก็บอะไรนะเจ้าคะ เวลาถึงเองไทยต้องตต้องต้องกัดตัวหรือเปล่าหรือไม่ต้องกักตัวเหมือนเดิมเจ้าค่ะกักตัวสิสี่วันเจ้าค่ะไม่มีข้อแม้เจ้าค่ะกักที่บ้านหรือกักที่โรงแรมที่เขาจัดให้กักที่โรงแรมนี่เขาจัดให้เจ้าค่ะอ่ากักที่บ้านก็ดีเพราะไม่อยากตัดที่โรงแรมยินดีให้เขากักเลยเจ้าค่ะคิดถึงบ้านหระคิดถึงเมืองไทยเลยเจ้าค่ะ คนที่อยู่อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยบ้างเจ้าค่ะอยู่ที่นี่มันไม่มีอะไรน่าอยู่สักเท่าไหร่เจ้าค่ะอโอเคโอเคคอยๆค่อยๆกลับมาค่อยๆได้กล<า>ับมาตามความปรารถนานะสาธุเจ้าค่ะคุณ ก, กมมาแฟกอดมาทราบมาพร้อมหรือไม่ทาไมพร้อมจะไปติดปุ่มพัดก่อนคุณพัดก่อนแล้วกัน ครับการวสการครับพระอาจารย์ครับจากลบเลยครับวันนี้หลับครับครับก็ครับมีครับก็ทําไปได้สัปดาห์ที่แล้วยี่ยี่ห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสงบไวขึ้นนะครับแล้วก็มีสติมากขึ้นจิตใจเบิกบานมากขึ้นนะครับมาที่ที่ผ่านครับมาที่ที่ผ่านมาก็ได้ไปนั่งสมาธิในป่ามาครับมันจะลงไปในถ้ำแล้วก็ ขึ้นออกจากถ้านะครับทางขึ้นก็ชันอยู่ครับน่ากลัวครับแล้วก็ไปนั่งในป่าที่เหมือนไม่มีคนไปนั่งนะครับทีนี้ไปนั่งที่หนึ่งเพราะมันเป็นภูเขาแล้วมีป่าเนี่ยมันจะค่อนข้างชันที่นั่งก็หายากเนี่ยครับผมก็ไปนั่งเสร็จแล้วพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแกรกแกรกแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเป็นงูหรือเปล่าเนี่ครับแล้วมันเหมือนก็กลัวกลัวกลัวเอ๊ยจะงูกฉกตายหรือเปล่ายังปฏิบัติไม่สําเร็จอะไรเงี้ยครับ แต่ก็นึกในใจว่าเออไหนไหนพระปฏิบตัติท่านก็คงมานั่งแบบนี้แหละตายเป็นตายก็นั่งไปเนี่ยครับก็ณีอันหนึ่ง้อเสร็จแล้วก็มดมันก็กัดครับแล้วก็เลยเย้ายไปที่หนึ่งมันก็ตามมาอีกครับแล้วก็ันแปลกครับมีมดมารุมกัดน่าจะเจ็ดตัวเลยครับแล้วก็ผมก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ออกมาแล้ก็เดินหนีไปตัวหนึ่งเนี่ยครับทีนี้ตอนแรกไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วก็ว่าจะลงห้าโมงเย็น พอมดมากัดเนี่ยผมก็ลงไปสิบสิบบ่ายสามครึ่งครับตอนลงเนี่ยถ้ำมันก็มืดหมดเลยมันก็แปลกใจแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่าคนที่เขาขึ้นไปก่อนนยไม่ทราบว่าผมขึ้นไปเขาก็เลยปิดไฟตอนลงมาครับเห็นที่แรกก็มันชันแล้วก็น่ากลัวเด็กคือตกมาก็น่าจะตายครับแต่ว่าก็าพิจารณาเออให้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทโธเนี่ยครับก็ไม่มี มันน่ากลัวแต่ว่าจิตไม่รู้สึกกลัวนะครับนี่ครับแล้วก็เดชครับดูสิว่าสเตจเดชขึ้นไหมมาอยู่ที่ไหนโอ้ดีเลยครับดีมากเลยครับรู้สึกมันแบบที่พระอาจารย์บอกเลยครับมันจะต้องแบบระแวดระวังภัยครับรู้สึกว่าอยากจะไปทําอีกครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปใหม่ครับอาจารย์ไปได้ไดไปเป็นไม้แวกนะอันนทุดดองไปทุดดองครับ ทั้งนั้นแบบว่าเราคิดว่าแบบไปนั่งที่วัดธรรมดาครับก้าวเสือไปเอาไม้ตะพดไปอย่าเงี้ยครับจะที่ไหนได้มันแบบตอนเรานั่งมันไม่มีมดแต่มันได้กินเรามันมากันใหญ่เลยครับมันจะกินเราครับครับแล้วหาที่ใหม่หนาที่ใหม่ครับเดี๋ยวก็อาจจะเอาเอาไอ้ยากันยุงเอาพวกยาหมองหรือว่าเต็นท์ไปอย่าเงี้ยครับให้มันป้องกันได้เงี้ยครับอ่าดีไปคนะ้างเลยจนะไปค้างเลย ก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้มีพี่ที่เขาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเขาชวนไปนั่งที่หน้าถ้ำวาชิตนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆครับอาจารย์ใจใจอยากจะไปค้างเลยครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาหน้าถ้ำก่อนแล้วกันตรงนั้นมันน่ากลัวไปหน่อยหมายความว่าทางขึ้นลงมันก็ชันเนี่ยครับแล้วก็เป็นเป็นสะพานไม้อาเก่างเนี่ยครับผมก็เอาไม้ตะพดแบบกระทุ้งกระทุ้งกลัวสะพานมันจะหักครับไอ้บันไดอะครับเขาบังซี่มันก็หักไปบ้างแล้วเนี่ยครับ แต่ใจเราก็ไม่กลัวนะครับรู้สึกว่าก็ต้องระวังนะต้องระวังใช่ใช่ผมก็คิดแบบป้งกันตรงกันดีกว่าเองไหมครับแล้วตกทําตายไปแย่เลยครับถ้ตายก็ต้องโปร่ตอนนั้นแหละครับบรรลุตอนนั้นแหละครับสาธุครับก็ยังดีครับครับแล้วก็แล้วก็กลับมาแปลกครับอาจารย์อ่ามันมีนิมิตครับอาจารย์แต่ว่าทุกครั้งนิมิตเนี่ยผมจะไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ในนิมิตครั้งนี้แปลก เรารู้รู้ตัวว่าเราอยู่ในนิมิตครับแล้วก็มันเป็นเหมือนอก้อนถ้ำเนี่ยครับเราก็ดูดูว่าเฮ อ, อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรก็ดูมีพระทองคําอยู่งล่างเนี่ยครับหันหลังให้แล้วก็เราก็รู้ว่าเออมันเป็นนิมิตแล้วก็มากําหนดจีลมหายใจเนี่ยครับนิมิตก็หายไปครับมันก็มาอีกนิมิตคล้ายๆแบบเดียวกันครับ <c oughs> แต่ก็ในถ้าเหมือนกันครับแต่ไม่ได้มีพระทองคำสองรูปอยู่ข้างาล่างถ้าไม่ทำถ้าไม่จําเป็นอย่าไปสนใจนย่ไมด่ดีครับมาดูลงครับครับไม่ได้เติดครับขออยากแบบอยากดูให้ชัดๆครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับแล้วก็มาดูลมก็หายไปครับดูล ม, ลมนเ น, นี่กคับมันไปแล้นี่จับไม่เที่ยมเนี่ยมันกิดแ ล, ลดับไปครับไม่มีสาระไปเยอะอะไรครับแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเรื่องเราแบบ จะระลึกถึงบาปที่มันทําได้ตั้งแต่ตอนเด็กครับอาจารย์ hmm. แบบตอนก่อนไปแบบกุ้งอะ่ะมันเป็นๆ เ, เ, เ, เราไปย่างเนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็แม่เ้าห้ามว่าอย่าไปย่างเราก็ไม่เชื่อครับด้วยความคันองเป็นเด็กครับแต่ว่าจิตใจเราไม่ขุนมัวนะครับผมก็ mm hmm. ทําบุญแล้วกดน้ําให้เขาอะไรเงี้ยครับแต่ค<อ>ิดว่าเขาไม่ยกโทษให้เราหรอครับก็แล้วแต่ทำไปแล้วถ้ามีบาปมันจะตามมันก็ต้องยอมรับไปทางสภาพครับก็ เอามาพิจารณาว่าเออให้เร่งทําบุญครับอน้อยก็จะได้เสราทำบาปแล้วทำบาปสักทีครับเลิกเลยครับเลิกเพราะว่ามันจะติดที่ใจเงี้ยครับถึงแม้นานเราเท่าเราก็ยังจําได้เงี้ยครับครับโอเคนะไมยครับหมดแล้วครับครับคุณกอล์ฟคุณกอฟต่อจากเบสราลครับอ๋อถาม ถามเรื่องสีนครับพอดีลองปฏิบัติสีน์แปดมาประมาณสามอาทิตย์ครับก็เรื่องเรื่องที่นอนสูงที่นอนใหญ่เนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้แบบคิดว่าต้องไปนอนพื้นอะไรแต่ว่าผมใตจผมก็ไม่ได้แบบคิดว่ามันสบายหรืออะไรก็คือนอนที่นอนปกตินี่มันคือต้องลงไปนอนที่พื้นครับคือเจ้าที่นอนมันนุ่มมันสบายครับคว่าะเอาเอาบอกออกแล้วนอนกับพื้นพื้นเตียงก็ได้ ถ้านเป็นพื้นแข็งๆไม่ต้องการความสุขความสบายมากเกินไปเพราะมันจะนอนมากเกินไปครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าผมรู้สึกว่ามันก็แข็งหรือว่าคือรักษาใจหรือรักษาศีลผมแบบเดี๋ยวลองลอ ง, ลองไปทําที่อาจารย์แนะนําดีกว่าครับคือถ้าถ้ า, ถ, าถ้านอนันเตียงพื้นแข็งๆไม่ได้ก็ลงมานอนบนท้นขึ้น ขึ้นเลยก็นดะ้ปูปูเสือปูอะไรถ้ามันเย็นคับปูผ้าห้ามกันความเย็นได้ครับครับข้อสองครับก็คือผมก็ยังใส่เครื่องประดับแบบว่าคือใส่ปกติอะครับมันแหวนนี่ก็คือใส่ปกติคือต้องถอดไหมครับก็ใ <c oughs> ส, ส่ไปทําไมน่ะนี่มีประโยชน์อะไรไม่ไม่ใส่มันดีไปยังไ้ไม่ทำใมากังวลกับมันก็คือถอดนะครับโอเค แล้วก็เราใส่ตู้ไว้เก็บไว้ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปใช้มันครับแล้วก็มีก็จะมีเรื่องน้ําหวานนะครับเมื่อกี้เห็นพี่เขาพูดผมปกติเนี่ยผมกินหมดกล่องแล้วแล้วก็พี่เขาพูดคนพี่คนแรกก็ลองทานน้าเปล่าดูก็แบบก็ระลึกนึกถึงว่าเออตอนที่เคยไปอยู่วัดถ้ำสายครับก็กินน้ําเปล่าก็ก็นี่ก็คือเปลี่ยนว่าเดี๋ยวถ้าหิวก็คือกินน้ําเปล่า เพราะว่าไปหาน้ำหวานมานี้แบบราคาก็สูงเหมือนกันครับอืมจะได้ประหยัดงานการมันไม่ต้องการน้ำ น, น้ำหวานมันต้องการน้ำเปล่ า, ลาครับส่วนการปฏิบัติก็คือว่าเหมือนตอนทํางานเนี่ยครับผมก็พอจะทราบว่าแบบมันเป็นมันเป็นทุกข์นะที่เราต้องไปหาเงินวันเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็เห็นแบบทุกข์สมุรทรนิรุนแรงครับแต่ว่า ด้วยหน้าที่ของเราอะ่ะเราก็ยังต้องทำแบบเหมือนใจมันเร่งให้แบบว่างานมันเสร็จหล อ, อกลูกน้องอย่างนั้นอย่างนี้มาทำบัญชีเราก็รู้ว่าเนี่ยนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นสมุทยัยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่ในขณะนี้ครับก็ทำพอประมาณอ่าทำมากเปินไปทำเพื่ออยู่เพื่อเล็ปากเล็กท้อมันพอไม่ทำเพื่อความนั่งวยครับครับมันจะเกิดความโลภ <c oughs> like, ครับผมระวังถ้ามนโ ถ้ามันโลภ ก, ก็ได้เงินมาก็ไปทํา บ, บุญใช่ไหมเก็บาที่อยากเป็นครับวันนี้ไม่โลภครับวันนี้วันพระผมก็เมื่อวานผมนั่งคิดตัวเลขนานจนลืมฝากเพื่อนไปทํา บ, บุญกับพระอาจารย์แต่ก็ไปทํา บ, บุญถือแล้วครับได้ที่ไหนก็ได้นะทุกท่านที่บ้านะนที่กรุณจทพอยางอเมริกาแม้วแลนด์เหมือนกันเป็นยังไง กัรธรรมสการค่ะพระอาจารย์ออาสาุด้วอนุโมท น, นากับบุญที่ทำด้วยนะค่ะโมทนาสาธุค่ะเ ด, ดี๋ยวตามลูกๆวันนี้ลูกๆไม่มีเรียนค่ะอยากให้มากราบพระอาจารย์กับหลวงตาหลุดนีนะพูด่ายกันหน่อยอ้วค่ะพิโตค่ะพูดถ่ายได้เป่า how are you what's your name นนเดี๋ยวให้ลูกสาวนากับด้วยค่ะ คนนี้ชื่อนาธานค่ะพูดไทยไม่ได้นี่เพื่อนประกาศผูภาก่อนประกาศผู้ภาก่อนแลยสวัสดีจ้ะ Good morning to you Good morning เคยภาษาไทยได้ค่ะแต่ตอนนี้โรงเรียนก็ฟังได้อย่างเดียวแล้วพูดได้น้อยมากแล้วค่ะ เดี๋ยวกะว่าซัมเมอร์นี้จะสอนจะเริ่มสอนให้จริงจังขึ้มนมานิดนึงค่ะหลงหลงพ่อพระอาจารย์นจะได้ไม่ลืมของดีเดี๋ยวเขาเขาอาจจะไปแล้วหรออ่ ะ, ใ, ะให้เรียนพอมากเก่าใ่ไหมฮ่าฮ่าฮาไม่รู้เรื่อไม่รู้เรื่องเองจะกลัวอะไรกันใช่ค่ะเดี๋ยวไว้ไว้ไว้เขาไม่เรียนอาทิตย์หน้าเขาอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวกะว่าถ้า ถ้าจะเอาเขามาเข้าเป็นภาพภาษาอังกฤษให้เขามานั่งฟังคนอื่นถา ม, มค่ะจะฟังมนนไม่รู้เรื่องก็น่าจะไม่จะเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาธรรมะกขายังค<ห>งจะไม่เข้าเขา ต, ติดติดหูไว้บ้างค่ะโยมก็บอกน้อยก็ฟังเดี๋กวดีค่ะเขาอาจจะไม่มีคําถามเขาก็จะแบบฟังฟังให้ฟังนิดหน่อหน่อยเออเขาอาจจะมีของเก่าก็น่พอพอไปฟังปุ๊บมันอาจจะไปปลุกของเก่าขึ้นแบบ่ะ อ่าทูบครับขอให้ปุกปุกสักทีได้โยมไม่ใช้ทุกอย่างเลยเมื่อกี้ก็จุดธูปจุดธูปไหว้พระใช่ไหมคะลูกชาลงมาแม่นะทานชอบกลิ่นธูปนะหอมหอมหอมจังเลยโยมก็โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวว่าหลังก็จะชวนมาจุดธูปบูชาพระอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากไดก็จะปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์มันยังไม่ บางทีเห็นมีเรื่องคนมาแย่งที่จอดรถเรารอที่จอดรถอยู่นานมากอยู่ดีคนนึงมาเสียบปุ๊ บ, บก็ก็เมตตาแต่ก็นี่มันมันมันทำํำมันมันเดินไปบอกเขาเลยนะคะว่าอยู่แย่งที่จอดรถอ <c oughs> ะไรพอะไรดังนั้นเดินกลับมาที่รถเราทําอะไรลงไปเนี่ยที่จอดเด็กก็ขับไปใหม่ก็ได้คบเนี่ยมันก็เห็นจิตหน้าข<ไ>่าวแบบไทรอน มันน huh, oh you know ิ่ง mm ๆิ hmm, ่ง่งิ right ่งมาตลอดเลยฟังทำมามาตลอดเลยนะคะเวลารับโดยกระตุ้นหน่อยก็ไปเลยอุ้ยแค่แปบเดีวทำไมกิเลสโผกขึ้นมาเลยใช่ค่ะโยมโอโหมันเยอะมากเลยกิเลสเนี่ยมันต้องคาคาไปเรื่อยยิ่งแมดลานตัวอีกเวลาจริงเวลาจิงนิ่งอย่าไปคิดว่ากิเลสมันตายนะใช่ค่โยมว่ามันต้องปลื่นใต้น้ำแน่ๆเลยหรอคะั่นมันมีอะไรมากระตุ้นมันขึ้นมาหน่อย ใชเจ้าค่ะก็ก็พยายามเรียกสติเรียกสติค่ะก็ก็ขอออกมุสิกรรมในใจกับเขาบอเอเออย่าจองเวนกันนะเราเราเอายอมยมขอออกมุสิคกขอออกมุสิก <c oughs> ค่ะค่ะพยายามค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือยมไปวัดไปถวายสังฆทานมาแล้วปากยมเนี่ยไม่รู้มันคิดได้อยู่ดีก็โผล่ไปพูดไปบอกว่าคือที่วัดหลวงหลวงพ่อปุก ปงุ่นใช่ไหมคะยมก็แบบแซวเพราะสนิทกับหลวงพ่อก็แซวปลูกไ ว, ว้ทําวายเหรอคะเท่านั้นแหละหลวงพระอาจารย์ลูกลูกจากต้นไม้สู ง, สงเหมือนลูกลูกลูกไม้ะะอ่ะค่ะหล่นมาที่หลังดังป้าบแบบเจ็บมากเจ็บมากยมก็คิดสงสัยเทวดาลูกก็เทวดาที่วัดไม่ชอบแน่เลยป้าใส่เลยอะ่ะจริงจรงค่ะพอาจากวัดออไปเวลาจะพูดอะไรให้มีสติคิดให้ยมก็เลยใช่เจ้าค่ะมันก็เลยบอกว่าอุ้ย ทำไมเราพูดแบบนี้พูดออกไปได้ยังไงถึงแม้จะเป็นการพูดโดยไม่เจตนาแต่แต่มันเป็นไม่ไม่ควรจะทำโยมก็แบบกราบกราบพูดกับหลวงพ่อบอกว่าเออโยมหลวงพ่อก็เข้าใจหลวงพ่อก็หัวเราะบอกว่าเฮยเเเเ uy, ท่านแซวพรวดาท่านแซวเล่นแหละโยมก็บอกต่อไปนี้จะระวังคําพูดจะวังการกระทําจะระวังกิเลสให้มันแบบเยอะให้มากกว่าเดิมค <Okay. S 2> ่ะอ่าก็ไม่เงีบ ใกล้จะหมดเวลาแล้วสามชั่วโมงกว่าแล้วขอบคุณนะคะสาธุค่ะแล้ว <Okay, S 1> เจอกันอาทิตย์หน้านะแล้วค่ะ okay. อันนี้มีคำถามทางเ่ซบุูกไหมคุณล่ <c oughs> มีคำถาม <c oughs> จากทาง Facebook แล้วก็ u ู u ูบจากสิบเอ็ดคำถามเจ้าค่ะใช่ถามได้เลยิดทายารายกัน จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกหากอยู่ในขั้นฝึกสมาธิแล้วยังนั่งสมาธิได้ไม่นานเนื่องจากว่ายังไม่สงบและมีความอยากที่จะลุกควรแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรได้บ้างเจ้าคะ่ะจะใหามมาก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปนะสวนตต่อไปก่อนริ่ต้นทำใหม่รอบนึ่งควรจะค่อยๆ ข, ข, ขยับเพิ่มเวลามากน้อยอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็อย่างนี้แหละพอถึงเวลาอยากจะรู้ก็นั่งต่อไปดูลมให้ให้ให้ให้ใกล้ชิดขึ้นหรือว่าให้ต้องพุโทโธพุธโทโธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งต่อไปได้ก็ต่อไปหากใช้การตั้งสัจจ์อธิษฐานว่าจะนั่งนานเท่าไหร่และพยายามนั่งต่อให้นานที่สุดจะเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่กำลังของเราว่าเราสามารถทําตามที่เราตั้งศัจจ์ไว้ได้หรือไม่ ถ้าไม่มีกําลังพอตั้งไปมันก็มันก็นั่งไม่ได้ก็ตั้งไปก็เสียเวลาเปล่าก็ต้องลองทดลองอยู่การตั้งไว้นี่เพื่อป้องกันความขี้เกียจมากกว่าคือความสามารถมันอยู่แต่ขี้เกียจทำํำก็เลยต้องตั้งบังคับให้มันทำํทำตามเต็มเต็มพิกัดของมันเต็มกำลังของมันแล้วเราต้องกําลังของเราว่าจะนั่งได้นานมากน้อยเพียงไรก่อนคำถามต่อไป หากนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแล้วเผลอสติไม่อยู่ที่ตรงปลายจมูกเมื่อรู้สึกตัว <c oughs> ก็ดึงกลับมาที่ปลายจมูกอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องตามปกติเวลาเริ่มต้นใหม่ๆสติมันจะเผลอได้อย่างนั้นเรเผลอไปคิดเรื่นั้นเรื่ น, น, นี้พอรู้สึกตัวก็เดินกลับมาดูที่ลมหายใจต่อคำถามต่อไป ป, จจปัจจุบันเดินจงกรมสองชั่วโมง สลับกับการสวดมนต์ก่อนและนั่งดูสมานั่งดูลมหายใจรวมเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงวันละสองถึงสามรอบอันนี้เหมาะสมหรือไม่และควรปรับอย่างไรบ้างเจ้าคะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็ถ้าถ้าเพิ่มขึ้นได้ก็เพิ่มเดินให้มากขึ้นนั่งให้มากขึ้นถ้ายังไม่ได้ก็พยายามรักษาระดับนี้ไปก่อนก็ได้คาถามต่อไปจากคุณหนูเดือน จิตมีแต่คิดมีผู้ถามกับผู้ตอบแล้วก็กลับมาที่ลมและพุโทโธพุโทโธตลอดทั้งวันถ้าคิดถึงเรื่องที่คนเคยโกรธกันก็จะใช้พรมวิหารถ้าคิดถึงรูปที่เคยตั้งความชอบไว้ก็จะพยายามใช้อสุภะหรืออาการ32แก้กันจะถูกแนวทางปฏิบัติหรือเปล่าครับหรือต้องผ่านอนาปานณสติสมาธิเสียก่อนครับ ก็ถ้าเราใช้มันระงับคัามฟุงฟ้งซ่านความเพรียดได้ก็ใช้ได้ระงับความจิตไม่ยอม อ, อยู่กับกับพุทโธนี่ออยู่กับลอกม็ใช้มันเพื่นระงับไม่ให้จิตมันไปิดฟุ้งซ่านกันใช้ได้คุณหนูเดือนเขาถามว่าต้องผ่านอัปปนาสมาธิเสียก่อนหรือเปล่าคะก็ถ้าผ่านได้ก็ดีถ้าผ่านไม่ได้ก็ ก็ถ้าไม่รู้จักถ้ามันมันจับเป็นจะต้องใช้ก็ใช้ไปหรือว่าจะใช้ได้หรือเปล่าทดลอ ง, งไปคาถามต่อไปจากคุณปุ้ยสันสนีนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตสอบถามว่าเราต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไหมคะไม่ต้องอแล้วแต่เราใชสะดวกถ้าเราปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็สลับกันระหว่างเดินและนั่ง แต่ถ้าเราปฏิบัติแค่ครั้งเดียวชั่วโมงหนึ่งนี่ก็นั่งได้เลยคำถามต่อไปจากคุณพิพัฒน์กังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของร่างกายจะต้องทําอย่างไรครับก็เ ร, าาริ่มทำตามที่พระเจ้าสอนบอกให้พิจารณาอยู่ในเมืองว่าความเจ็บไายได้ปวดของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดมาแล้วย่อมจะคไข้ได้ปวดเป็นธรรมดาต้องลดค ว, มวามเจ็บไายได้ปวดไปไม่ได้ ในท้องคาหานี้ไว้ยอมรับความจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็แล้วก็ต้องเจ็บไข้ด้วยมา่าได้ป่วยด้วยกันทุกคนเราจะจได้ยอมรับได้เราจะได้ไม่ไม่ทุกข์กับมันคุณถามต่อไปจากคุณพักพินันขอโอกราบเจ้าคะ่ะถ้าอยากจะตัดความโกรธสติมันรู้ไม่ทันมันโกรธออกมาก่อน จะต้องทําอย่างไรคะเพื่อไม่ให้โกรธขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้ามันโกรธแล้วก็หยุดไนด้วยการท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอย่าพวาอยู่กับพุโทโธไปชั่วระยะหนึความโกรธก็หายไปถ้าต้องการป้องกันไม่ให้มันเกิดเราก็ต้องอยาามีความอยากเพาะความอยากนี่มันทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้แล้วใจอยากเราก็จะโกรธแต่ถ้าเราไม่ได้อยากเราก็จะไม่โกรธ คำถามต่อไปจากคุณปลายมินสาธุค่ะหนูอยากทราบอาจินไตอาสงไขาอานา ต, ตาตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆเป็นอย่างไรคะอจินไตแปลว่าเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเ ข, เข้าถึงได้ด้วยความนึกคิดของเราเรื่องอาจินไตนี่เป็นเรื่องที่อยู่เหนเือความสามารถของความนึกคิดของเรา ที่เรียกว่าจิตใจอสงไขยก็เป็นความระยะระยะเวลาอันยาวนานที่เรียกว่าเป็นกลับเป็นกับเนี่ยอสงไขยกับคือเราก็ไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่แต่ยาวมากมากกว่าจํานวนตัวเลขที่เราจะเขียนได้ส่วนอนัตตาก็หมายความว่าไม่มีตัวตนอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตน เช่นร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคำถามต่อไปจากคุณไอรีนมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าคะ่ะสรับนมัสการพระอาจารย์คะ่ะนั่งสมาธิจนลมหายพุทโธนึกไม่ได้จิตคิดปรงแต่งไม่ได้แต่ยังมีความคิดแว บ, บเข้ามานิดหน่อยคำถามคือข้อที่หนึ่ง ทำไมจิตสงบแล้วยังมีความคิดขึ้นมาได้ ท, ทั้งทั้งที่คิดก็ไม่ได้ค่ะออยังไม่สงบเต็มที่ก็มีสติหยุดมันเวลามันจะคิดก็หยุดมันไปคำ ถ, ถามข้อที่สองถ้าสงบแบบนี้แต่ไม่นานมากเมื่อจิตที่นิ่งเริ่มกลับมามีความคิดนึกพุทโธได้ถ้ายกขึ้นวิปัสสนาจะเป็นสัญญาหรือปัญญาค่ะ ไม่ควรที่จะไปเขเป็นวิปัสนาคุทการรมมาทำสมถะทำสมาธาิต่อด้วยการดูลงแล้วด้วยการบริกับพุโทโธต่อจะดีกว่าจะพิจารณาทางปัญญาไว้รอให้เรื่งนั่งสมาธิบ่านนลพิจารณาตายละทำทุกสิ่งทุกอย่างถามข้อที่สามดูเวลาตั้งแต่นั่งจนออกจากการพิจารณา เป็นเวลาไม่นานแค่สามสิบนาทีแบบนี้สมาธิยังไม่มีกําลังพอใช่ไหมคะก็น่าได้สติยังมีกําลังน้อยสมาธิเลยสั้นยังเลยไม่ยาวต้องฝึกสติให้มากมาทั้งวันต้องเคยไปาบันฝึกสติอยู่เรื่อยเืยข้อที่สี่จิตเวลาเริ่มนิ่งจะต้องเปลี่ยนกรรมาฐานตลอดจะเปลี่ยนไปเป็นอันที่ชัด เส้นถ้าพุโทโธอยู่แล้วเริ่มสงบก็จะลองเปลี่ยนไปเป็นลมหายใจถ้าชัดกว่าก็จะอยู่ที่ลมถ้าเริ่มไม่ชัดก็จะเปลี่ยนไปเป็นอันที่ชัดพอลมหายก็จะเปลี่ยนอีกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของท้องเคยได้ฟังเทศของหลวงตามหาบัวว่าอย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยแต่ทำอย่างนี้แล้วก็มักจะสงบขึ้นเรื่อยๆ เ, เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันได้ผลดี ก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะแล้วจะเกิดข้อเสียอะไรไหมคะได้ถ้ามันเปลี่ยนเพื่อทาจิตให้สงบก็ใช้ได้เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเกยียร์รถยนต์ขับรถไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเกยียร์เพถ้าใช้เกียร์เดียวเมือนมันจะวิ่งวิ่งแรวขึ้นไม่ได้อันนี้กัรลถ้าเปลี่ยนแล้วมันทำให้จิตสงบมากขึ้นก็ใช้ได้คาถามข้อที่ห้าอยู่ที่วดัดเห็นคนเวลาทำกับข้าว ถ้าอาหารมีมากเกินไปที่จะลงสาลาก็จะแบ่งไว้ให้คนอื่นก่อนที่จะถวายพระอาหารที่เอามาทำครัวเขาเอามาทำเองส่วนพวกค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สเป็นของวัดถ้าหากเขาชาระหนี้สงอยู่เรื่อยๆแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะก็คาไม่เป็นไรนะั่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาของวัดไป ไม่ได้ขโมยของวันใช้ของวันถ้าเราก็ช่วยจ่ายค่าน้าค่าไฟอะไรไปคำถามต่อไปจากคุณลินยพัฒนมส ก, การพระอาจารย์ค่ะลูกขออนุญาตสอบถามสภาวธรรมลูกนั่งสมาธิแล้วตอนนี้หูมีเสียงวิง้งจิตค่อนข้างโลง่งความคิดไม่มีมีแวบมาก็จะรู้ว่ากำลังคิดเหมือนนั่งดูความคิดตัวเอง อาการหนูคือมีหูมีเสียงวิง้งลูกใช้ชีวิตประจำวันก็มีเสียงเจ้าขะแต่ความาแต่ก็สามารถควบคุมได้อย่างเช่นลูกทำงานปกติไม่ได้ตั้งใจจะมีสมาธิแต่ไม่มีเสียงวิง้งหากลูกหยุดนิ่งหรือสงบก็จะมีเข้ามาตอนนี้ลูกไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อต้องคิดยังไงกับเสียงวิง้์ ควรไปพิจารณาหรือไม่พิจารณาเจ้าคะก็ควรปล่อยวางพิจารณาว่าเป็นตายรับเป็นอนัตนตาเป็นเศ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เขายังมาก็มาเขาจะไปก็ไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้ามีค่อถ้ามีสภาวะแบบนี้ ลูกจะพัฒนาสมาธิไปต่อได้อีกไหมเจ้าคะควรคิดอย่างไรต่อตอนนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะเอควรจะกลับมาที่ลมหายใจเรื่องเคลื่มาที่พุโทโธอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นคําถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์กราบเรียนถามเจ้าคะ่ะจิตไม่เข้าฐานหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ่ะว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมสุภาพสงบยังไม่เป็นสมาธิหมดหรืยังยังเจ้าคะ่ะ เรื่องคีคำถามมันเดือดแล้วเนี่ยต้องหยุดนะเหลืออีกเกือบสิบคำถามเจ้าค่ะวันนี้พอก่อนแล้วคืนนี้มันเดือดมากนะนว้อโอกาสหน้านะต้องขออภัยด้วยมันถ้าปล่อยให้ตอไปเดี๋ยวคําถามมันเข้ามาเรื่อยไมนที่บอกมีสิบแล้วนี่เหลือตอบไปสิบกนวะ่าแล้วยังมีกลับเข้าใหมาอะต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันเดือห้าทุ่มกับยี่สิบนาทีนะ เหนื่อยละสามชั่วโมงกับครึ่งเขาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาเขาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอด